จเจริญพรท่านสาธุชนุทธบริษัทรุ่ฝ่ยายธรรมทุกๆท่านวันนี้เราก็มาพ้องปากกันีนข้างเพื่อสนทนาธรรมถามตอบคำถามในเชิงปฏิบัติทานศีลภาวนาวันนี้เข้ามาสายนิดหน่อยมีปัญหาทางด้านเทคนิคไมโครโฟนไม่มีเสียงต้องมีการปรับแต่งกันนิดหน่อยคราวนี้หวังว่าคจะได้ยินกันชาติทุกคน ก็ไปที่จำแนกัจัดที่ปมะเชานี้ตื่นมาตัช้ชามาใส่บานนะจมแนกขจัดที่ your okay. อนันว <มา S 2> ิ your ่ไมโครโฟนโอเคกัสนกาสพระจันร์ครับใครเป็นคนปลกเมื่อเช้านี้รเราปลูกกันเองก็ <laughs> ตอนแรกก็ตื่นมาก่อ น, นอ ร, รับเรื่อยๆรับตื่นๆ <laughs> แน่ครับตื่น แ, <laughs> แม่มาปลุกคห้ตื <laughs> <laughs> <laughs> ่นเส้น อคพักอยู่ที่โรงแรมที่สายบานหรือว่ามาจากที่บ้านคำนั้นมาจากที่บ้านพักอยูที่โรงแรมรอ๋อค้างคืนเลยเนี่ยับคุณดีไหมชอบโรงแรมนี้ไหมชอบเนี่ยไม่ไงดียังไงมากก็ห้ควสอาดความสะอาโอเคแล้วนี้กลับกลับถึงบ้านแล้วเลยกลับถึงบ้านแล้วโอเคอันนี้มีอะไรไหมจะรายงานอะไรหเล่บ ก็นั่งสมาธิสัตมร์อยู่เหมือนเดิมครับนั่งได้กี่นาทีก็บางวันก็ส่วนใหญ่ก็ได้ยี่สิบนาทีค่ะมากกว่านั้นไม่ไหวเลยก็ไหวค่ะแต่ยังไม่ทำครับอ่าคุณทําดูเสิคราวหน้าเราสร้ยี่สิบห้านาทีนะค่อยๆ <c oughs> นั่งหม่ <c oughs> เวลานั่งแล้รู้สึกจะลุกก็ส่วดมนต่อไปก่อนก็ได้ให้มันครบเวลาให้ตามที่เรา อั้งไว้25นาทีอยากพึ่งลูกพยายามบั ง, บงคับมันให้มันนั่งไปได้เลยถ้าไม่บังคับมันก็ไม่นั่งครับเราต้องสู้กับมันเราต้องเป็นคนปราบมันไม่ใช่ให้มันปราบเราเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเราต้องเก่งกว่าเขาต้องเก่งมากิเลสแล้วถึงยาปราบกิเลสได้ครกิเลสมันชอบออกมาเที่ยวออกมาเล่น เราก็อยู่ข้างในดีกว่าอยู่เฉยๆดีแล้วไม่มีเรื่องกับใครนะเราพยายามฝึกเพิ่มไปเรื่อยๆนะตอนนี้จะกำลังข้าให้เพิ่มไปเรื่อยๆทีละห้านาทีห้านาทีไม่ให้ม่นไม่ก้าวหน้าจาได้นะถ้าทําเท่าเดิมมันก็เท่าเดิมนะเราต้องปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะทําได้ไม่ยากหรอกถ้าเราตั้งใจนะถ้าเรารู้วิธี วิธีที่จะนั่งต่อก็ส่วนทีที่ไปโศไปเกิดไปสวดหลายรอบอย่าเพิ่งอย่าดูนาฬิกาสวดละสวดรอบหนึ่งก็ดูนาฬิกาทีไม่ต้องนะสวดสักสิบรอบแล้วไปดูว่าครบเังอ่านอีกห้านาทีที่เราเพิ่มไปมานี่ครับ อ, อไม่ดูได้ ย, ยิ่งดีอย่าไปสนใจนาฬิกาเลยถ้ายิ่งดูนาฬิกาแสดงว่ายังอยากจะออกไม่อยากจะนั่งค่ะ สวดเป็นเรื่องร่าเรียนาฬิกาอะไรนี่บ้างนะตอนไทีไปเท่ากไปเด้เลยครับโอเคนะครับครับอ่าต่อไปหนูจะจิตหนูจะมีกําลังนะมีกําลังสู้กิเลสสู้ความงอบสู้ความโกรธได้ครับเวลาใครทําให้เราโกรธเราก็ไม่โกรธได้อ่เราเฉยๆได้ดีมครับเวลาใครมาทําให้เราเสียใจเราก็ไม่เสียใจอ่า การนั่งสมาธินี้มีประโยชน์มากนะค่ะ yeah. อากเขาเรียกว่า mental exercise เอา ก, กำลังกายเอกกาลังใจนี่อราอกกำลังใจเ อ, อกกาออ ก, กำลังกายวิ่ง jogging นะอันนี้เรานั่งสมาธิ่อากำลังใจทาให้ใจมีกำลังสู้สดีเลยส่้กความโลภสับความโกรธส่วกับความหลงอะา กกำลังใจไว้ทุกวันใจจะแข็งแรงเหมือเวลาเราทำงานนั่งขายนะครับครับโอเคแบบนี้ก่อนนั้นครับครับขอบคุณคุณหมอที่มาครับคุณหมอทั่ทีลาเชิญกล่าวในมัธยมศึกษาตนแต่ว่าอย่าถามต่อคดีที่สาลไยสร้างว่า มันถ่ว่ามคือเราเพิ่งะพุ่งงขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมเจ้าคะคุณร่อมตอนนี้โยมแบบอยู่กับเบพนะเรารู้สึกมันเฉยๆจิตไมกับคุณุก่าน้าเดี๋ยพูดม า, า, า, า, ดาทีได้หมพอดีหมามันห่าเสียงมันหนังไ ม, มดีดาค่ะอาจารย์คุณโยมพูดอีกหนึ่นะอ้าพูดได้เลยเช่น เจค่ะก็พอดีจะถามเกี่ยวกับระ ย, ยะเวลาการนั่งพอดีจ้าคะพระอาจารย์ว่าคือเราควรจะแบบค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมเ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่า ต, ตอนนี้เหมือนโยมอยู่กับเวทนาแล้วมันรู้สึกเฉยๆจิตมันไม่กระเพื่อมนะักจ้าค่ะพระอาจารย์แลก็นั่งให้นานเท่าไหร่น่าอยู่ดีเพราะการนั่งเฉยๆนี่นเป็นการป่ากิเลสภาในตัวเพรกิเลสมันชอบไปทํานู่นทนํานี่แล้วก็สร้างปัญหาให้กับใจ ่ถ้าเราปักนั่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาเลยนั่งอยู่เฉยมีความสุขกับการนั่งอยู่เฉยนั้นดีกว่าเป็นวิธีที่หาความสุขที่ดีทสดดีกว่าไปดูดูหนังฟังเพลงไปกินไปเดินอะไรเพราะความูมนั้นมันมันทําให้เราเติดเวลาเวลาไม่ได้กินไม่ได้เดินไม่ได้ดูไม่ได้ฟังมันจะทำให้เราเหนื่อยพยายามนั่งให้มานั่งให้บ่อย เจา้างค่ะพระเจ้าตอนนี้<ะ>ก็ลดละเลิกไปเอยอะเลยค่ะพระเจ้าลดกิจกรรมทางตาจะหมดนิ่งกายไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เอาเวลาของทากิจกรรมทางตาจะหมดนิ่กายมาให้กับการทําใจให้สงบดีกว่าพเพราะลดแห่งธรรชนะลดธรรปั่วความสุขได้ที่ได้ได้จากความสงบนี้เหนืยกว่าความสุขทรรมปั่เจา้จางค่ะพระเจ้าคือโยมก็เหมือนแบบพยายามจะ ไปสู่แบบทดสอบเรื่องเวทนาให้มากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็เออมีปรับท่าเป็นที่แบบเอเป็นขัสมะเพชรอยู่บ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็อยากให้มันเจ็บเร็วแต่ว่าคือเหมือนมันก็เจ็บแต่ว่ามันก็ยังเหมือนมันไม่ถึงใจกับความเจ็บมากเท่าไหร่งเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจาร ย, อาอยา์อย่าไปฝืนอย่าไปทําให้อย่าไปบังคับมันมให้มันเกิดขึ้นมาเองให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าแล้วเราก็สู้กับมัน ตามหลักของธรรมชาติคือเราไม่ต้องสู้อนะเราเคต้องการจะปล่อยให้มันเกิดนับตามเรื่องของมาเดยนั่นมันเกิดก็เกิดมันไม่เกิดก็ไม่ไม่ถ้าพยายามให้มันเกิดมันก็เป็นวิเป็นภาวะตันหาขึ้นมาเองมันก็ทุกข์เองว่าเวทนามันเป็นธรรมชาติมันเป็นฝ้าอากาศเราจะไปจัดการเขาเวลาเราต้องปล่อยให้เขาจัดการเขาเอง ให้เขาแสดงของเราเองให้เขาเปิดให้เขาดบของเขาเองเรามีหน้าที่สอนใจให้เรานับรู้กับข่าวเฉยมันโดยที่เราไม่มีอาการยินดี น, น่ากับข่าวทท่านีน้ยังไม่เราไปถับนั่งหรือแบบบางคนก็ไปเอามีกิี่ยอะไรกับตัวเองให้มันเจ็บอย่างงี้มันไม่จำเป็นต้องทำให้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเลยนทั้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เจ็บเองนะไม่ต้องโกรธแล้ว เรามันจะนั่งท่าไหนมันก็เจ็บทั้งมันแล้วดูว่าจะนั่งต่อไปได้หรือเปล่าไม่เป็นไรตรงนั้นสําคัญกว่าเจ้าค่ะเจาค่ะนั่ต่อไปเลยังไงมันจะปิดหายไปความเจ็บหายไปเออน้อยควนดุน้ีใครแสดงว่าเรานําไม่ได้ไปจัดการกับมันให้มันหายมันหายลงมันเองเราอยู่กับมันได้นี่คือเป้าหมายของการฝึก เพราะต่อไปเวลาเราเป็นไข้เป็นอะไรมันจะจะไปสั่งให้มันหายเองมันไม่หายใช่ไหมแล้วเป็นไข้หวันใหญ่เป็นไข้อะไรขึ้นมามันก็เล่าอยู่ประมาณไปนะมันจะหายก็หายไม่หายก็ปล่อยมันไปอยู่ของมันไปแล้วก็อยู่ของมันไปให้ได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนกับมันนั่นเป็นเป้าหมายการปฏิบัติเกี่ยวกับเวทนาทางรน้ำใจเจ้าครับ๋อ อันนี้ก็เหมือนเป็นแบบจุดหมายของขั้นต้นของเผสูษษดบันอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะที่แบบว่าอยู่ควเจ็บกัความตายสองข้อการบ้านสองข้อก็สอบสองข้อต้องเกษษษษษษิดทำไม่ได้เจ้าค่ะดูทั้งในและนอกสมาธิที่เราจะแบบไม่กระเพื่อมกับสิ่งเหล่านี้ต่อไปแบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพอาจารย์ถ้ามีปัญญามันก็มันก็ไม่ต้องเท่าสมาธิมันก็ไม่กระเพื่อมแต่ถ้ายังไม่มีปัญญามันก็ต้องอาศัยการใช้สติ ทำใจให้นิ่งเฉยๆถ้าไม่มีสติเดี๋ยวใจมันก็ฟุ้งซ่านใจมันก็ อ, อดิ้นรนทรมานไปกับความเจ็บของร่างกายได้ถ้ามันดิ้นรนมันทรมานก็ต้องใช้สติบริกรรมพุโทโธพุโทโธไป ด, ดูลอนไปคือไม่ได้เข้าสมาธิหรอกแต่ใช้สติเพื่อยับยั้งการดินน้นรนเราไม่ต้องการที่จะหนีเข้าสมาธิแต่เราต้องการที่จะระงับความฟุ้งซ่านของ ใ, ใจ ด้วยการใช้สติตนะครับมันแต่ถ้ามันจะเข้าไปในสมาธิเป็นผลที่มันทำให้มันเข้าไปในสมาธิได้ก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายก็ดีเพราะธรรมดาบางทีถ้าไม่เจ็บมันก็า จ, จะไม่ขยันพุโทโธก็ไดนะ้พอมันเจ็บมันก็เลยขยันพุโทโธพอขยันพุโทโธมันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เจ็บเข้าไปรวมในสมาธิได้แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือในที่สุดเราต้องใช้ปัญญา สนใจให้รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่มันเป็นสภาวะธรรมที่มันมันมากับร่างกายและเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศที่เราอยู่กับมันได้ใช่ไมแต่ว่าต้องอยู่กับเวทนาที่เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเดี๋ยวทุกเดี๋ยวไม่ทุกเดี๋ยวเดี๋ยวสุขเดี๋ยวไม่สุขอะไรไม่สุขไม่ทุกมันก็สลับไปเปลี่ยนไปเหมือนหน้ากากเหมือนดินฟ้ากาศ แต่ในเบื้องต้นถ้าเรายังอยู่กับมันไม่ได้ก็ต้องใช้สายสติให้มันเข้าไปในสมาธิก่อนเอข้ามาสมาธิมันมีรูเบคขาวออกมาที่ก็ใช้ปัญญาสู้กับมันได้ต่อไปในเบื้อง ต, ต้นจงฝึกใช้สติก่อนนอกจากว่าถ้าเราใช้ปัญญาได้อยู่กับมันได้โดยที่ไม่สั่งซ้านไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้สติก็ได้ เดี๋ค่ะคือจริงๆแล้วนี้แบบเหมือนปัญญามันก็จะมีแรงหนุนของสมาธิอยู่เบื้องหลังประมาณนี้ใช่ถ้ามันไม่มีมันก็พ ย, ยารณาตัดปัญญาไม่ออกนมันคก็คิดแต่จะหนี้จะเจ็บจะหนีความเจ็บอย่างเดียวอืเจ้าขาพระอาจารย์เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าถ้าเราใช้ปัญญาได้จริงโดยที่มีสมาธิหนุนอยู่เนี่ยใจมันจะไม่สังเกตจากใจว่ามันไม่กระเพื่ม มันไม่เดือดร้อนมันไม่ทรมารมันเฉยๆอยู่กับความเจ็บได้ใจเป็นเหมือนตอนที่ยังไม่เจ็บเหมือนเดิมเวลาเจ็บกับตอนที่ไม่เจ็บใจก็เหมือนเดิมฉเฉยๆไม่เดือนร้อนถ้ามีปัญ ญ, ญาตอนใจให้ให้เห็นว่าถ้าอยากจะให้ความเจ็บหายไปมันจะทําให้ใจสร้างความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้น่ทุกข์ที่เกิดจากความอยาก อยาให้ความเจ็บหายไปเราต้องไม่อยากให้มีความเจ็บหายไปเราต้องอยู่กับความเจ็บไม่ต้องดีความเจ็บเจ้าค่ะาค่ทราบถ้ายังใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้สติพุฒโธหรือบริกรรมวุฒโธไปก่อนสวดอินทรีย์ปิเสไปก่อนไม่ได้โดยที่ทำให้ขยับน้ำกาย ให้ใจนั้นละความคู่สร้างความทรมานที่เกิดจากความเจ็บของร่างกายด้วยสติไปก่อนเจ้าค่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยสัดส่วนในการที่เราจะเลือกใช้สติหรือปัญญาเนี่ยขึ้นกับว่าเราใช้ปัญญาแล้วเราดับได้หรือเปล่าอย่างนี้ไหมเจ้าค่ะพอาจารย์ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าสติเรายังมีน้อยโอบเบขายังมีน้อยมาสร้างสติสร้างโอเบคา เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็คุณดวงขอถามต่อไปอีกนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าถ้าสมมติเราผ่านออในเรื่องของฐานกายฐานเวทนาแล้วเนี่ยคือในฐานจิตเนี่ยมันจะเป็นการฝึกโดยแบบทดสอบในชีวิตประจําวันมากมากกว่าหรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่เราไปกระทบไปเจอสิ่งต่างๆฐานจิตก็เหมือนฐานนัง่งฐานเวทนาเมันก็เป็อารมณ์เป็นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นมาทางทางน้ำกายมันมาทางจิตโดยตรงคือ ความไม่ตกความกนนังวลความโหยใหญ่ความหวาดกลัวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดจากอความอยากยต่างๆของกิเลสเนี่ยเราต้องใช้ใช้สติหยุดมันหรือว่าใช้ปัญญาปัญญามันพิจารณาเหตุอะไรที่ทําให้ใจเราวุา่นวายเศรษฐกิจการงานครอบครัวหรืออะไรแล้ต้องพิจารณาว่าของเหล่นี้มันเป็นตายรัตหรืะ เันไป็วบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าครอบครัวจะล่มทลายก็ห้ามไม่ได้ในเวลามันจะล่มขึ้นมาเหมือนเรือนะเรือเรือล่มนี่ถึงเวลามันจะ อ, อับปางมันก็ออกับป า, างขึง้นมาเราก็ต้องอย่าไปทรมานอย่าไปทุกขทรมานกับมันอกเจะดีๆครับ เขาเขาให้เราออกจากงานนี้อาจจะทําไหมอันนี้ก็เป็นการล่มสลายของของการงานออกก็ออกสิห้ามเขาไม่ได้ครับเขาไม่ให้เราไล่เขาเราออกไม่ได้ึรบริษัทเจ้งอ่านี้บริษัต้องปิดกิจการลงคนงานเขาต้องตกงานเราทําใจให้อยู่กับมันไม่เครียดกับมันอันนี้ก็เรื่องทางจิตนะความ อารมณ์ทางจิตความเศร้าความเสียใจอะไรต่างๆนี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันก็เหมือนกับเป็นแบบทดสอบในชีวิตจริงมากกว่าในสมาธิอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะอ๋อก็มันมันเป็นทุกขเหล่านี้มันเกิดกับสภาพจริงเวลาอยู่ในสมาธิมันไ ม, ม่มันไม่มีทุกข์โค่ะ เวลามันออกจากสมาธิมาตอนนั้นมันจะเจ้สภาพจริง เ, เงินหายรถสูญหายไปทำยังไงเกิดอุบัติเหตุ อ, อะไรมันมีอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นได้แล้วยังไม่เกิดก็ไปวิตกกังวลกันันก่กอนแนละ้วก็มีการวิตกกังวลอันนี้มันก็เป็นเรื่องของทางจิตนะมันไม่ได้เกี่ยวกับทางกายใช่ไหม ร่างกายก็สบายดีไม่เจ็บไข้ได้ปวดที่มีอาการเจ็บปว ด, ไดอไร ต, ต่าแต่การก็มีเรื่องทําให้มันปวดได้ให้มันเจ็บได้เนี่นี่ก็ฐานทางจิตเนะี่ยความทุกข์ทางจิตใจเราก็ต้องแยกเยะ ว, ว่าอะไรเป็นอะไรเรากาหาสาเหตุของความทุกข์ว่ามันเกิดจากอะไรจบค่ะ พอใแล้วใช่ค <language> ่ะก็ท้ายก็พอดีใกล้ปีใหม่ยงขอกลับขอบพระคุณพระอาจารยครั้งเจ้าค่ะที่กรุณาสั่งสอนและเสียสละเวลามาสั่งสอนเจ้าค่ะยงรู้สึกเห็นแผนที่ชัดเจนมากขึ้นมากเจ้าค่ะและขอบพระคุณในใจด้วยท่าการมาฟังมาได้ได้ประโยชน์ก็ทําให้คนสอนมีกําลังใจที่จะทําไปเรื่อย ใช่ค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์รักษาธาตุขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อยสาธถคุณสาวนักการคุณสาวนักการชัยน่านมาฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติทุกวันค่ะไม่มีอ่ะก็คิดทางปัญญาบ้างก็ได้นะค่ะไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรแน่นอนร่างกายก็ไม่เที่ยงเหตุการณ์ต่างๆก็ไม่เที่ยงค่ะ ไม่ได้อ <watering> ย่าไปโทษกับม <suspenseful> ันค่ะมันไม่ได้มันเดินคล้ากันค่ะพยายามคิดเป็นไตรลักษณ์แบบที่พระอาจารย์บอกค่ะอถ้ามันรับไม่ได้ก็นำเข้าสมาธิใช้สติยมันให้มันยอมให้มันรับให้ได้ใช้สติบังคับไปให้มันรับให้มันเฉยให้ได้ค่ะก็ก็ก็น่าจะจะจะพัฒนาขึ้นนะคะพระอาจารย์เพราะว่า ไอ้ที่เจอเจออะค่ะมันสอบเหตุการพ์เผอิญมันมันนิ่งได้อะพระอาจารย์ถ้านิ่งได้ก็จบถ้าคือถ้ามันไม่นิ่งต้องทำให้มันนิ่งถ้าไม่ใช้ปัญญาไม่ได้เราต้อใช้สติแต่ตันนี้ช่วยกันได้ค่ะแต่ก็ทำตามที่พระอาจารย์สอนนะค่ะถ้าสมมติว่า มันแค่เ ฉ, ฉยๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือทําตามที่พระอาจารย์บอกอะคะ่ะคือนั่งจนได้อุเบคคกขา แ, แล้วก็พอเสร็จแล้วก็สอนมันแล้วก็พอเสร็จแล้วอ่ะคะ่ะพอไปเจอสภาวะจริงอะคะ่ะมันนิ่งเ<ำ><ำ>จอลองส ม, มุดขึ้นมาถ้ายังไม่เจอของจริงก็ลองถามด้วยถ้าเกิดเป็นอะไรนี่จะทําไงทําหมอรอเป็นมะเร็งขึ้นมาค่ะมันเป็นตายไม่ดีตายวายจะอะไรเงี้ยมันก็ ไปข้อสอบที่เราอาจจะทําการบ้านล่วงหน้าไว้ก่อนคิดเผื่อไว้ก่อนเลยก็ก็กที่ฝึกมามันมันมันต้องมันต้องลองเองอ่ะค่ะมันมันเปลี่ยนแปลงต้องพยายามทําการบ้านไว้อย่าประมาทคิดถึงความที่ไม่แน่นอนของร่างกายของสิ่งต่างๆไว้เรือ่อยๆเวลาทําข้อสอบจะได้สอบได้ผ่าน เพราะว่าตอนที่ที่ลูกอะไปจังหวะเดียวกันเลยคือพาพ่อไปกินข้าวอะคะ่พะพอาจารย์ mm hmm. ครั้งแรกเลยอะมันเจอเสียงคนที่มาแบบปี๊ดใส่แบบข้างโต๊ะเลยแต่ลูกอะเฉยไอเสียง mm hmm. เป็นอะไรมอะไรแต่พอเนึงอะคะ่ะอาจารย์ที่เดินเหมือนกันแล้วก็ทีนี้จอดรถแล้วก็ค่อยค่อยไป ย, ยุงพ่อคะ่ะเดินแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วมันมีรถที่แบบบีบเป็นปเป็มบบ บีบแบบอย่างนั้นแเลยค่ะอาจารย์ตอนแรกมันก็นิ่งเฉยไม่ได้อะไรอะค่ะพอเอาพ่อเดินไปที่โต๊ะกินข้าวแล้วก็เฉยแต่ทีเนี้ยพอเสร็จแบบเขาลงมาค่ะอาจารย์ลูกก็ยังพอเห็นหน้าอาจารย์มันนิดนึงแต่ลูกอะ่ะนิ่งได้ลูกก็เล้ากับพ่อได้ปกติลูกไม่ไปสนใจเขาเลยอะ่ะมันคันมือขึ้นมาคันไม้ขึ้นมาคันมือขึ้นมานมี่น <laughs> <laughs> คือแบบอคือแบบอืมก็คนแกว่วาจานทอดหรือไม่คาวนะโอ้หน ну ิดหนึ่ว่ามันยังไม่นิดหนึ่งแต่รู้ทันมันใช่ไหมหยุดมันได้ไหมหยุดได้ค่ะหุดได้ค่ะค่ะพระจารย์แค่ดีนะครับนิ่งเฉยเนี่ต้งรักษาใจให้นิ่งเฉยในทุกสภาพเหตุการณ์นะอ่า โอเคอะไที่เป็นมาพิเศษกาก็ทาําอ์กล่าวณมัสการพระอาจารย์ครับโยมได้อ่านข้อธรรมะของพระอาจารย์ได้กล่าวถึงอทิศีลอธิจิตอธิปัญญาของความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายได้ครับก็ปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานี่มันมีสองระดับระดับพุทุชนกับระดับพระอริยะะถ้าเป็นพระได้เป็น ถ้าเป็นธาตุยะสิงก็จะเป็นนาที่สิงสมาธิก็เป็นนาทีสมาธิคือมั่นคงไม่ลง้มลงุกคลั่งเหมือนเมื่อก่อนปัญญาก็หนามคงสามารถตัดทัมมยงยศได้ในแต่ละขั้นขึ้นไปตามลำดับเราถึงนี่ก็นาทีสิงนาทีสมาธินาทีปัญญาอาทีจิตก็คือก็คือสมาธิหนึ่งนาทีปัญญา สนบุตรชน เ, าเราไว้ในศีลสมาธิปัญญาอยู่มีศี ล, ลร่มรุกโขคานรักษาได้บ้างขาดบ้างเกินบ้างสมาธิก็เข้าได้บ้างไม่เข้าได้บ้างปัญญาก็เห็นไต้ลักบ้างเห็นอริยสัจบ้างไม่เห็นบ้างแสดงว่ายังไม่ยังไม่อยู่ในระดับอัจฉริยิ่งใหญ่เข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับอาจารย์พอได้เข้าสู่ระดับ อริยมงคลนะั้นที่มันเป็นนะอรนะิยมรระที่สิสงสยงข้าวผ้าอาริยนี้ไม่มีวันขาดนะ mm hmm. สมาธิของท่านก็ไม่แบบไม่ลบลู ก, กนะุขานท่านเข้าสมาธิแม้ตลาดเวลาที่ท่านต้องการเจะเข้า mm hmm. ทัญญานั้นก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆในข้อสอบของท่านท่านะนติดอยู่เรื่ข้อไหนท่านก็จะพิจารณาข้อนั้นไปทั้งข้อสอบนั้นไปจนกว่ามันจะผ่านนะ โอเคนะอันนี้สั้นๆนะคำตาบไม่ยาวโอเคอาจารย์พรพิไลจากกรทมเมื่อเช้านี้มีเพื่อนเส้นฟางเขามาสายบาตแทนให้นะใช่เขาบอกตอนก่อนกลางคืนแล้วค่ะว่าหลานจะขับขับไปแล้วบอกฝากไปดีนะไปดีครับอาจารย์ค่ะวันนี้เข้ามากับพระอาจารย์ส่งท้ายปีเก่าค่ะ โอเคมีปีเก่ามีปีใหม่ด้วยนะะปีเก่าก็เหมือนก็นเมกันมีเมื่อกับแจ้งมันก็ันท่านั้นทุกวันไม่ับถ้าไม่มีปฏิทินจะรู้เรยว่าไหนเป็นวันปีใหม่วันไหนเป็ว่าปีเก่าก็มีม้าอยู่เรื่อยเลยค่ะแล้วก็ผ่านอะไรนะเออทุกลำบากมาบ้านก็จะได้ผ่านไปไงคะ่ะ <laughs> เผปีหน้าโควิดฟ้าใสคนจริงเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็ไม่รู้จะเป็นโควิดกันเยอะเพิ่มขึ้นไหม ก็เรามีภูมิของเราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วก็มีคนติดกันอยู่เรื่อยๆอยู่นะถึงแต่ว่าเราก็ฉีดวัคซีนกันไปใส่หน้ากากของเราไปค่ะคนเขาจะมีไม่มีก็เป็นเขาไม่ได้ของเขาเองเขามีเขาก็ไม่มาะคเขาไม่สบายก็จะไปเที่ยวได้ไงใช่ไหมเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขากันค่ะต่างก็ต่างกลัวก็ต่ากเ่าก็ต่างต้องระวังกันทั้งนั้นค่ะประเทศจะได้เศรษฐกิจดีด้วยค่ะ ก็มันก็เป็นไปตามอ น, นิจจังทุกขงังต่างๆไปอะไรกับมันนะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาไม่มาสองปีแล้วก็อยู่ได้นะคะไม่มาไม่มาวัดวั ด, วดยานนสัมวัลารามก็จะมีคนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนั่นนะคะปกติมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างมันมันก็ได้ทั้งนั้นเนา ะ, น ะ, นะคือเราอย่าไป ไปฝากอะไรไว้กับอะไรฝากใจไว้เราไว้กับธรรมะไว้กับตายนะักอันนี้นั่นใจเราก็จะไม่ไม่ชุกไม่ผิดหวังอะไรจะเกิดก็รู้ว่ามันก็เป็นตายนะักถึงมีเส้นมีลงมีมามีไปมาก็ดีไม่มาก็ดีคิดอย่างนี้เดี๋ยวมัตายกันหมดแนละ้วเดี๋ยวมันตายกันหมดเดี๋ยวมัตายก็อยู่ไปมานาแล้วค่ะทุ พร้อมเสมอค่ะพร้อมเสมอใจสบายตั้งมั่นีอวเบกขาก็อะไรก็ได้เออนั่นแหะถูกต้องอยู่ไปวันวันอยู่ไปเดี๋ยวนี้แต่อยู่ให้ให้ให้มีสุขอยู่กับความสงบไปโอเคนะได้นะขากันมาสการค่ะสะอาเอคุณแอน งานจากบุดรกลับนมัสการครับพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะอ uh, ่าย้นไปที่คุณหมอภาสนาก็มค่ะกลับนมัสการครับพระอาจารย์ค่ะก็นี่ก็คือเริ่มเอ่อซื้อเซนสิบมาทุกวันพุธนะคะพระอาจารย์เริ่มเริ่มละเริ่มแบบว่าก็ถือมาสองอาทิตย์แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆริ่อ จนสิบก็คือไม่ใช้เงินไม่จับเงินเลยค่ะะอาจารย์แล้วเราใช้ล่ะก็ว่คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันพุธเนี่ยถ้าเกิดเอทางบ้านลืมให้ข้าวก็เขกล่าวว่าไม่เป็นไรก็อดได้แต่ยังไม่ยังไม่อดนะคะก็ยังได้ทานข้าวเช้าอยู่แล้วก็ไม่ชไม่จับเงินเลยค่ะอาจารย์ใช้เงินทำอะไรอ่ะปกติเลยครับมากค่าเกิดตอนช่วงสองปีที่มาทํำปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนมากใช้เงินก็คือซื้อแบบว่า ให้อาหารหมาแมนแวนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใช้เงินกับตัวเองนี่ของใช้เงินกับตัวเองแค่สองครั้งก็คือซื้อชุดขาวทำไมว่าถําเต่าแล้วก็ซื้อของที่มันจําเป็นแค่สองครั้งค่ะเพราะว่าเสื้อ น, นี่ไม่คือของไม่ไม่อยากได้อะอาจารย์เพราะรู้สึกว่ามันมันของนอกกายกระเป๋ากระเปอร์อะไรคือตอนนี้ก็คือส่งออกผลิแล้วเหตุผลที่ไม่ใช้เงินเพราะอะไรเหตุผลเหตุผลที่จะไม่ใช้งเงินเพราะอะไรเพรต้องการอะไรแต่กันกิเลสค่ะอาจารย์เพราะว่าจะได้รู้ว่าเราอ่ะ คือแล้วก็เตรียมตัวเพื่อจะไปวัดอยู่วัดนานด้วยไงพระอาจารย์เห็นผลนูคือว่าเราอยากจะกำจึกับตีวงล้อมกิเลสแล้วรู้ว่ามันจะโผล่มามั่อค่ะมันจริงๆมันก็ไม่อยากจะถูกไหมครพระอาจารย์เพราเห็นว่ามันมีศีลสิธิ์มันน่าจะทําให้ช่วยเรื่องของการปฏิบัติดีขึ้นไหมครับพระอาจารย์้วมันอยู่ที่ว่ามันเรื่องเรื่องมันทางผลมันมันเรายังจำเป็นจะต้องใช้มันอยู่หรือเปล่า จริงๆก็ไม่จำเป็นเลยค่ะพระอาจารย์ไม่จ ำ, มจำเป็นเอาข้าวที่ไหนกินอ่ะก็ที่บ้านนี้ข้าวที่บ้านถนะ้วเวาเกิดที่บ้านเขาเอาข้าวเอาเอาข้าวมาได้เน่ยเขาอเอาเงินซื้อไปก่ก็ก็ถือวันเดียวเลยคัะมันพุธอ๋อถือวันพุธ ท, ที่พูด น, นี้มนไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันอ่มันไม่ดีนะเพีงแต่ว่ามันมัน practical รึเป่อะ เราถือไบเพื่อให้มันเถอะมันสิ็ะต่ความจริมันตามการดำรงชีพของเรานี่มันบางทีมันก็ยังต้องซื้อของจาเป็นอยู่ตัดัจซื้ออะไรพวกนี้แล้วเราไม่ต้องซื้อให้คนอื่นก็ซื้อแทนได้หรอใจก็พิธีบานซื้อแทนให้หล แ, ให <c oughs> แล้วก็ <c oughs> รถเติม <c oughs> ขับรถก็เติมน้ำ ม, มันบรรทุนนี่ยครอาจารย์ก็คือเริ่มเริ่มกันเดียว คือคือต้องการที่จะดูว่าถ้าเราบิ้นไอ้ขาพูดที่มันไม่เป็นกิเลสของจาเป็นนี่ไม่ถื อ, อเป็นกิเลสอ๋อมันเลยทําให้กลับกลายเป็นเรื่องยุ่งยากตรงละให้คนอื่นก็าซื้อให้เราแทนเร <laughs> าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์คือแรกนึกว่าแบบเออเข้าใจแล้วถ้าไปเสื้อรูปเสียงกลิ่นร้เนีใเอ่ะซื้อของพุ่มงไปซื้อเขาไม่จําเป็นอะไเนี้ยนนงานถางนี่ไม่ควรจะมีใช้กับเรื่องทางเหล่านี้ หรือกับการไปฮอลเดย์ที่นู่นไปที่นั่นที่นี่อะไรพวกนี้ไปหปาความสุขทางตาใจร่นงกาย<อ>ไม่ต้องการให้อเอาเงินทำไปเป็นแต่ใช้แบบสัมมณะบริภโภคได้ในเวลาญาติโยมถวายเงินในในบภาวนาจะเขียนว่าถวายปัจจัยสี่ท่นกับสัมมณะบริภโภคถ้าท่านขาดแคลนอะไรในปัจจัยสี่นี้ก็เอาเงินที่ถวายนี่ไปซื้อจัดการได้ เขาไม่ได้เกียนว่าขอถวายให้ท่านไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปดูหนังฟังเพลงนะไปซื้อกระเป๋าคุชชี่อะไรเี้ถวายเพื่อสัมมาาบริโภคเอาอย่างั้นก็ใจแล้วคอนนี้ว่าแันต้องไต่ระดับสินมไปเรื่อยๆแล้วไปอ่านสินสอง้กว่าข้อมาบุ๋มมันเจออย่างนี้ทำไม่ได้ค่ะอย่างงั้นก็จะได้แปลถึงไปกติอยู่แล้ว คือต้องการกับการมงตีวงร้อนกิเลสอ่ะค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบมันก็คือคือมันสงบจากสมาธิแล้วก็ยังใช้บรญยารักษาความสงบได้ค่ะแล้วแล้วตอนนี้มันยิ่งแบบว่ามันไม่มันยังไม่กเพิ่มว่าเรารู้สึกว่าเราเข้าใจเรื่องว่ามันไม่มีตัวเราคือแบบมันรู้สึกว่ามันในจิตมันก็ไม่มีเรามันคือรู้สึกเพราะมันรู้สึกอย่างนี้ยมันก็เลยยิ่งยิ่งแบบว่ามันปล่อยวางแล้ไม่จัดการอะไรได้ได้ง่ายขึ้นอ่ะค่ะอาจารย์ค่ะ เออถ้ามีคนเข้ามารักทช้เราก็โอเคแต่มันอเยู่เราไปบังคับเขาหรือเปล่าใช่ไหมอยู่ดีๆก็เราบังคับให้เขามาเลี้ยงดูเราแต่มันก็เราก็เอาเงินไปให้เขามาเลี้ยงดูเราอยู่ดีมันก็มันก็เป็นเงินของเราเงินเดือนของเราเลยใช่จิงๆมันก็ยังมีบัตรเครดิตซึ่งมันต้อมันต้องไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้เลยยังเรื่องว่าไม่มีเงินเก็บไม่ใช่อ่าเราไม่ใช้เงินเพราะเราไม่มีก่อนจะใช้ เข้ามจแล้าคือที่มันคือมันฟังแล้วมันไม่มันไม่มันไม่เข้าทางอ่ะเข้าใจมัเชอบพู้อย่านี้แต่ตอนนี้พระเจ้าถไม่ได้ให้ญานโมถือกันเพราะญาญโอยางต้องเลี้ยงชีพของตนเองอยู่แต่ของพระนี่พระมีญาญโญเล้งชีพไปแล้วเลยไม่ต้องมีมไม่ต้เพราะว่าญาญโญใส่บาตรให้ก็มีข้าวกินกุติวัดวาวล้างวะซ่าถวายให้อยู่ จีวอนก็ถวาย้าพป่าผ้ากระถินนังป้าตายย่เรื่อยๆมีหมดไม่สบายก็โรงพยาบาลก็ไม่เก็บสตังเวลาพาไปรักษาโรงพยาบาลรัฐบาลอ่าอันนี้มันสําหรับโค้ที่ไม่มีไรายได้จริงๆนักบวชแล้วพระเจ้าไม่อยากให้อ้าไปสะสมไปเกี่ยวข้องกับเงินทองว่าท่านใจพระไม่มีไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเนื้อถูกกิเล่มันแยกเอาไปใช้หมด มีข่าวให้แมข่ข่าวข่าวเช้าต่างๆที่เกี่ยวกับภาพพิสูจนว่าพ่องเงินทองนั้นนะ่ะไปซื้อยากบ้างเที่ยวที่นั่งที่นีมากไปซื้อรถเก๋งมาขับเรืองอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของพระไม่ใช่เป็นสัมมาบริภโภคพระเจ้าถึงเห็นภัยของการมีเงนินสําหรับนักบวชนะวรามันจะหูกอักเลิมันแยกไปใช้หมด พระอาจารย์ก็อย่างก็คือจะได้ใช้เฉพาะที่จำเป็นเป็นปัจจัยสี่ครับเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์เพราะไม่งั้นมันก็จะเพราะเวลาเราอยากแบบทําบุญหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีมันก็มันต้องรอวันอื่นอย่างเงี้ยจะได้สบายๆเพราะตัวเองก็ไม่ได้ใช้เงินอยู่แล้วนะอาจารย์หมาถึงว่าไม่ได้ใช้กับพวกของฟุ่งเฟือยกิเลสอยู่แล้วนะมันมันรู้สึกว่ามันมันมันเป็นไตรักอะไม่เสียใจทําไมอ่าอ่าไหนพูดมาแล้วอะไรต้องพูดให้ฟังใหม่ใช่ไหม จริงมันสําหรับทั้งบวชนั่งบวชคือบพระอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนเลี้ยงดูถ้าเราไม่มีคนเลี้งดูเราก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองด้วยเงินของเราคเห็นไหมเราใช้เงนให้มันถูกใหมันเป็นสัมมาหล้าบริโกคเป็นงานที่ผู้มีความสงบบริโภคกันนก็ปัจจัยสี่เป็นแบบอ๋อแล้วอาจย์ ค่ะค so right, so right, so right. right? uh ่ะ huh. ก็ก huh. ล mm ่าวขอบพระคุณพระอาจารย์ค oh ่ะก oh ็ร oh ู oh ้ส oh ึกว oh ่าสองปีที่ผ่านมาก็ใจมันสงบขึ้นแล้วมันเปลี่ยนนะคะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะวันนี้ไม่มีค่ะแล้วก็ได้ไปอ่านท่านกอขอพระอาจารย์เดี๋ยวว่าวันไหนจะจะลองว่าวิพดาะเราท่านกอขอส่วนหลวงค่ะก็ไปอ่านที่พระอาจารย์ได้เคยพูดค่ะก็เราไปอ่านระวัดเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดมัใกล้ๆต่อวัดหลวงปุ่เจดก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาก็อาจจะจัดเวลาแบบวิ่งไปดูดีไหมคะพระอาจารย์ เวาราชก็เาสวดคุเาราชบุรีแต่มันก็ไม่เหมือนสมัยที่ท่านอยู่แล้วนะเพราะอหัวหน้าไม่อยู่เนี่ยผู้ที่อยู่ต่อไปมันอาจจะไม่ไม่เข้มแข็งมเหมือนกับตอนที่มีหัวหน้าอยู่าจจะหย่อนยานไปตามสภาพแต่ก็ไปดูก็ได้ไปดูหอย่าอย่าไปวางไม่มากก็แล้กันไปาม่มาไปดูเฉยเฉยสัตว์ก็ว่ารู้ไป ก็อาจจะหรือว่าพระอาจารย์คิดว่าถ้าอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องตเวนแล้วก็อยู่แค่สามวัดก็เยอะแล้วนะคะการอย่างนั้นก็ถ้าเรามีที่อยู่ของเราคิดว่ามันโอเคแล้วที่มันมันคิดว่าเราจะอยู่แบบแบบไหนได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราอยากจะอยู่ไปเรื่อยๆเขาจะรับให้เราอยู่ปี่ปากไม่รบกวนใอ๋ออย่างนั้นเดี๋ยวอยู่วัดของเราดีกว่าเพราะว่าที่ก็สามสามวัดนี่ก็ประจำเนลาสุดทีแล้วว่าอาจารย์คนเยอะมากเราก็จะไม่มีเวลาค่ะ ได้อาจารย์ยังงั้นเดี๋ยวก็ปฏิบัติต่อเดี๋ยวเดือนหน้าก็เป็นเขาชีโอนนะอาจารย์เติมกําลังเอาไว้เตรียมกําลังไว้เข้าพันษาปีหนะเนี่ยเาทาชีโอนก็ต้องจ่ายค่าค่าบ้านพักนอก็จ่ายก่อนนะอาจารย์พอรองเสร็จปุ๊บ ก, ก็จเลยพะ่ะอ<笑><笑>าจารย์ก็จะแปลกกับว่าทุกวันพุธน้องค น, นนี้เข้าใจาแลจ้วอาจารย์ก็คือจะไม่นั่นแหละค่ะก็คือจะไม่ไม่ถือสินสิบแล้วถือสินแปดแบบเล่นคัดเหือนเดิมค่ะแล้วก็เงินเนี่ยก็จะไม่ใช้กับกิเลสอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องการ ําจัดกิเลสแล้วก็พยายามเพราะเราไม่ได้มันก็อยู่วัดแล้วก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้วัดแต่ใช่มาเขาก็มีค่าใช้จ่ายใะ่ไหมแต่ว่าวัดเขาไม่เก็บเพราะเขาอาจจะมีคนบางคนมีบ้างมีน้อยไม่เท่ากันเลยปล่อยให้เป็นไปตามเราค่าแต่ผู้ไปอยู่ก็ต้องกินก็ต้องมีสํานึกว่าอวัดเขาก็ไม่ได้อยู่ดีๆมันเงินมันแยกระโผลขึ้นมาเอใช่ไหมค่ะใช่แล้วไปกินของเขาด้วยเออมันก็เราก็ต้องคิด ตอบแทนใช่ไหอบแทนใช่ทำบุญด้วยแล้วก็เขาก็เอาอาหารไปด้วยอาจารย์ตอนนี้ก็เริ่มทํากับข้าวแบบเออเริ่มช่วยทำทำเผื่อคนที่เขาไม่มีคนที่เขาไม่มีเขาก็จะได้มาอยู่อาศัยวัดได้ด้วยเทางวัดไมนได้เป็นเหมือนโรงแรมคิดราคาตายตัวอันนี้ขึ้นแล้วแต่ราคาของแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนพระอาจารย์โอเคนะ ขอบคุณค่ะพระอาจารย์ไปที่คุณอ้อมอ้อมเป็นยังไงย้ายบ้านหรอย้ายที่อยู่หอ้องไม่เหมือนเดินมัสศการค่ะกลับมาอุบลค่ะพระอาจารย์กลับมาบ้านค่ะตอนช่วงปีใหม่เนี่ยหยุดปีใหม่ใช่ค่ะค่ะค่ะไม่มีคำถามค่ะเข้ามาฟังค่ะโอเคค่ะค่ะอหมอดาวก็อยู่อุบลเหมือนกันเนี่ยหมอดาวทายไปหลายอาทิ้น์เนี่ย เปนพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะกล่าวนามัสการค่ะพอดีว่าหนูคิดว่าอาทิตย์หน้ามันเลยปีใหม่หนูเลยอยากจะมากราบนามัสการพระอาจารย์แล้วก็ขอขมาใน ปีที่ผ่านมาไม่ว่าหนูจะร่วงเกินพผ้าชาโดยตั้งใจไม่ตั้งไมงใจอะไรก็ตามไม่ว่าวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมใดๆถ้าไม่ร่วงเกินเพราะมันออกมาขอเข้ามาเสียเวลามันมันที่คุณเราแบบมันต้องแน่ใจสิเราจะร่วงเกินไม่ร่วมเกินมันก็ต้องรู้เสร็จอันนี้ไม่พูดยังไงไปไม่เอาแบบนี้ไม่เอามันมันขอเข้ามาแบบนี้เสียเวลาโอเคค่ะเดี๋ยวหนูขอเข้ามาในใจก็ได้ค่ะแต่ว่า ว่าจะมารายงานพระอาจารย์บางทีพระอาจารย์อาจจะแบบอยากจะทราบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอัปเดตอาการหลวงปู่โบเกนะคะเพราะท่านสามารถสอนกรรมฐานได้แล้วส อ, อน ห, น, หนูท่านท่านท่านก็แนะนํากรรมฐานหนูแล้วก็พูดได้แบบดุพระอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะแล้วก็พูดชัดเจนมากขึ้นเลยอะคะ่ะหนูก็เลยรู้สึกดีใจอยากจะมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้หนูก้าวขึ้นพิจารณาเวทนาได้แล้วแล้วหนูก็เริ่มพิจารณาเวทนาแต่ว่า อจริงๆท่านก็ท่านก็สอนคร่าวๆนะคะหนูก็ทำของหนูไปแต่ว่าการหลักหนูไม่แน่ใจว่าหนูจะสามารถเล่าตรงนี้ได้หรือเปล่าคะ่ะอาจารย์เป็นยังไงไม่แน่นใจไม่ต้องเล่าหนูหนูกลัวคนอื่นจะเอาไปปรุงหนูหนูหนูท<ช>ี่ <ๆ S 2> ว่าเดี๋ยวไม่ไม่พูดเดี๋ยวก่อนค่ะถามว่าถามคำถามนี่ค่ะเนี้ค่ะหนูนี่ก็ตั้งใจจะถามตรงเนี้ยค่ะว่าแต่มันต้องเป็นสภาวะธรรมนิดนึงนะคะอาจารย์คือตอนเนี้หนูผ่านเวทนาแบบรอบย่อยๆไปได้หมดแล้วคือ หนูเห็นคือเวลาหนูหนูปวดตรงไหนเนี่ยหนูจะใช้ปัญญาแทงเข้าไปเลยว่าทําไมถึงปวดแล้วใครปวดกันแน่แล้วมันก็มันเหมือนเป็นนิมิตที่มันเห็นแบบอวัยวะที่มันปวดแต่ว่าหนูก็รู้แล้วว่าจริงๆแล้วกายไม่ได้ปวดหรอกจริงๆเวทนาเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนด้วยซ้ําแล้วก็มันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็อ่าหนูไม่เล่าอะไรละเอียดมากแล้วกันค่ะแต่ว่าพอจิตหนูมันเริ่มวางได้ว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยเอ้เวทนาตัวเนี้ยมันไม่ได้เกิดที่กายเลยนะ แล้วมันก็เกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงเองสุดท้ายพอจิตมันเริ่มวางค่ะสิ่งที่แปลกที่มันก็คือเวทนามันหายไปพร้อมกับกายเลยเป็นจังหวะเดียวกันปุ๊บพอหายไปหมดหนูก็เข้าสมาธิไปไปอยู่ในระดับที่มันลึกมากซึ่งไม่เหมือนฌานสีทั่วไปแต่มันเป็นลึกแบบว่างไปหมดเลยอะค่ะอันนั้นคือพอหลังจากนั้นเนี่ยพอพอจิตมันเริ่มถอยมาอีกมันก็จะเจอเวทนารอบต่อๆไปแต่รอบที่รุนแรงที่สุดเนี่ย เหมือนทุกเซลล์อนุร่างกายของหนูมันจะระเบิดมันปวดทรมานมากจนขาสั่นเงือตั้งตั ว, ตวค่ะแล้วคราวนี้หนูก็หนูก็ดูไปอีกคือมันน่าแปลกตรงที่ว่าเวลาเราใช้ปัญญาไปเที่ยวัยวะไหนมันก็ดับหมดมันก็ดับดั บ, ด, บดับตามที่เราพิจารณาดูไปหนูก็เลยไม่มั่นใจว่าอันเนี้มันเป็นจากกําลังสมาธิของหนูหรือว่า มันเกิดจากปัญญาค่ะเพราะว่าพอรอบสุดท้ายที่หนูทําเนี่ยมันก็เข้าสู่สภาวะเดิมคือเหมือนมันผุดขึ้นมาว่าเวทนามันก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเหมือนกับธาตุสีของกายแต่ว่าเวทนามันก็มีเกิดขึ้นแปลปวนแล้วมันก็ดับของมันเองในที่สุดทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะดับเองแล้วก็มันก็ว่างฟึบเป็นว่างหมดเลยค่ะเป็นแบบละเหมือนมันจะว่าเป็นชาติสีก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็น อะไรที่เป็นว่างแล้วนิ่งสงบอันนั้นคือรอบสุดท้ายที่หนูเคยเจอค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าหนูใช้กําลังสมาธิไปดับหรือว่ามันเป็นปัญญาจริงๆหนูก็เลยไม่มั่นใจความจริงเราไม่ต้องการไปดับมันหรอกมันจะดับไม่ดับปล่อยให้มันเป็นไปามธรรมชาติของมันเมันจะดับก็ปล่อยมันดับไปมันไม่ดับก็ไม่ต้องปล่อยไม่ต้องไปบังคับให้มันดับดูแลไม่มั่นเป็นไปให้เราไม่ไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองไม่ให้เราไม่ให้เราไปเบียดอบียนกับมัน น, นั่นคือเป้าหมายหลักของการปฏิบัติเรอไม่ให้ใจเราไปทุกไปเดือดร้อนกับเวทนา ค, นนคือระหว่างนั้นมันจะดับหรือไม่ดับไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นประเด็นสําคัญใจจะไม่เดือดร้อนทั้งขณ ะ, ะที่ดับหรือไม่ดับชแต่ระหว่างนั้นหนูจ้องจ้องที่จิตอยู่ค่ะว่ามันยังคงเป็นกลางอยู่หรือเปล่าคือตอนที่มันปวดสุดๆเนี่ยมันมีแกว่งปุ๊บขึ้นมาว่าอยากอยากให้มันหยุดแต่หนูก็ดูไปสักพักมันก็ลงมาเองละ ลงมาอยู่ที่จุดจุดเดิมๆที่มันเคยเป็นก็คืออยู่ที่จุดกลางๆค่ะแต่ไอ้ตัวเวทนาที่ว่าเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าพอเราพอเราเพ่งพิจารณาปุ๊บพอเรารู้คำตอบปุ๊บมันก็ดับของมันไปแล้วหนูก็เลยไม่มั่นใจว่าเอ๊ยหรือว่าเราใช้กําลังช้า น, น่าเกินไปก็เลยค่อนข้างสับส น, นว่าวิธีนี้มันถูกหรือเปล่าหรือว่าเราต้องแบบไม่เพ่งไม่ต้องไปสนใจอะสนใจที่ใจอบตัวเดียว งัน้นหนูก็คงทำแบบนี้ต่อไปอะค่ะว่าจะไม่รู้ถึงคะให้ใจเราเป็นแบบททองไม่รู้ร้อยก็ันค่ะก็พยายามฝึกได้เรื่อยค่ะแต่ว่าเจอเวทนาตัวใหญ่ๆหนูก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะมันหนักมากแต่ว่าแต่ก็จะพยายามสู้ต่อไปค่ะค่ะครัสวัสดีพี่เมนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณายพรหญิงยอมหญิงักสายสอง ครัในมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะวันนี้มากาะพระอาจารย์มาฟังธรรมเจ้าค่ะเอไงอกอกจากออกจากปวดครับ อ, อ่าออกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์ในระหว่างที่บวด น, นะคะพระอาจารย์มีผู้ปฏิบัติอะค่ะเขาเสียชีวิตในห้องพักด้วยค่ะพระอาจารย์ก่อนวันลาครร ม, มาถานได้หนึ่งวันเองค่ะ<อ>เขาเสียตอนเช้า<อ>ค่ะเป็นยังไงเขาเปนอะไรเขา อากาศน่าจะหนาวอะค่ะพระอาจารย์อากาศหนาวแล้วน้ํามามันก็จะเย็นมากๆคะ่ะแล้วสรุปแล้วหมอหมอบอกว่าเขาเส้นเลือดในสมองติดนะคะพระอาจารย์เหมือนเหมือนกับว่าเขาล้มตึงลงไปแล้วคนออพอดีเขานอนสองสองคนในห้องอะคะ่พะพอเขาล้มตึงแล้วเพื่อนท้อที่อยู่ในห้องน้ําอะคะ่ะเขาออกมาพอออกมาก็คือเขาเห็นว่าหน้าหน้าของของพี่เขาเขียวแล้วเขียวแล้วก็ลิ้นจุก ป, ปากแล้วค่ะพระาอาจารย์แกเพิ่งกเกษียณเองคะ่ะแกอายุกเกือบหกสิบพระอาจารย์ อยู่ทุกที่การตายเกิดได้ทุกที่ทุกโอกาสเลยคะ่ะพระอาจารย์แต่ถือว่าถือว่ า, าจะมาจะนมานาสตใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ตอนที่ไปบวชก็คำสอนพระอาจารย์ก็จะขึ้นมาตลอดนะคะก็จะมีผู้ผู้ปฏิบัตินะคะพระอาจารย์อยู่คนหนึ่งปริยมใส่ จะมีผ้าผ้าคุมไหลสีขาวอะค่ะพยมคุมไหล่มาแล้วก็จะมีจะมีที่เขาก็มองที่เขามององสัยที่เขาคงชอบชอบชอบผ้าผ้าคุมไหลโ ย, ยมอะค่ะเขาก็เดินมาถามบอกว่าซื้อที่ไหนสวยจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วสักพักนึงระหว่างที่โยมจะเดินไปตักอาหารโยมก็นึกถึงคําสอนพระอาจารย์แบบว่าอะไรที่เราเราชอบถ้าเราสละออกได้ก็ถือว่าเราเราเรามีจิตที่เมตตาโยมก็ พับผ้ปุ๊บแล้วโยมก็เลยไปถามพี่ก็บอกโอเคค่ะถ้าเกิดที่พี่ถ้าเกิดที่เช่าผ้าผ้าผืน น, นี้หนูหนูหนูให้พี่เลยค่ะเพราะว่าผ้าผืนเนี้ยมันหาซื้อยากยะาอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกจริงเหรอคะจริงเหรอคะเขาเขาก็รับไปอันนี้โยมก็รู้สึกดีใจมากเลยเออคําสอนพระอาจารย์บอกอะไรอะไรที่เรารักอะไรที่เราหวงถ้าเราสามารถให้คนอื่นได้อันนี้ยเป็นสิ่งที่ดีค่ะพระอาจารยา์โยมทำรู้สึกยังไงเวลาให้เวลว รู้สึกสุขใจอะค่ะว่าเราสามารถให้ผลของการใหคือความสุขใจใช่ค่ะแล้วพระจุนั้นมันมันก็หาซื้อยาค่ะพระอาจารย์ดุณก็ยอมสละดุณก็เพราะว่าโยมแอบเห็นเขามองหลายครั้งเลยค่ะพระอาจารย์คือเขาชอบมากเขาบอกเขาเดินมาบอกว่าเขาชอบจนทนไม่ไหวเขาต้องมาถามว่าหาซื้อที่ไหนแต่ว่ามันหาซื้อยาดยณก็เลยยกยกให้ที่เขาไปเลยค่ะมันก็ดีอย่างอาจจะเสียอย่าง เดีเราไปตับสนถามกิเลสเขาคเขบอ๋อเหล่คพระอาจารยยังไม่รู้อ่ะเห็เขามองเห็นเขาชอบมากเขาบอกเขาหดใจไม่ไหว เ, เลยต้องเข้าสระพระอาจารย์ค่ะแล้วก็บมันก็เป็นเป็นดาบสองคมนะอ๋อค่ะพระอาจารย์ด้านหนึ่นงเราก็เราก็ได้ประโยชน์คือเราได้เสียสละของที่เรารับไปแต่อีกด้านหนึ่นงเราอาจจะไปสง่งแซมกิเลสเขาก็ได้เนี่ยอ๋อค่ะพระอาจารย์ โ <Okay, S 2> อเคค่ะวันหลังเดี๋ยวไม่ทําอย่างนี้แล้วค่ะอาจารย์ก็ยังนิสัยทาว่าจารย์อว่าอะไรที่เราชอบมากๆตอนแรกโยมก็เฉยๆยแต่ชอบมากๆแต่เราคนไห้เราก็ต้องดูกันนี้ว่าวเขาเดือดร้อนเขาจำเป็นต้องการให้เขาพเพรเดือดร<อ>้อนดีกว่าเขาขาดแคลนอย่างนีนะ้อย่ า, า<อ>ไปให้ตามตอบสนองปัญหาของเขามันก็เกขึ้นช่วยตอบเพิ่มเพิ่มปนนัญหาให้เขาเกิดขึ้นเดี๋ยวเขาเห็นอะไรเห็นานาฬิกาของเราขึ้นมาก็อยากจะได้เดี๋ยวเขามาพูด <c oughs> โอเคคต่ว่าจะยมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะโอเคค่ะแสดงว่ายมก็จะให้ให้ใครอย่าไปให้คนที่เขาอยากได้นะเพราะมันเป็นคนขอนี่ใครมาขอเนี่ยมั่งจะปฏิเสธไม่อยากจะให้เขาอ๋อค่ะพระอาจารย์ยมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะว่าเราเป็นไปส่งเสียตามทางคือเด็กของเขาอ๋อใช่ค่ะพระอาจารย์เขามองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกเนี่ยค่ะคือเขาชอบมากอันนี้ก็จะเฟรนโฟเบกค่ะ มีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมาฝากพูนตองเลยโอเคค่ะโยมก็แบบโอเคค่ะหนูให้พี่ไว้เวลาที่ไปปฏิบัติทอดไหนพี่ได้คิดถึงหนูละกานหนูจะได้ได้บุญกับพี่ไปด้วยโยมก็เลยพูดกับเขาอย่างนี้ไปสิค่ะหนูค่อนให้ได้บุญแต่ค่อนนําเนี่ยจะได้เกเลรอ้อยโอเคค่ะก็จะขอโทษค่ะวันหลังไม่ทําแล้วค่ะว่าจังก็ต้องให้กับคนที่เขาขัดแคลนจริงๆโอเคตอนเดือดร้อนจริงเขาไม่มี่ะ เค่ะอย่าลืมข้อนี้ไปเลยค่ะว่าเป็นการสนองกิเลสค่ะเคะขอบคุณพระอาจารย์ค่ะขอบคุณในคำตอบช่ไหมคะขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะถุอถ่านไปด้วยค่ะคุณสพัฒนาเชิญการอภิษฐาพระอาจารย์ทุกค่ะพอดีสัปดาห์ที่แล้วไปต่างจังหวัดเหมือนเหมือนขาดเรียนนะคะพระอาจารย์ไม่ได้เข้ามากล่าวพระอาจารย์ วันนี้ได้ฟังธรรมตอนบ่ายสองมีมีคำหนึ่งที่พระอาจารย์บอกว่าน่งสมาธิผลของมันก็คือได้ความสงบแล้วก็ปัญญาก็คือจะสงบจะจะสงบเถ่าบอลอันนี้ก็คือทำให้ยงเข้าใจมากขึ้นว่าจากที่แาที่เรียนกับพระอาจารย์มา ก, ก็คือสิ่งที่เราต้องการนี่คือความสงบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามใดๆก็ตาม เมื่อได้ความสงบอันนั้นก็คือผลผลสุดท้ายของของการปฏิบัติครับเออต้องการให้จิตสงบกับทุกทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจิตก็สงบไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเออไม่ว่าจะเราจะทําอะไรอยู่ในสถานการณ์ไหนเนี่ยก่อนจะคิดก่อนก่อนจะทําก่อนจะพูดเนี่ย มันก็จะมีการพิจารณาไตรตรองออกมาอย่างที่พระเจ้าบอกว่าพูดไม่ให้เขาไม่ให้เขาเสียความรู้สึกหรือไม่ไปพูดทําร้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์นะตอนนี้มันก็มีการการไตรตรองมากขึ้นพิจารณามากขึ้นนอกจากว่าเนี่มันจาเป็นต่องพูดแล้วเขารับไม่ได้ก็ไปเรื่องาไปเจ้าค่ะตอนนี้ก็ก็เพียรเรื่องสติแล้วก็เรื่องสมาธิเจ้าขาพระอาจารย์ ที่ที่ทำอยู่ทุกวันเจ้าค่ะแล้วก็ฟังมาทุกวันเจ้าค่ะวันนี้ยังคุยกับพระอาจารย์สาธุอาจารย์คนเอกจากเชียงรายกลับมาพการพระอาจารย์ครับช่ว ง, งสัปดาห์สองสัปดาห์า ท, ที่ผ่านมาในเข้าสมาธิมันความสงบมากครับราาอาจารย์เข้าได้ง่ายครับแตวก็อารมณ์หายแต่ ว, ว่าูยังไม่ดับครับอาจารย์ แต่ก็สุขทุกข์พระอาจารย์อีครัรไปยามามความสุขจากการที่ทาําใจสงบดีที่สุดเมีความสุขที่ไม่ซึ่งเปลี่นแล้วก็สามารถทําได้ตลอดเวลาที่เราต้องการครับครับวันนี้มีคําถามเอขอกาสอาจารย์อนุเคราะห์คืออยากถามอาจารย์ว่า อ, อ เจโตมิมุตนะครับมันคืออะไรครับคือเห็นก็พูดมีวิมุตอยู่สองแบบปัญญามิมุตกับเจเจโตมิมุตครับคำว่าเจโตวิมุตคือผู้ที่เป็นผู้ที่มีความเลิ่ทางด้านสมาธิเช่นพระโมคคะลานะนี่ท่านมีความเลิ่ทางสมาธิคือท่านมีปัญญาด้วยท่านมีความสามารถที่จะเล่นด้วยชาติได้ เหาะเป็นเดินอาการเรื่องอะไรต่างๆได้มีอภิญญามีแล้วก็คือเป็นจิตที่มีอภิญญาแต่เขาไม่ได้หลุดพ้นเพราะอภิญญาเพียงแต่ว่าเป็นการบอกบอกถึงสภาพของคนที่บางคนนี่มีเก่งทางสมาธิมากกว่าเก่งทางปัญญาแลวก็รืองเจตเอาเป็นว่า คนที่เก็งทางปัญญามากกว่าเก่งทางสมาธิเขาเรียกว่าปัญญามีมุ่งง่ oh. ายๆเอามาสามีมุ่งที่เก็งทางปัญญาแต่ทางแต่ทางสมาธิไม่เก็งก็มีสมาธิแต่ไม่มีปัญญา oh. ท่านเก็งทางด้านปัญญาความฉลาดรอกครอบอย่งท่านนอกจากพระพุทธเจ้าทางด้านปัญญาท่านทำอะไร ให้กับคนฟังได้อย่างช้าชา้านพูดได้อย่างช้าช้านได้อย่างไม่เอียดล้รือว่าทำให้คนฟังเข้าใจง่ายง่ายครับผมนั่นก็เป็นสองลักษณ ะ, ะของจิตที่วิมุตผู้ที่หลุดพ้นเนี่ยคนที่หลุดพน้นบางคนเก่งทางด้านอัญฉรอยะติดต่อเทวดาได้แสดงธรรมให้กับเทวนาและเนื้อชาตได้อ่านว่าตนจิตของผู้อื่นได้ครับอันนี้เขาเรียกผู้เจตโตวิมุตต์เจตโต ครับพวกที่ปัญญาวิมุตต์ก็คือเกงทางห้านปัญญาแต่ทางสมาธิไม่ไม่เก่งแต่มีสมาธิไม่ไม่ไม่มีเพียงแต่ว่ามันไม่มีอภิญญาไม่มีอะไรอ๋อครับผมครับผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าเอถ้าถ้าหลุกพ้นนี้เนี่ยพระอาจารย์จะต้องจะต้องได้ต้องได้ทั้ ง, ง, ง, งสมาธิทั้งปัญญาได้ทั้งเจตโตทั้งปัญญาใช่ไหมอาจารย์ใช่มันต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาเห็นได้ว่า คนนี้ไม่คนนี้ไม่เก่งทางสมาธิแต่ก็สอบผ่านในห้าสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่าผ่องอไม่ต้องได้เต็มร้อยอคนที่ปัญญาบางคนที่ได้ปัญญาแค่ห้าสิบก็ผ่านไม่ต้องได้ตเต็มร้อยอันนนั่นหมายหมายความว่าถ้าเกิดว่าเออถ้าเกิดสมาธิได้จถึงฌานสี่ก็คือก็ได้เกตุโตใช่ไหมับแต่ว่าไม่ได้เอาปัญญาไม่ได้ปัญญามก็ได้ก็ได้สมาธิที่จะเอาไปใช้กับการปฏิบัติ ขั้นปัญญาต่อไปได้แต่ปัญญานี่อาจจะได้เยอะได้คะแคนนเยอะกว่าเพราะชํานาญทางด้านปัญญามากกว่าอือสองวิชานี้คือผ่านทั้งคู่แต่ให้รับางคนผ่านทางสมาธิได้ได้ได้คะแนนสูงกว่าทางน้านปัญญาเล้วก็ในภูเก็ตต่อไม่มุดพวกที่ได้ปัญญาคะแนนสูงกว่าทำหน้านสมาธิก็เรียกว่าปัญญามิมุดปัญญามิมุดอ๋อข้าผมข้าผมอ๋อแต่ว่าต้องได้ต้องได้สอสองอย่าง ต้องอย่างน้อยั้งสองจุดทั้งทั้งสองอย่างขึ้นไองจุดทั้งสมาธิทั้งปัญญาต้องได้ต้องผ่านทั้งสมาธิทั้งปัญญาอ๋อครับแต่บางคนได้สี่จุดทางปัญญาได้สองจุดทางสมาธิอะไรเงี้ยอ๋อครับผบางคนได้สี่จุดทางสมาธิได้สองจุดทางปัญญาเอาครับผมครับผมบางคนได้ทั้งสี่จุดทั้งสองอย่างเลยพระพุทธเจ้าเลยอ๋อแล้ทางเจตโตก็สี่จุดทางปัญญาก็สี่จุด เข้าใจไหมบางคนไม่เข้าใจที่ว่าสามารถบรรลุใจใจตรงมิมุ่งที่สามารถบรรลุได้โดยที่ไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ใช่พวกปัญญามิมุ่งก็คิดว่าใช้ปัญญาไม่ต้องใช้สมาธิก็ได้ไม่ใช่มันนี้เป็ารเข้าใจนะครับต้องใช้ปั้งสองอย่างแต่ว่าความเจตการมันมันไม่เท่ากันครับผมครับผมมันก็เี็นวิชาบางวิชาเราเกะงนะอาจจะเก่งทางพระราศึกษาแต่ไม่อ่อนทางภาษาอังกฤษี้ ครับใช่ครับครับอ๋อครับผมต้องต้องไปด้วยกันก็แต่ต้แต่ก็ผ่านได้สองจุดขึ้นไปเหมือนกันครับผมครับผมอืมครับก็ใจมานเป็นลักษณะของความถนัดของแต่ละคนเนี่ยบางคนถนัดเก่งทางด้านสมาธิแต่ไม่ค่อเก่งทางด้านปัญญาครับบางคนเก่งทางด้านปัญญาแต่ไม่เก่งทางด้านสมาธิบางคนเก่งทั้งด้านสมาธิทั้งปัญญาก็มีครับ เข้าใจมากยิ่งขึ น, นะครับอาจารย์ครับ <Okay. S 2> ครับผมไม่ต้องไปกังวลอย่างันมากให้รู้ว่าต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาแล้วกันอย่างรับอย่งจะมีมุมได้อย่างเ <c oughs> ยหมดท้ น, นได้อืมครับผมก็ไม่ไม่ต้องเต็มไปได้อย่างงี้นะครับเาไม่ได้บางทีบังคับไม่ได้มันเป็นอุปนิสัยของเราเครับ <c oughs> บางคนมีอุปนิสัยเดิมมาก็เข้าสมาธิแล้วก็ไปมีอภิญญาได้บางคงก็ไม่มีบางคนก็มีอุปนิสัยใทางด้านความคิดิเก่ ฉลาน้ํำคงนไป mm hmm. ทําปัญญาปัญญาแต่แต่การใช้ปัญญาก็ก็ถ้าเห็นตายรักเห็นอริยสี่เห็นตายรักเห็นอริยสี่อริยสัจสเป็นพื้นฐานแต่จะมีความรู้พิเศษที่อาจจะเรียนมาทางโลกก็ได้นําวิทยาศาสตร์ทางอะไรสามารถเอาความรู้ที่เามาเสริมการสั่งสอนธรรมะก็ได้ครับ บางทีบาทีแสดงธรรมนี้ถ้าแสดงธรรมทั้งนื่นหรือฟังไม่ค่อยรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นไงนี่มันไม่เข้าใจแต่ถ้ายกตัวอย่างว่าศีลเป็นเหมือนการพักผ่อนหลับน อ, ก น, อ, ก น, อกนการกินอาหารปัญญาคือการไปทํางานนี้พอฟังแล้วมันก็มันจะเริ่มเห็นภาพขึ้นมาชัดขึ้นครับผมครับผมอันนี้บางคนเก่งอังนนี้สามารถเปรียบเทียบเปรียบไปแตให้เห็นเป็นภาพขึ้นมาครับ บางคนก็สอนทั้งดุนแล้วไปนั่งสมาธิไปปัญญาตั้ไปนักใคนี่จบครับมครับผมอืครับผมใช่ครับฟังกรูบาอาจารย์พวกนั้นท่านก็สอนแบบทั้งดุน่นี้ครับพุทโธพุทโธเดียวอย่นะครับสอนทั้งปีครัมถึงหรือยังยางนี้ถึงพุทโธหรือยังนี้ครับครับผมครับโครับผมอ่าเข้าใจเพิ่มมากขึ้นครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์ครับผมอ่ครับที่รจั ขอให้ท้าันพระาจาย์อไงท่านผมด่าแล้วถึงครับสาธุครับอาจารย์สายทิพย์พอมีหรือเปล่าอาารสายทิพย์อันนี้ทางานใลยเไนสายามอยู่เห็นอยู่ที่เดี๋ยวียู่ท่ามัก่อนนะาารสายทิพย์เดี๋ยวกลับมาเป็นพรดาก่อนนะพระนาการรัชการค่ะอาจารย์ค่ะได้ได้มาพอนาที่ที่ใกล้ๆบ้านค่ะ เนี่ยเป็นยังไงเป็นวัดเลยเป็นที่ปฏิบัติไมค่ะเป็นเป็นพักรับรองค่ะแฟนเขาจองให้อ่อแค่สงบดีไหมคะก็พอดีไม่มีคนอื่นพักเลยค่ะทั้งแถวเลยแต่ข้างบนมีเขาพักอยู่อยู่แล้วก็ดีน่าจะปฏิบัติไดนไหมครับไปบนเขาเลยใช่ไหมก็ก็ได้เงียบอยู่ค่ะตอนวันนี้แต่ว่าเราไม่ออกมาอยู่กับคนอื่นเขาไม่สงสัยแล้วทำอะไรันเดียวก็ ไม่รู้ค่ะไม่เศร้าเหมือนกันค่ะพอาจารย์เราไม่ออกไปเลยเราก็ไม่บอกมากินเลยไม่ไม่สั่งข้าวไม่ทร้าเลยไม่ออกไม่สั่งไม่ก็อยู่ในเนี้ยขังไปเลยเดีววันที่หนึัวพี่เป็นอะไรบ่างไม่ไม่มีใครมายุ่งค่ะบอกเขาบอกบอกเขาไว้อาบอกเขาแน่บอกแฟนไว้ค่ะบอกแฟนว่าไม่ต้องให้ใครมายุ่งอ เดี๋ยวใั้เขาดูก็แล้วกันว่าเราไม่เป็นอะไรเดี๋ยวเข้าทำวนเพราะมันแปลกเนี่แปลกอยู่ค่ะเพราะว่าข้างบนเขาก็อยู่ตามปกติเป็นแฝดอะค่ะพระอาจารย์อแต่ว่าข้างล่างเขาทําเป็นที่พักให้คนมามาเช่าได้แต่ว่าช่วงเนี้ยคือไม่มีใครมาเลยไม่แปลกช่วงช่วงใกล้ปีใหม่น่าจะคนมาเยอะนะมันเป็นมีที่เที่ยวค่ะพระอาจารย์เป็นในค่าย ก็ยังไม่ถึไม่ลาเดี๋ยวอาจจะพรุ่งนี้หรือวันศุกร์เขาถ้าอย่านี้เริ่มมาแขกก็ได้ก็รอรอรดูแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าเข้ามาแล้วก็คงเปิดเพลงฟังนะแล้วก็ทึ่คือกรงเดี๋ยก็ทักใจอีกแบบหนึ่งอยู่อีกแบบนึ่งลองดูค่ะถ้ามีอยู่ในไปค่ะก็ต้องไม่เป็นไม่เป็นเดือดร้อนกับเขานะทำอะไรก็เรื่องของเขาไปเรามาฝึกําใจเรา ค่ะก็เป็นภายนอกอก็ดีมันการเปลี่ยนสถานที่ฝึกฝึกกิจเราไปในตัวด้ค่ะทดสอบจิตเราเราเจะรับกับสภาพสิ่งแวดลอ้อมต่างๆที่เปลี่ยนไปนด้นหรือเปล่าค่ะค่ะพอาจารย์นอ น, นี้จาไม่มีอะไรที่แท่แน่นอนนะค่ะอาจจะมีมาก็ได้ก็ไม่เป็นไรเลือกมาแล้วอ่อ <c oughs> นะตตาเราไปควบคุมบังคับไม่ได้นะค่ะภายใาจารย์ ถ้าเราอยากให้มันอยู่ภายใต้ความครอบครัวของเราแล้วมันก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากเราก็ังไม่ทุกข์นีคะดีอยู่กี่วันนะเจ็ดวันเหรถึงวันที่ถึงวันที่หนึ่งค่ะคแต่มาเมื่อวานได้หกวันค่ะพะัดใจอ๋อหกวันเท่าัไหมไม่ค่ะหมายถึง<อ>ว่าทั้งหมดกว่าจะถึงวันที่หนึ่งอ่ะทั้งหมดหกวันค่ะทั้งหมดหกวันค่ะดีะถูกแล้วก็จะจ ะ, จะบอกพัดใจว่าแฟนเขาเริ่มพูดโทแล้ว มาหนึ่งเดือนแล้วค่ะแต่ว่าทําทําเป็นแค่ไม่กี่นาทีอ่าดีก็ฝึกไปเรื่อยๆคนใกล้ตัวทํำแตวก็ว่าทำตามเราเองเขาเค่ะเขาเขาอยากจะทําเขาทําเองเหมือนเขาเขาทําเองค่ะอ่าของก็ยากมันก็เหมือนกับหันเล่นดนตรีหรือหันอะไรทังอย่างเลยถ้ามีคนคนสอนมีคนทําอยู่มันก็เรียนเรียนกับเขาได้ใช่ไหมเขาทำห้านาทีให้เขาทํำ สาครั้งอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็สองครั้งไล่เขาฝึกไป <c oughs> เรื่อยๆแล้นั่งสิบนาทียี่สิบนาทีมันค่อยๆขยับเพิ่ไมไปเองนะ่ะแต่เขานั่งได้เขาบอกว่าตอนที่เขาแล้วเขาบอกว่าตอนที่เขานอนอ่ะเขาก็พุโทโธด้วยที่ตอนที่หนูไม่อยู่ค่ ะ, ะ <c oughs> แล้วเขาเห็นคําว่าพุโทโธเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนป้ายไฟอ่ะค่ะแล้วแล้วเขานอนไม่หลับทีนี้เหมือนเขาตื่นแล้วแล้วเขาก็เลยคิดว่าเป็นสีดํา สีเทาสีดําแล้วก็โคลอสเนี้ยเขาถึงรับดังพูดโทรแล้วเข้าไปคิดมันเองเขาอยู่พูดไอ้เขาอยู่พูดโทรไปอย่าไปสนใจกับว่าอะไรที่เกิดขึ้นตเราบอกเขาว่าพูดโทรอย่างเดียวออย่าไปสนใจกับอะไรต่างๆเราไปสนใจไม่ใช่พูดโทรพูดโทรหาแต่ว่าแต่ว่าเขาไปคิดเขาไปคิดเอาไปคิดไปขึ้นมาเองค่ะก็เลยนอนในห้องคำพูดโทรไปอย่างเดียวมันเดี๋ยวก็ลับค่ะเข้าใจ ให้ผู้โทรโหลดอย่าไปหลงกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้นรับเลยนะค่ะได้ค่ะแล้วก็แม่ด้วยแม่ก็ผูโทรด้วออดีเนี่ยเราเป็นคนสอนเข้าด้วยที่ไม่ต้องัไมาน้องพูดอะไร <c oughs> ก็เห็นเรา ม, มีความสุขจากการปฏิบัติก็อยากจะทาตามเราไปเองเขาไปผ่าต่อค่ะแล้วเขากลัวเขาเขาบอกว่าเขาเขาก็เลยความดันขึ้นแล้วเขาตื่นเต้นนะคะ เขากลัวแล้วเขาบขาพูดเขาพูดโทพูดโทพูโทแล้วแล้วเขายังไม่ได้กินยาแล้วความดันเลยนะคะแต่ความดันมันลดลงเขาก็ยิ้มนั่นแะความเครียดมันกิดจากใจเครียดทําให้ความดันมันขึ้นเองก็เลยมาาเลาให้พแพชันฟังค่ะท่านี้ยค่ะอันนี้สองคนภามด้วยกันจะได้มีมีมีใจที่จะปฏิบัติแล้วตัวต่อไปตัวเองก็จะทําประโยชน์ให้กับคนใกล้ตัวเราได้ พี่สบายก็พูดโทด้วยค่ะค่ะแบบนั้นของพักผ่อนนั่นหนูพูดโทรอยู่หนูพูดโทได้ในแต่ละวันได้มากขึ้นค่ะแบบอยู่ๆบางทีมันก็มันก็พูดโทไม่พูดโทก็อยู่กับลมหายใจจะอยู่สลับกันพอคิดมันก็จะคิดสั้นลงที่ผูเผลอไปคิดนะค่ะ มันรู้สึกว่าสั้นลงกว่าเมื่อก่อนค่ะแต่มันก็คิดให้น้อยให้มันมันมีสตรู้มันจะาึคิเมื่อไหร่ก็หยุดมาแล้วถ้าไม่อํากไปก็อยากคิดคิดในเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นค่ะก็สบายจะอยู่คนเดียวไม่รู้สึกอึดอัดนะไม่รู้สึกอึดอัดอยากจะไปข้างนอกนะชอบนะไม่เหงาไม่อึดอัดก็ทั้งวันก็ก็ทั้งวันมีพักบ้าง นิดหน่อยก็แล้วก็ทําต่อเดินวงกลมนั่งสมาธิ ส, สวดมนต์ก็ฟังดแค่พอดีในห้องเนี่ยค่ะถ้าเปิดประตูมันยาวเลยอยาวไปตรงข้างหน้าตรงปรนตูเขาไม่มีใครเขารูา้ว่าเรางานอะไรก็ <c oughs> เห็นเขามาลดน้าต้นไม้อยู่เขาค ง, งไม่ทราบนะข้างนอกอยู่ข้างนอกก็เดินค่ะเค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะ นั่งปฏิบัติท่าวดควายหาที่เองนะตรง น, นี้ไม่มีก็สถาที่อื่นะขอบพระอจาดีสาธุขออนาขอบคุณค่ ะ, อบ ค, คะอบคุณหมอสายอาจารย์สายทิ่กลับมาแล้วอันนี้มาขายของขายยาเกี่ยวกับนวัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีเวรค่ะ เป็นร้านยาตัวเองค่ะพระอาจารย์ัอยู่ในเมืองว่าอยู่ที่นาหนคะออยู่อยู่ติดกับมหาลัยเลยค่ะออกมาสองสามนาทีเองค่ะพระอาจารย์ยังไม่ปิดอีกเหรอสามทุ่มสี่ทุ่มค่ะเพื่อ <laughs> ขยันกันมีสามคนช่วยกันหัดแบ่งเวรก็เลยเป็นร้านยาที่อยู่เวรค่ะพระอาจารย์ร้านยาตัวเองแต่อยู่เวร <laughs> ค่ะก็ถือสินแปดอยู่ค่ะพระอาจารย์ได้ได้ทุกวันแต่มีวันนึง ไม่รู้ว่าเป็นด่างพ้อยหรือว่าขาดเพราะว่าตอนกลางวันนะคะมีงานเลี้ยงของของขอ ง, ของกลุ่มวิชาค่ะแล้วน้องคนหนึ่งเขาเขาลาออก เขาก็เลยเปิดเพลงให้ร้องเพลงด้วยกันตอนแรกหนูใส่แมสหนูก็ทําปากพะ ง, งาบพะ ง, งาบให้เป็นเหมือนเขาแล้วแล้วก็ตลกตัวเองว่าอ้นั่นก็ร้องไม่เจออ่าแต่ว่าในใจก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเอะลรเอา้เอาทำเหมือนเขาจะคิดว่าทําเป็นเสียงสูงเสียงต่ําก็แล้วกันอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แบบนี้ได้ไหมคะ ก็แต่ัทนจะร้อบมาเล่ามันไปเลยดีกว่าทำไมร้องทำไมร้องไม่ดไป้อเป็นแบบลูกผีบางคนตอนแ้วก็เอทําปากพังงาพังงาเขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราไม่ได้ร้องเราแค่ทําปากอยู่ในแมสก์ไอ้ทำไมร้องมาบอกเขาว่านี่พี่คือสินแบก้อาเพลงไม่ได้งั้นมนหลังคงต้องบอกว่าถือสินค้าอาจารย์ถอดได้ถอดได้ด้วยนั่นอันนี้คือสินแบกมา ก็ก็ก็มีแค่แค่ตรงนี้ค่ะพระอาจารย์ที่เหลือก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินข้าวไม่ได้อะไรนอกเวลาค่ะพระอาจารย์ แ, บบแล้วก็ตื่นเช้ามาก็คิดถึงเลยค่ะพระอาจารย์ว่าจะฝึกสติแต่พอไปเจอเพื่อนสติไม่เหลือเลยค่ะพระอาจารย์หายไปรรยไหา ไ, ไปเจอสังคมนี้สติ ไ, <ม>ไปไหนเนาะกลับมาอีกีอุ้ยไปแล้วไม่เหลือเลยค่ะอย่างนั้นเราดูแล้วว่าเรามีเป้าหมายแล้วเอา เรายังทำเป้าหมายไม่ได้แสดงก็ยังดีค่ะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องสติเลยเป็นยังไงก็เลยพอพอออกมาก็ค่อยๆตั้งตั้งหลักใหม่ค่ะพระอาจารย์แต่จะรู้ว่าทุกครั้งที่เข้าไปอยู่กับเพื่อนๆหรือสังคมมันหายไปกับสังคมไปกับการพูดการคุยเลยค่ะพระอาจารย์ใช่ถึงต้องไม่คุกคีกันถ้านัจะปฏิบัติสติจริงๆเนื่องอยู่คนเดียวไม่คุกคีไม่มีงานทำอย่างเีดี พยายามเลี่ยงใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่ถ้าเราทาก็พยายามและมีสติได้เท่าไหร่ก็ทําไปแต่คงจะหวังผลมากไม่ได้ถ้าเรายังต้องทํางานยังต้องเกี่ยวข้องกับคนอยู่เหมือนมันต้องใช้ความคิดที่จะต้องคุยกั บ, เ, กบเขาอะไรเงี้ยค่ะใช่หรือลองใช้คำคิดกับงานที่เราทําอยู่ค่ะอันนี้นก็ถือว่าเรายังติดยังขึ้นทางด่วนไม่ได้ขึ้นทางด่วน อัก็ทางดวนเนี่ยไปวิเวกคนเดียวอย่างเงี้<ช>ยขึ<ช>้นทาง่วค่ะแล้วก็นั่งสมาตื่นมาตอนเช้าก็ได้นั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์แล้วก็ก่อนนอนก็นั่งสมาธิได้นานแล้วก็ตัวตรงดีค่ะพระอาจารย์ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ปวดไม่เจ็บแต่พอออกจากสมาธิคือขาชาเหมือนอัมาพาตไปเลยค่ะพระอาจารย์ต้องรอ้องไม่เป็นไรเนี่ยเรื่ยของรางกายมัธรรมดาของมั น, รรม อ, มนอ่า แต่ก็ก็นิ่งๆแต่ว่ายังยังไม่ลงลึกค่ะพระอาจารย์แต่ว่านั่งนั่งไปได้เรื่อยๆไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยค่ะดีขอให้ทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆค่ะก็ยาหยุดยาเลิวค่ะพระอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ค่ะก็ยังจะพยายามฝึกสติในระหว่างวันให้ให้ให้ให้มากขึ้นให้ได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะมีสติในระหว่างการ การคุยแต่พยายามค่ะการมีสติเวลาเราเดินเราทําอะไรก้อยู่กับตัวเราอยไปอยู่กับเรื่องพวกนี้เวลาที่เราเดินเราออ่ต้องดูการเดินพู้คุก็ได้ดูเท้าเราก็ได้ดูการเดินของร่างกายไปก็ได้ก็คือแค่ดูดูไม่ไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหมไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการเดินไป แต่ว่าถ้าคิดปุ๊บเราก็พุโทโธแทนเลยใช่ไหมครับได้ครับพอหยุดมันก็ได้ค่ะได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะทําทําไปเรื่อยเดี๋ยวมารายงานพระอาจารย์เพิ่มค่ะเลยจะไม่ดูการเดูนลร่างกายใช้พุโทโธตลอดเวลาก็ได้เหมือนกันใช้แทนกันได้ดูน่างกายไปเรื่องพุโทโธไปก็ได้ ก็คืออ ย, อย่างใองอย่างไปด้วยสองอย่างไปด้วยกันก็ได้เดินไปด้วยกราพูดโทด้วยทํา<ห>อะไรก็พูดโทไปด้วยก็ได้ก็ถอถ้าทาให้งานที่เราทําให้เสีย ง, งารับแล้วกันก็ต้องดูงานที่เราทําด้วยอืมค่ะก็คือถ้าพูดโธได้ก็พูดโทไปเรื่อยๆอืเพื่อที่จะห้ามความคิดใช่ไหมคะไดใช่อืม<ะ>ค่ะได้ค่ะพระอาจารย์เดี่ยหนูจะพยายามปฏิบัติต่อไปค่ะโอเคสาธุสาธุค่ะ อ่าคุณยินดีต่อยินดีแคนเซอร์ตอนนี้พายุหมดไม่ยังไม่ยังพิง ม, งมาย่ออยู่ถ้าปกติวันนี้แล้วค่ะท่านอาจารย์อรถกลายเป็นน้ําแข็งเลยค่ะท่านอาจารย์เอจอดอยู่กลายเป็นน้ําแข็งนะค่ะเป็นครั้งแรกที่หนุ่เคยเห็นเหมือนกันนะคะ่ะก็โอเคค่ะท่านอาจารย์เดวิดฝากบอลสองเต้ท่านอาจารย์ค่ะทาา่านอาจารย์แล้วก็ไปทํางานยังไงเขามีรถมารับไหมไม่ค่ะก็พอดีท่ตงจังหวะ พอดีตรงกับช่วงจังหวะที่เขาอยู่งานพอดีเลยค่ะมันเป็นช่งวงคริสต์มาสอาจารย์เลยไม่ยอมเลค่ะก็เลยยอดแค่นวันแรกที่เขาเจอแล้วจากนั้นก็โอเคค่ะแล้วเขาก็คือทางนี้เขาก็บอกว่าทางคนที่โรงแรมอะค่ะก็บอกว่าถึงยังไงก็แล้วแต่ให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้ขับรถก็บอกเนี้ยให้ใ ห, ให้เอารถอะออกไปขับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวแบตเตอรี่มันจะเสียค่ะมันจะแบบค่ะจะรถจะไม่มีใช้อะไรเงี้ยก็ ออกไปแบบวอร์มให้เขาอะค่ะทุกวันาาก็มาคิดเหมือนกันนะคะถ้าอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าเรามีของมันก็ต้องดูแลใช่ไหมคะอาจารย์เ่ยค่ะท่านอาจารย์ค่ะเนี่ยค่ะถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์คะแล้ว เ, เออพอดีได้ยินคุณเอกที่ถามเกี่ยวกับเรื่องเจโตวิมุตแล้วความแตกต่างระหว่างอุปจาระกับเจโตนี่หมายถึงว่าอุปราอุปจาประนี่มันคือพื้นฐานใช่ไหมคะมียังไง อุปจารสมาธิก็เป็นสมาธิที่ให้มีอภิญญาเนี่ยค่ะแต่เจโตนี่หมายถึงว่าคือมันคือเขาพูดแบบคํามรวมชาวมังเกิลเวมุตคือคนที่หลุดพอนแล้วเขามีมีพลังจิตพลังจิตทางด้านอภิญยาเขาเรียกพวกเจโตค่ะตวกที่หลุดพอนแล้วมีมีความฉลาดทางด้านปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตค่ะแต่อุปจาร อุปจาระคืออยู่ในเจโตนะคนต้องควรจะเป็นเจโตนะั้นก็ต้องมีอุปจาระสมาธิอ๋อค่ะก็คือคําเดียวกันใช่ไหมคะท่านอาจารย์เวลาเราอ่านหนังสือหรืออะไรเงี้ยคะมันก็ใกล้เคียงกันนะมันเพียงแต่ว่าเขาพูดถึงคนที่หลุดพ้นมีสองรูปแบบเนี่ยอ๋อค่ะค่ะท่านอาจารย์เจโตม่ว่ารก็คนพวกที่หลุดพ้นแล้วก็มี ม, มีมีอุปจาระสมาธิด้วยมีความสามารถทางอุปจาระสมาธิ เหมือนพวกปัญญานี้เขาหลุดพ้นแต่เขาไม่เป็นปัจจารสมาธิค่ะมีปัญญาค่ะค่ะค่ะขอพรบคุณท่านอาจารย์มากค่ะอาจารย์โอเที่เป็นโจ๊กโจ๊กพัางล่าเรียกโจ๊กมืออยู่ที่ไหนเป็นจ๊ดีค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยู่โกเบค่ะออกโกเบใครเข้ามาแล้วใช่ไหมคะไครเข้ามาแล้วค่ะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเม่อไหร่เมื่อคราี่แล้วคราที่เรา ที่นี้แโอเค่ะ<า>พอดีสองสามอาทิตย์ก่อนหนูไม่ได้เข้ามาค่ะแต่ว่าหนูกทางเฟ e บุ๊กตลอดนะคะเฟ e บุ๊กไลฟ์ค่ะคไม่เป็นไรมวันนี้ค่ะเขาที่แล้วที่หนูเคยเข้ามานี่คือตอนนั้นหนูหนูทำสมาธิแบบมันเครียดเกินไปเครียดจนจนรู้สึกเครียดอะคะ่ะพระอาจารย์ก็บอกหนูว่าต่อไปก็ก็ให้แบบไม่ต้องไม่ต้องไปยึดติด อะไรอย่างงี้ค่ะหลังๆนี้หนูก็ไม่ยึดติดแล้วแล้วก็ตื่นตื่นเช้ามาพระอาจารย์บอกว่าให้ทําพุโทโธให้พูดพุดโทโธไอภาวนาพุโทโธไว้กับตัวหนูก็พยายามทําอยู่อ่ะค่ะอืมเป็นยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะก็พยายามมันทําให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะอืมันั่งสมาธิได้ไหมเครียดยังเครียดอยู่เปล่าเวลานั่งสมาธิตอนนี้ไม่เครียดแล้วค่ะคือหนูก็แบบ ไม่ไม่สนใจแล้วค่ะจะจะดีสมาธิจะดีหรือไม่ดีจะได้หรือไม่ปล่อยมันไปค่ะเอาแบบให้เราสติให้มันมีสติอยู่แล้วนั้นแค่นั้นก็พอแล้วค่ะคือหนูไม่ไม่หวังอะไรแล้วค่ะแค่แบบให้ใครก็พออย่างเงี้ยค่ะแล้วได้ผลดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะหนูรู้สึกว่าหนูหนูมีสติหนูรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่หลงไม่ลืมแล้วอะค่ะรู้สึกไม่ดีค่ะช่วงนี้ดีมาก มันเป็นามอยากคนเราอยากมากเกินไปก็ทําให้เราเครียดขึ้นมาได้ค่ะวันนี้หนูก็ไม่มีคําถามอะไรอะค่ะพระอาจารย์หนู่เข้ามาปางอยู่เมืองโกเบเละอยู่เมืองโกเบค่ะโกเบหนาวไหมตอนนี้หนาวนะหนาวค่ะช่วงอาทิตย์ก่อนสองสาวันก่อนหนาวมากๆเลยค่ะแต่วันนี้เริ่มอากาศอุ่นขึ้นมาบ้างแล้วค่ะโอเคค่ะโอเครักษาตัวให้ดีนะะพระอาจารย์ก็เช่นเดียวกันนะคะโอเคราตั อาจารย์พัทราภร์เชิญการธรรมสการครับวันนี้มีอะไรไหมครับวันนี้มีคําถามพอดีว่าอพอนั่งสมาธิครับพอดีว่าจิตมันไม่ไ ม, ไม่ยอมสงบแม้จะเราจะบริกรรมพุทธโธแต่เหมือนจิตก็จะพยายามจะพิจารณาไปทางปัญญาให้ได้อย่างเงี้ยครับไม่ทราบว่าอย่างเงี้ยเราเราควรจะ ป่อยให้จิตได้ถ้ามันชอบก็ทางปัญญาให้มันพิจารณาการสามที่สองไปทําชื่อว่าการสามที่สองไปผมขนเล็บปันหนังเนื้อแอนกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับทั้งผื่นตายปอดน้ําไส้ใหญ่นาไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในส้วมเสสน้ําดีน้ํำทะเลน้ําเหลืองน้าเลือดน้ำเหนือน้มันค้น้ําตาลน้ำมันเหล่าน้ำลายน้ําลูกน้ำไข่ก็นน้ำมูดเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับท่องกลับ ลองท่องชื่ออาการทานที่สองไปก่อนถ้ามันชอบคิดมากก็ให้มันมาคิดทางปัญญาแทนแล้วถ้าคิดไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นสมาธิเองใช่ไหมครับใช่มันก็จะไม่คิดเรื่องราวอยาอย่างอื่นมันก็จะนิ่งนิ่งแล้วก็กลับมาดูลมต่อก็ได้โอเค แล้วทีนี้เนี่ยอาจจะเราอ่ากับนักศึกษารเรียนถามอีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าพ อ, อดีว่าเหมือนกับคิตเนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าคิดฟุซ่าแต่มันเหมือนกับว่ามันจะคิดหาอ่าคำตอบทางออกของชีวิตอย่างเงี้ยอันนี้เรา ก, ก็ก็ให้กลับไปใช้กันสืบสองเหมือนกันไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมครับอาจารย์เวาทำสมาธิไม่ให้คิดเรื่องอะไรนั้นสิเป็นไรเป็นเขนหยุดคิดเขาเรียกเป็นเขตหยุดคิน เปรตปลอดจากความคิดถึงจะได้สมาธิถ้าคิดมันก็จะไม่ได้สมาธิสมาธิคือเขตที่ไม่มีความคิดเราต้องการเข้าไปในเขตนั้นเราก็ต้องอยู่ชิดถ้าจะคิดก็อย่ามานั่งสมาธิเสียเวลาไปดันคิดนั่งคิดให้พอมีเวลาคิดต้อ ง, ยงเยอะยพอเวลานั่งสมาธิเป็นเวลาเดียวที่เราไม่ต้องการมันคิดหายนะ อครับแล้วทีนี้เนี่ยก็มีมีคําถามหนึ่งสงสัยก็คือว่าอย่างบางทีเนี่ยเราเรารู้เราเข้าใจในในในธรรมะเองเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนมันรู้เองเนี่ยเราก็เราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่เรารู้เนี่ยมันมันถูกหรือมันผิดแต่เหมือนกับว่ามันจิตมันหามาหาคําตอบให้เองอย่างเงี้ยอันนี้เราเราจะตรวจสอบได้ยังไงครับว่าว่าที่เราเข้าใจถูกหรือเปตามความเปจริงหรือเปล่า เราคิดมันแล้กสิ่งที่เราคิดมันตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่าถ้วเราไปคิดว่าโลนดีแบนนี้มันตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่ามันก็ต้องมีอะไรเปรียบเทียบทดสอบดูมาความคิดของเราเป็นความคิดที่ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าเป็นไม่ไม่ตรงความเป็นจริงก็ไม่ถือว่าเป็นปัญญา ฉันคิดว่ามีอะไรเที่ยงไมอีกหนึ่งอ่ะไม่มีอะไรเที่ยงใช่ไหมถ้าเราไปคิดว่าไอ้นั่นเที่ยงอันนี้เที่ยงแสดงว่าเรยังไม่เห็นยังไม่เป็นปัญญาเพราะบางอย่างมันอาจจะดูที่ไม่เที่ยงดูว่ามันเที่ยงเพราะมันเปลี่ยนแปลงช้าใช่ไหมอย่างภูเขาเนี่ยดูกี่วันกี่ปีมันก็เหมือนเดิมแต่ถ้าดูสักล้านปีสองล้านปีมันอาจจะมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ใช่ไหมทุกอย่างมันเปลี่ยนทั้งแถวบางอย่างมันเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็ว อย่างดวงอาทิตย์ที่เราเห็นทุกวันเนี่ยที่ามันจะมีแสงสว่างนี้ทุกตลอดไปหรือเปล่าในวันใดวันหนึ่งก็จะหมดมันก็เหมือนมันก็เหมือนกับกองไฟใช่ไหมที่มันเมื่อเชื้อเพลิงเมื่อเชื้อเพลิงมันหมดไฟมันก็ต้องดับไปในที่สุดเพียงแต่เรามันอาจจะช้าและเราเห็นมันเหมือนกันเหมือนเหมือนกันทุกวันแล้วก็ไปคิดว่ามันเป็นของเทียมแท้แน่นอน อาารย์ยังไม่รู้พวกนี้เป็นนะมามัน อ, อาจจะอแบบันดับมันไม่มันไม่โผล่มันโผล่ขึ้นมาแบบเมื่อยๆก็ได้ทําไงนี่ครับก็คือคือสิ่งที่ป้าจันพูดมาเนี่ยก็คือมัอนจับว่าคือสิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่ามันก็เป็นเนี่ยอย่างที่สิ่งที่ป้ารย์กล่าวมาเนี่ยถามว่าทุกคนที่รับฟังเนี่ยทุกท่านก็ก็ยอมรับก็เข้าใจในในสิ่งที่ป้าจาย์พูดอย่างอย่างไม่ยังไม่ตั้งคําถามแล้วเราก็เข้าใจกันเป็นความจริงว่าเออ ชีวไม่เที่ยงอย่างนั้นไม่เที่ยงนะแต่ว่าทําไมแล้วทําไมเราถึงถึงทําไม่ได้อย่างที่เรามีความเข้าใจกันอย่างเงี้ยครับว่าเรามีกิเลสความหลงมันเป็นตัวมาคอยหลอกให้เราคิดว่ามันเที่ยงเนี่ยความหลองมันครอบความครอบงำจิตใจลังมานาเนรตะทําให้เรามองเห็นว่าสิ่งที่มันมันมันไม่เที่ยงนี้เป็นเที่ยงถึงแม้จะมาบอกมันมันก็ยังไม่เชื่อวิธีจะทําให้มันเชื่อก็ต้องหยุดมัน หยุดความไม่หยุ ด, ห ย, ดหยุดสิ่ความไม่เชื่อด้วยการทําสมาธิต้องหยุดกิเลสให้ได้หยุดความหลงให้ได้ด้วยการทําใจให้สงบราใจสงบนี้กิเลสมันก็หยุดหยุดทำงานชื่วคราบแล้วพอเราออกจากสมาธิใหม่ๆนี้กีเลสยังไม่มีกําลังแล้วก็สามารถที่จะสอนใจให้มองความจริงได้และนับความจริงได้แล้วใจเราก็จําไม่ทุก ที่เราทกข์เพราะใจเราไม่ยอมรับความจริงเรายังหลอกเราใจายังถูกหลอกว่าร่างกายนี้เที่ยงต้องอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันตายาเราคิดถึงความตายปั๊บเราทุกข์ขึ้นมาอันาีเพราะเราไม่ยอมรับความตายแต่ถ้าเราทําสมาธิเสร็จแล้วออกมาจากสมาธิมาคิดมันจะ มันจะรับความตายนะมันจะเฉยๆได้อันจะพูสึว่ามันเป็นปัญญาเลยไหมก็คือาจเราต้องไม่ทุกข์กับสิ่งที่ไม่เที่ยงใช่ไหมเข้าใจไหมโอ้ยถ้าเรามีปัญญาแต่เราไม่มีสมาธิง่ายๆเรามีปัญญาแต่ปัญญานี้มันไม่สามารถที่จะไปกล่อมไปไ ป, ไปบังคับให้กิเลสมันยอมรับได้กิเลสไม่ยอมรับ <ith> an, อืมก็คือเหมือนเหมือนเราเข้าเหมือนเราฟังเราก็เข้าใจแต่เราไม่ได้ยอมรับมันอย่างแท้จริงเราเข้าใจทางความคิดแต่เราไม่เข้าใจทางความจริงความจริงเรายังไม่ยอมรับมันว่าเป็นเป็นความจริงแต่เรายอมรับมันเป็นาความคิดมันเป็นจริงแต่มันไม่เข้าไปถึงใจมันอยู่ที่ความคิดเท่านั้นพอไปเจอความตายเช่นพอม มันไม่สบายบอกว่ามันเป็นอะไรอยู่ได้ไม่การออกเดือนนี้ถ้ามันยอมรับความคิดยอมรับอวามจริงมันก็จะเฉยอะถ้ามันไม่เฉยมันมันเครียดขึ้นมาเแสดงว่ามันมันจิตไม่ยอมรับกิเลสมันไม่ยอมรับเราก็ต้องตีหัวกิเลมันด้วยสมาธิแห้มันนิ่งเอามันนิ่งแล้วทีนี้มันก็มันก็ไม่มีตัวที่จะมาคลายความจริง เรามีปัญญากันยุคนี้แต่เราไม่มีสมาธิปัญญาเราไม่เป็นปัญญาที่แท้จริงเป็นเพียงความคิดยังไม่เป็นความจริงแต่ถ้าเราฝึก ส, สมาธิได้พอราคิดทางปัญญามันก็จะเป็นความจริ ง, ท, งทั้งที่เราคิดและทั้งที่อยู่ในใจเราในใจเราจะเห็นตามความคิดของเราแล้วก็ยอมรับความจริงได้ เราไม่มีตัวที่มามาบล็อกความจริงนี่คือกิเลสโดยกิเลสเนี่ยมาขวางมันไม่มให้เรารับความจริงเรายังอยากจะให้มันเที่ยงอยู่นะนะอยากจะใช้ร่างกายหายเป็นวลาเป็นยร่องอยากจะให้มันหายนี่คือความอยากก็จากกิเลสอยากจะเผยความจริงไม่ยอมรับความจริงะ ตัวนี้ที่ทําให้ใจเราเครียดทําให้ใจเราทุกข์เราหยุดในตัวนี้ได้ไอตัวที่ไม่ยอมรับความจริงได้ใจเราก็จะไม่เครียดใจเราก็จะเฉยเราต้องมาฝึกสมาธิเพื่อหยุดใอ้ตัวตัวที่จะคอยฝืนความจริงนี่คือตัวที่เล็ดตัวโมหะอาวิชชาเ่อเรามีสมาธิแล้วเราพิจารณาความจริงมันก็จะเฉยได้นะไม่ตื่นเต้นตกใจ เอนคาวที่แล้วที่บอกว่าคุณอาจจะต้องเ ส, เสียลูกคุณไปเนี่คนก็รับไม่ได้อะไรนี่มทั้งทางทั้งทังที่มันก็มันไม่เทียงอะไรให่ลกูกของมันก็ไม่เทียงนะแล้วคนก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปเมื่อไหร่แต่โดยโดยลักษณะทั่วไปคนก็ต้องเที่ว่าเขาต้องอยู่อยู่อยู่อยู่ด้ากับเราใช่มัหมว่าเราแก่เขเราต้องตายก่อนเขาแต่ถ้าเรามันเรกลับกลับคิวกัน ม, มาเขาตายก่อนเรานี่เราเราก็ยอมรับไม่ได้นะ แต่ถ้าเราถ้าเรามีสมาธิเราตัดแต่ตัวตัวนี้ได้ไตัวที่ไม่ยามน้ำได้มันก็จะเฉยได้ถ้าถึงเวลาเขาจะตายมีใครไปห้ามเขได้หรือเปล่าลเห็นทั้งใบเที่ยงเห็นทั้งมน้ำตาอันน้ำตาก็คือเป็นธรรมะเป็นสภาวะธรรมาชาติที่ไม่มีใครไปไปขัดขวางมันได้อะไรจะเกิดมันก็เกิดขึ้นมาได้อะไรจะดับมันก็ดับเหมืนมันได้ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมองคาจของใครคิดไปจนมันตามันก็รับไม่ได้ถ้าเราไม่ทำสมาธิทำใจให้นิ่งทำให้กิเลสมันนิ่งในตัวที่ไม่ยอมรับงานปฏิบัติสมาธิการทำปฏิบัติปัญญาให้ได้ผลนี้ต้องมีสมาธิมาถนับส น, นุนกัน มันก็เป็นอมันก็เป็นเหมือนคนสอคนคนหนึ่งว่าคนนึ่งว่าเที่ยงคนนึ่งว่าไม่เที่ยงใช่ไหมครับขอ <Okay. S 3> บพคุณครับแล้วก็กขอ บ, บคุณพระอาจารย์แล้วก็ทางทีมงานทุกท่านครับที่ที่จัดทารายการช่องดีๆใ ห, ให้ให้กับญาติธรรมก็อขอให้ให้ให้ช่องนี้อยู่ไปนานๆคครรันนับบครับครับ มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนี้ก็ขอขอขอสิ่งที่ไม่เทียงมันเที่ยงอยีู่่ไหเรามันชอบที่อย่างนี้มาตลอดเวลาฝากกับรักสการ์รัคคิริสาถูกไคุณแจมคุณกิติสักอางไงปีใหม่นี้จะไปจะองาเช้านาหรือจะไปไปไปไหว้พระสวดมวนต์ข้ามปีดีเก่าธนวัตสกานครับวอาจารย์ ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยครับปีใหม่ปีนี้น่าจะอยู่กับบ้านครับก็ปฏิบัติทุกวันครับพระาอาจารย์ เ, เราเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะเราไม่หลงนะเราไม่หลงกับแสงสีเสียงนะไม่ไปดูเขาจุดพูดจุดไฟแล้วครับก็พยายามปฏิบัติอยู่ทุกๆุกวันนะครับภระาอาจารย์เราไปดูสมาธิกันดีกว่าเดี๋ยวก็ไปดูเขาจุดพูดจุดไฟครับ มันมันความรู้สึกมันมันเฉยเฉยะครับว่ะอาจารย์อมันแบบมันไม่มีรชาตินะนะนั่งแข่งตามชนะนั่งทำบวกะอนะมันเหมือนมันเปลี่ยนไปมากเลยครับพระอาจารย์อืความรู้สึกเดี๋ยวไปอาจจะไปบวชก็ได้ตั้งตั้งตั้งเป้าไว้เหมือนกันครับว่ะอาจารย์อลองปฏิบัติให้เยอะขึ้น ให้แต่พลังให้มากขึ้นเหมือนอย่างยไปได้ตอนนี้ยังพลังยังไม่พอถ้าพอมันไปแล้วตอนนี้มันไม่อยู่ตรงนี้แล้ว<อ>นะพลังทำยังไม่กำลังได้พอทำเป็นจรวดก็ยังยังไม่สามารถขึ้นสู่อวากาศได้ยังถูกดนึ่งหนึ่งดดขงเขาเล่าโดดไม่ถึงครัพยายามะสะสมให้มากขึ้นครับอาจารย์สติ ค, ครับตัวชั่วคราวที่สำคัญก็คือสติเนี่ย สติแปลมสติให้เยอะให้มันเต็มอยู่ยในหัวใจวนันเดียวมันก็ถ้าช่วงในระหว่างวันก็จะอยู่กับพุโทโธเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็จะตัดออกไปทํางานบ้างแล้วถ้าคิดอะไรฟุ้งซ่านก็จะดึงกลับมาที่พุโทโธครอตอนตื่นนอนนะครับพยายามทําตามที่พระอาจารย์สอนอย่างนี้มีคำถามครับพระอาจารย์คืออ๋อ ทุกครั้งส่วนใหญ่ที่ผมนั่งสมาธิก็จะสงบนะครับะจะช้าจะเร็วก็คือจะสงบในลักษณะแบบไม่ไม่มีลมหายใจแต่เออมันเหมือนมันยังไม่เคว้งคว้างในอ า, ากาศเหมือนครั้งก่อนๆในที่เคยเป็นมาเมื่อนานๆแล้วครับสองสาครั้งที่เคยพบแล้วเวลาในบแบบนั้นนะ่ะมันสุขมากเลยครับอาจารย์ ม, มันก็เลยแบบเหมือน มนอยากได้อยากอยากมากมากเอาไม่ได้ก็ผิดหวังมันอยากมันก็เลยเหมือนมันไม่เจอเฉยยิงไม่ได้ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้อย่าไปอยากไปตกปลาวันก่อนตั้งหัวข้นวันนี้ถองวันที่หนึ่งวันหน้าก็อยากจะถูอีกตกซุงหัวไม่ได้หรอกบอกด้วยแลวในความเป็นจริงที่เรานั่งเนี่ยคือ เป้าหมายเราก็คือให้ถึงตรงจุดนั้นเลยใช่ไหมครับหรือว่าถ้ามันสติมันดีทุกครั้งมันตอบอไปมันอยู่ที่ตัวสตินะมันไม่ด้อยู่ที่ตัวยาพยายามอยู่กับสติไปเรื่อยๆตัวสติจะพาเราไปสู่จุดนั้นไม่ใช่ตัวความอยากมันเราเจะวางใจหรือว่าจะควบคุมใจยังไงดีครับเพราะาทุกครั้งที่เรา นั่งเราก็เหมือนเราอยากจะสงบนะเรากจะก็กลับมาที่วุ่นโถงกมาที่วุ่นโธงอย่าไปสนใจความอยากคทําไม่ต้องสนใจก็พยายามคิดอยู่ครับแต่เวลาบางทีพอมันหมดลมปุ๊บมันก็เหมือนสะกิดในใจเ อ, อ้เดี๋ยวมันจะเข้าและวเดี๋ยวมันจะเริ่มนะแล้วออมไมันต้องหยุดมันครับมันดูลงต่าดืมอมันก็ถงนะไม่ให้ขห้ามคิดห้ามคิด คิดอะไรไม่ห้ามคิดเทนั้นถ้าคิดแล้วก็เข้าไม่ได้เพอาะเริ่มคิดตัามมันก็จะเข้าไม่ได้ต้องไม่ให้คิดอะไรให้เฉยๆไม่ๆๆ เ, คเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งตั้งใจตัวเองว่าเออเราไม่ต้องคิดอะไรเรานั่งไปเถอะมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันมันมันรู้สึกมันดีแล้วมันก็ง่ายได้มันไ ด, นด้าลนีนะต้องไม่คิดเท่านั้นต้องไม่คิดอะไรแบบเออไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสงบแต่เราก็นั่ง เหมือนเป็นกิจวัตรของเราทุทกๆวันไปอย่างนั้นใช่ไหมแปลงฟันล้างหน้าทุกวันไปไม่ต้องกินอะไรเอทําแไปท ำ, นทำหน้าที่ไปต้องใช้วิธีแบบนั้นใช่ไหมครับพ่อใช่แเราสมาธิก็คือหยุดความคิดไงสมาธิคือเขตบล็อดความคิดถ้ามีความคิดก็เข้าไปได้พออยากมันเหมือนมันอยากอยากก็เป็นความคิดนล้อยากก็เป็นความคิดนะต้อง ครับเหนือจะไปพยายามแก้ตรงจุดนี้ครับอาจารย์นี่มีคำพูดใหม่นะสมาธิคือเพื่เก็ปล่อยความคิดก็จนคนที่สูบบุรี่พอเข้าไปบ้านเก็ดปล่อยบุหรี่นี่เข้าไปไม่ได้ถ้ามีบุหรี่เขาไม่ให้เข้าเห็นเห็นภาพชัดเจนเลยครับเข้าใจง่ายครับท่านขอบขอบขาวขอบคุณครับอาจารย์คุณดิตยาสงขาใช่ไหมหายหน้าไปนานเหมือนกัน นามัต ก, ก, การค่ะอาจารย์อหนูอยู่นราทิวาสค่ะนาราทิวาสค่ะช่วงช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ค่ะป้าอาจารย์ต้องติวติวหนังสือให้เด็กจะสอบเข้ามอตีแล้วค่ะช่วงนี้ก็เลยนามัตการสอพิเศษสามภาษาอังกฤษภ า, าษาอังกฤษวิทย์แล้วก็คณิตนะคะอก็อลเลยคิดว่าถ้าสมมุติได้ไปปฏิบัติก็คงช่วงแบบเด็กเด็กสอบเทสกาแบบว่าหลังปีใหม่หลังมกราค่ะแต่ว่าจะ หาเวลาไปเหมือนกันข่วพระอาจารย์ไดนะ้ดีว่างเวลาเข้าไปค่ะเมือ่ออมีคําถามนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์คือว่าเมื่อคืนเหมือนแจ็คพอดพอดีค่ะหนูกะว่าจะนอนแล้วค่ะแล้วก็แค่อยากจะพูดโทรก่อนนอนถ้านอนแล้วค่ะพระอาจารย์ปรากฏว่ามันวูบเข้าไปแล้วมันก็วางเลยอ่ะค่ะเออเลยมัน แบบว่าแจ็คปล่อยเขาไม่เคยเร็วขนาดนี้มาก่อนค่ะเลยใช่แล้วมันท่านอนมันไม่แน่นอนว่าที่จิตมันอยู่ในลักษณะที่มันปล่อยหมันวางมันไม่มันไม่มีความอยากอะไรมันก็เข้าได้ง่ายอ๋อค่ะคือหนูตอนนั้นหนูนอนอยู่ตอนแรกก็กังวลกับท่าแต่มันหาไกลไม่ได้อะค่ะมันก็ว่างๆแล้วก็เลยไม่จำการนอนอยู่ที่สติอยู่ที่สติถ้าไม่ได้นอนก็โอเคท่านอนก็ได้ค่ะแล้วก็ ประคองเขาไกลที่ว่างๆไปเรื่อยๆค่ะพอพอประคองเสร็จแล้วมันรู้สึกเฮ้ยชื่นใจแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าออกมาหนูก็เลยจะถามพระอาจารย์ค่ะว่าไอออาการที่แบบเฮ้อชื่นใจแล้วออกมาแบบนี้คืออยากรู้ว่าไอเวลาเข้าที่ว่างเรควบคุมให้มันออกมาได้ไหมคะหรือว่านี่หนูกําลังแบบไอเฮ้ยชื่นใจแล้วมันเลย <g it> แบบก็เกลียดไม่อยากจะออกมาก็เลยก็เลยก็เลยแก้ประคองแล้วพอแล้วแล้วอย่าไปเชื่อมันนะยังไม่พอไม่อยู่ต่อ อ๋อค่ะอาจารย์หนูก็เออเออชิน่จเออก็ก็ดีงั้นงั้ น, ง น, นอนแล้วกันแล้วก็หลับค่ะอันนี้นนคื อ, คนอกนเขาขี้เลอะอ๋อแต่แล้วโดนหลอกอะคะไดโดนหลอกแล้วคือแสดงว่าวคือถ้าคืนนี้เข้าไปเข้าไปนอนคงไม่น่าไม่น่าจะวูบแล้วค่ะอันั้นวูบโดยบังเอิญไม่ใช่ใค่ะคืนนี้<ด>นไป็อหวังว่าไม<ด>่เข้าอแล้วคืนนี้ไปเจาะเป็นเจาะนะ เราไม่รู้ไม่ชี้การทาสมาธิแต่ใ้เมันเข้าวนี้เราไม่รู้ไม่ชี้ทำได้ไม่รู้ไม่ชี้หนูก็จําอารมณ์เมื่อวานไม่ได้แล้วค่ะพระอาจารย์ว่ามันก็อยู่ที่สติอย่างมันก็อยู่ที่ใจตอนเ้าเราไม่ได้คิดอะไรใช่ค่ะอยากจะนอนแล้วก็อยากแบบว่าตอนนั้นดูยู u ูบแล้วรู้สึกคิดเยอะไม่อยากคิดแล้วก็พุดโธไปแล้วอยู่ๆก็ใช่ค่ะบางทีมันมีเหตุบางอย่างทําให้เราไม่คิดขึ้นมามันก็เลยทําให้เราเข้าสมาธิง่ายๆ ค่ะแล้วก็อีกคําถามค่ะพระอาจารย์คือถ้าอยู่อยู่หนูนอนแบบนั้นแล้ววกเข้าไปหนูควรแบบจะถอยแล้วกลับมานั่งใหม่ดีไหมคะหรือว่าเรื่อไม่ต้องไม่ต้องเรื่องท่าไม่สำคัญท่ามันเข้าไปแล้วอย่ไปเลืดึงมันออกมาต้องมันก็ไม่ยากให้มันอยู่ข้างในนานๆท่าไหนก็ได้ไม่เป็นไรถ้ามีสติก็ไม่หลับท่าไหนก็ได้อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองใหม่ค่ะพระอาจารย์ไม่รู้จะปุ๊กหรือเปล่าไม่ชอบหรอก พอใจมันจะไปจอ่อคิดถึงไอ้ตัวนั้นนะเมื่อไหร่จะเข้าก็ีว่าไอ้วันนี้ทำไมไม่เข้าเลยเดี๋ยวคิดปรุงแต่งโครงสร้างไปเรื่อยเร่อยส็จโดยค่ะงั้นก็เอาลองพูดโทรปล่อยไปเรื่อยๆเราพูดโทปล่อยเรื่อยๆเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ค่<ฮ>ะเหมือนถูกใจกขวานวันนี้นล้วพรุ่งนี้จะดูอีกครั้งมันไม่แน่ใจง่ายหรอ ได้ค่ะไม่มีคําถามแล้วค่ะพระอาจารย <Okay. S 2> ์คุณแม่เป็นยังไงคุณแม่สบายคุณแม่สบายดีคะ่ะคุณแม่อยู่ด้วยกันนะ อ, อยู่ด้วยกันหรือเปล่าอยู่อ๋อตอนนี้แม่แม่อยู่ที่ร้านค่ะยังอ่าแต่ว่าคุณจริงๆแบบที่หนูเข้ามาเนี่ยแม่ก็อยากจะฝากเอบอกว่าฝากความคิดถึงจะพูดภาษกหนูพูดไม่ถูกเหมือนกันคะ่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรภาษาคนค่ะโอเคสวั ค่ะ<ห>นะคือแบบที่เป็นทวิสาอยู่สวิตเซอร์แลนด์อันนี้หนาวมากเนี่ยเมื่อจากทิมาร์ลงใช้ไหมสวิตเซอร์แลนด์กรรมวัการค่ะพระอาจารย์หนาวค่ะพระอาจ า, ารย <c oughs> ์ค่ะก็ไม่มีค่ะพระอาจารย์เข้ามารับพลังค่ะเติมฐ่านค่ะถ่านอ่อนค่ะพระอาจารย์ความหนาวต้อเป็นทุกเวทนาแบบหนึ่งก็ถหัดอยู่กับมันไปนะไม่ต้องไปทุกข์กับมัน ค่ะค่ะพระอาจารย์ก็ใกล้ครูบาอาจารย์ก็รู้สึกได้พลังมากขึ้นค่ะ <c oughs> เรื่องหนุ่มเล้าก็รู้สึกดีขึ้นค่ะพระอาจารย์ถ้ได้ยินเสียงพระอาจารย์ก็ไม่เกี่ยวอะไรค่อาจารย์ใจเราอย่าไปยึดกับอะไรปล่อยให้มันมาแล้วมันไปไม่ต้องไปยึดกับมันค่ะพระอาจารย์แล้วกาา็พักคุณค่ะโอเค ไปได้คุนพรต์คุณป้านักการเมืองอาจารย์เจ้าค่ะคุณธนรออกไปรับลูกพอดีเลยอะค่ะ อ, อาจารย์เขามีฝากคําถามมาค่ะออพอดีวันนี้เถียงกันว่าจริงๆมันจําเป็นหรือต้องรู้เปล่าก็ไม่ทราบอะค่ะอาจารย์คือเอมันเถียงกันว่าสัญญากับสังขารนะอะไรเกิดขึ้นก่อนกัน อ, อมันไปด้วยกันนะมันไป มันสลับกันทํางานเนท่าซ้ายและท่าขวาอันไรนมันก่อนมันก็ทำกับวันไปอยู่เรื่อยๆสลับกันทําไปไม่ต้องไปสนใจอะไรมาก่อนมาหลังให้สนใจว่าไอ้ตัวตัวปัญหาก็คือมันมันไปสัญญามันคิดไปทางไหนถ้าคิดเป็นทางตายลักก็โอเคอืถ้าไปจำว่าเป็นตรงในข้าวว่าตายแล้วก็ถือว่าหลงนะผิดนะถ้าเห็นอะงรแล้วเพรา้ว่าเป็นเป็นงานที่จำเนี่ยใช้ได้ เห็นแล้วว่าเป็นทุกข์ก็ใช้ได้อืมถ้ามันยังได้เป็นทุกข์ทังคางก็ปรุงแต่งไม่อยากได้ไม่เอาดีกว่าอืมแต่ถ้าไปปรุงแต่งว่าถ้าไปเห็นว่ามันดีก็อยากได้ขึ้นมาสั้งคมางก็ปรุงอยากได้ก็เป็นกิเลสขึ้นมาอืเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์หมายถึงว่าเออ่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยให้เราคิดเป็นธรรมขึ้นมาถูกไหมคะอาจารย์ใช่เห็นอะไรง่ายเป็นธรรมในบทค่ะ พระอาจารย์แล้วก็อีกอันหนึ่งเพื่อนก็ไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยปลาก็เหมือนเฉยเฉยรู้สึกเฉยเฉยอะค่ะพระอาจารย์เฉยๆไม่ได้รู้สึกสนุกกับการไปเที่ยวอะค่ะแล้วทีนี้ก็เลยมานั่งคิดว่าเพราะว่าเราเฉยเฉยกับการไปเที่ยวเราเลยไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วถ้าเราไปจริงๆเนี่ยมันจะเหมือนแบบเอ๊ะมันจะมีกิเลสที่เราแบบนอนเนื่องอยู่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่าเราควรจะทดลองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ออมันเป็นอบายขคิดเลรวเราให้ไปทำได้ <laughs> นเรอย่าไปอยไปฟังมันดูดูด ก, าการก็ะทำของเราพอถ้าเราไปทำมัไปแสดงว่าไปแล้วถ้าไม่ไปก็ต้องไม่ไปนะโอเออโอโดนดนแบบดดอบหลอกโดนหลอกโดนหลอกหลอกให้เราว่าไปแบบเราไม่มีอารมณไปอั<ต>ันไม่มีอารงณ็ไปทาไมนะ เหมือเหมือนนอนหลับแล้วพอไปต้อง ส, สอบดูสอบจริงๆโดนหล อ, อกออนอนหลับถ้สาสอบจริงก็นําไมไปเลยเออสอบงี้ก็สอบตกเป็นยังไ ง, ไ ป, ง, ไ, งไปก็สอบตกก็เลยแล้วมันจะไปด้วยเหตุผลคนไข้เราตกครั้งนึงน อ, อยังไม่ดบังคับนอกจากก็อกจากจาก็ลากาลาไปนะที่เราไม่อยากจะไปอยนะั้นอันนี้ก็เป็นอเรื่องส่วนวิสัย อันนั้นนะถึงจะ <Okay. S 1> ถึงจะพูดได้ว่าเราไปแบบไม่มีอารมณ์ไปแต่ถูกเขาลากไปเอาปืนมาจ่ออยเงี้ยไม่ไปจะยิงอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปไม่ใช่มานั่นคิดของเราเอง <c oughs> จบค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีคำถามอื่นแล้วจ้ะโอเคนะโ <Okay. S 1> <c oughs> อเคสวัสดีเจ้าค่ะรัศ ก, กาจเจ้าค่ะ <c oughs> คุณมาิการ์ได้ นาราที่ว่าเหมือนกันคุณาวิก า, ากับนักสัศการ์เจ้าขาพระอาจารย์วันนี้มาร่วมฟังคำข่งพระอาจารย์แล้วก็ถาบพระอาจารย์ค่ะสาธุนะ<า>คุณปุ้ยหายไปนานนับสมบับหายเ ป, เป็นเดือนแล้วเนี่ย ไม่ได้หายไปไหนคะ่ะกลับกลับมาศการเจ้าค้าพอ า, ารย์เออบางทีก็ฟังแล้วก็มีอยู่สองนจะเข้าไปแต่เข้าไม่ได้คนเต็มคะ่ะก็ถามถามคุณหลาคุณหลาบอกอ๋อน้องคนเต็มอ่อก็เลยนั่งฟังเอาข้างนอกแล้วพอดีว่าช่วงสองสัปดาห์ที่แล้วคือยุ่งมากและช่วงเปลี่ยนบอสด้วยคะ่ะแต่ว่า โยมก็จะมารายงานว่าโยมก็ยังเป็นคนดีสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างที่พระอาจารย์สอนสั่งสอนไว้โยมเข้าใจคำว่าอาโหสิกรรมแล้วค่ะและ้วยมก็สวบดบทอโหสิกรรมให้กับพวกที่มันมาโกงเรามันอะไรเราและใจมันสบายขึ้นไม่ไ้องสวดให้เขาเหรอสวดให้เราสวดให้เราใช่สวดให้เราสวดให้เราค่ะแต่เร า, เราเอาราโหสิกรรมให้เขา S <S เขาทำอะไร <S <S <S เราก็โหดิกรรมให้เขาเออแต่โยมเนี่ยนะรู้สึกว่ามันช่วงนี้มันฮอลิเดตแต่ทีนี้พอโยมจะลุกขึ้นมาถือศีลแปดโยมก็รู้สึกร่างกายมันขี้เกียจอะมันเหมือนมีตัวขี้เกียจแต่ว่าโยมก็เออสวดมนต์ทบอาเราตื่นสายเราก็ต้องสวสดทบอาอะไรเงี้ยเออโยมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเราเนี่ย เอออยากจะถือสินแปดแล้วเราไปทํางานด้วยแล้วเรามีความจําเป็นต้องแต่งหน้านี่มันจะเป็นสินแปดไหมคะท่านอาจารย์กาเป็นสินเจ็ดก็แล้วกันถือมันถป็ น, นสินเจก็เป็นสินเจ็ดเอาค่ะก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าถือสีนห้าได้ได้สองคอบมากกว่าสินห้าใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าโยมโยมคิดว่าทานข้าวมื้อเดียวโยมทาได้ไม่ทานตอนเย็นโยมทําได้แล้วก็เออ ยังไม่พูดปดไม่ขโมยไม่อะไรไม่ฆ่าสัตว์ยมก็ทําได้เพราะยมกินกินมังสวิรัตกินเจ อ, อยู่เนี่ยมก็เลยบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวลองมาถามพระอาจารย์ที่เผื่อว่าปีหน้าจะเป็นปีทองเพราะเราจะได้เล่งบารมีเออและอีกอย่างหนึ่งมันจะเป็นการดีแต่ว่าการจะอยู่กับโลกมนุษย์อ่ะการต้องทํางานทําอะไรอย่างนี้หน้าตามันเป็นสิ่งสําคัญกับพระอาจารย์อว่า โดยเวลาก็ก็ไม่ได้เป็นข้อเสียหายนั่งมาเท่าไหร่ถ้าเราทำเพราะความจําเป็นไม่ได้ทำเพราะอยากสวยอยากงามก็แล้วถูกต้องค่ะเพราะว่าเราต้องอยู่ในสังคมเราต้องทํามาหากินเป็นเหมือนเราไปเล่นละครเนื่องละครก็ต้องให้เราแต่งหน้าแต่งชุดใช่ไหมใช่อันนี้ก็เหมือเวลาเราออกไปในข้างนอกก็เหมือนไปเล่นละครถูกต้องค่ะแต่ทําทําว่ายมกับมาม่ายมก็ถือสินเหมือนเดิมยมก็นุ่งขาวใส่ขาวยมก็แล้ว ยมถึงถึงถึงจะออกไปข้างนอกยมก็ระวังในการพูดจาเพราะว่าเราเพราะเราม่เราไม่ใช่คนยิงแต่ว่าเราพูดเฉพาะสิ่งที่เราควรจะพูดเราพูดกับลูกค้าแต่ว่าเราจะใช้จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าในการบอกว่าเอภาวนาเพราะบางคนเขาจะเห็นว่าเอ้ยยูยิ่งจังเลยแบบท่านไม่สนใจอ่ะอยู่คิดยังไงก็ช่างเขาไม่เข้าใจเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าคนปฏิบัติที่ไม่ชอบคุยกใคร ใช่เพราะเราไม่เราไม่รู้สึกจะคุยแล้วเรารู้สึกเลอะแล้วบางทีมันก็จำเป็นมันเราเข้าสังคมที่เขาไม่รู้เราก็ต้องเราก็ต้องเล่นละครนั่งคุยกัเขามากจะนั้นไม่เป็นไปไม่ถ้อค่ะใช่เํามันคือโยมรู้สึกแบบมองออกแล้วมันเหมือนกับว่าเราดูในกระจกแล้วคนเนี่ยคือมันมีแต่สิ่งหลอกลวงกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนฝรั่งคนไทยเนี่ยแบบยอมมองออก โยมก็เลยเตรียมเตรียมเขาเรียกว่าเหมือนกับที่พระอาจารย์พูดแต่ว่าโยมพูดภาษาเราพูดโยมพูดภาษ า, าพากไม่เป็นคือเตรียมตัวตายอะว่างั้นถือว่าเ อ, อสร้างบุญสร้างบา ร, รมีคือโยมไม่อยากเกิดแล้วคดีอันนี้แล้วทนะําอย่างเยแต่แต่เวลาเข้ายังต้องเข้าสังคมอนู่ก็ต้องทําตามขนกติกาของสังคมด้วยถูกต้องค่ะอีก แต่ว่าเราก็ระวังตัวไม่ให้เราตัวเราเพเจร์ไปอย่างเงี้ยแต่เึงเรื่องจะไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ไปสนุกสนานคือยมไม่มีแล้วเรื่องอย่างนั้นคือองคดิ่งก็กลับบ้านมานั่งสร้างบารมีเอาเพราะว่าเรารู้สึกความผูกตรงจุดนี้แล้วค่ะอ่าุกท่านทำได้มากมากนะใช่เพราะว่าเวลายมจะขี้เกียจยมก็นึกถึงหน้าพภาจายนนะขี้เกียจเลยนะยังไงอยังไม่ขี้เกียจนะ ลูก <c oughs> ชายยมก็มาตามถือศีลเขาก็เขาก็มาตามกินกิน <c oughs> อะไรมังสวิรัสอาา่ะฮะเออแล้วเขาก็เขาก็ฟังนะ เ, เขาเขาเขฟังภาษาไทยออกไม่หมดเต่เขาก็ฟัง <c oughs> เขาอย่างเวลาเราสวดมนต์เนี้ยเขาก็จะฟังเขาก็บอกว่าเอ้ยอยู่สวดมนต์เราเออเราลี่อยู่สวดเออส เ, ออ ส, เออสียงมันมันเสียงดีนะมันจับใจอะไรอย่างนี้เขาก็แปงให้เราฟังเนะอืมแต่เขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าเราสวดอะไรค่ะ ก็รัชงชวนเข้ามาสวนกับเราไปได้วยวนด้วยกันโอ้เคยมึงทักไปแล้วอะ่ะเคยตอนไปเมืองไทยเขาที่แล้วบอกไปไปๆปไเดี๋ยวฉันจะพาอยู่อ่ะนะไปทำอะไรหลอกอ่ะหลอกเขาไปอะ่ะรู้สึกจะบาป ด, ด้วยอบอกผมไปถึงหน้าวัดบอกไอ้จับเปลี่ยนเครื่องแึ่งตัวเสร็จเลยไอ่ชุดสีขาวบออยู่ไปนั่งยืนไปนั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายอะ่ะบอ oh, โอ้ยนั่งจนปวดหลัง อืมแต่ว่าเขาเขาก็โอเคเขาก็ไม่อืเป็นค่อนข้างจะดีว่าไม่บ่นมากออออก็ได้เีลาการสอนเ้าในสิ่งที่ดีถ้าว่าทําได้ก็ดีเขาทําไม่ได้เขาไม่ต้องไปเสียใจเขไม่ต้องไปบังคับเขาใช่โยมก็บอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งโยมอยูก็ยูจะเข้าใจเองว่าการทําสมาธิเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเอ่อถ้าคนเรา ปัญญามันมีเท่ากันหัวสมองมันมีเท่ากันแต่ว่าถ้ามีสมาธิแล้วปัญญามันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะเรามีสติมากขึ้นเราจะคิดมากขึ้นเราจะนึกมากขึ้นแล้วเราจะเราเจะแบบว่าเมื่อก่อนเนี้ยโยมเป็นคนที่ขุ่นผันใจร้อนและตั้งแต่โยมมาเจอพระอาจารย์น่ยโยมใจเย็นแล้วรู้จุดว่าจะคิดก่อนพูดจะไม่พูดก่อนคิดคือเป็นสิ่งที่โยมต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะโอเคค่นะเออ ขอพนะรนพระอาจารย์ขอพรหน่อยสิค่ะร้อยสุขให้เจริญให้ร่ำให้รวยสวยไม่สับ้านมานุษย์รวยนะขอบพระคุณเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงและมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์อือยู่เป็นถึงร้อยปีเลยนะพระอาจารย์ขอได้เปล่าขอได้จริงจริงเปล่าขอได้ดีนะ ผมขอไม่ได้ได้สิอาจารย์ขอบขอบคุณกันสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะจะาแล้วทุกจ้านะโมตานะโมสมรสการครับอาจารย์วันนี้มาเข้าส nah ู่ครั้งสุดท้ายของปีครับผมครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าเข้าใหม่ครับอาจารย์วันนี้ว่าส่งกันบ้านครับมา จ ร, ริงวันนี้จะชวนคุณยายเข้ามาด้วยก็เสียเวลาไปนานพอสมควรครับอาจารย์กับการเกลี้ย ก, กล่องคุณยายให้มาครั้งสุดท้ายแล้วว่าอ่คุณยายก็ยังไม่มาครับคุณยายบอกอยากเจอพระอาจารย์แบบไปที่วัดยานเลยดี ก, กว่าก็ตาม ใ, ใจกร็ตามใจคุณยายอย่าไปอย่าไปมีเรื่องของคุณยายชวนแล้วก็พอคุณยายจะเอาก็เอ า, เอ า, เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไร อาจารย์ก็พยายามทำนามที่อาจารย์สั่งนะก็คือไม่บังคับครับอยากวันไหนอยากมาก็มาวันไหนไม่อยากมาก็ปล่อยเขาไปปัญญาไม่ใช่เด็กนะปัญญาอย่างเราเยอะๆอาจารย์ก็อ่าช่วงนี้ก็ฝึกทั้งเรื่องของคงกระดูกแล้วก็เรื่องของการเจริญสติครับอาจารย์เจริญสติก่อนหน้านี้ก็จะพยายาม ที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงครับอาจารย์แต่ว่าหลังๆพอไม่เริ่มแบบว่าผ่างไปสักระยะมันจะเริ่มเลื่อนก็คือมันจะเริ่มปฏิบัติน้อยลงน้อยลงก็พยายามฟืนฟ้นฟู ก, กำลังด้วยการฟังธรรมหรือเข้าไปฟังพ่อแม่ครัวอาจารย์เทศอย่างเงี้ยครับก็จะฮึกเหิมขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติต่ออย่างเงี้ยครับอาจารย์ใช่ต้องค อ, อยฟังธรรมอบ่อย เปนเหนกระเติมน้มันต้นเนี่ยถ้าไม่เติมเนี่ยน้มันหมดมันวิ่งไม่ได้ลองทําแต่ละครั้งมันทําให้เกิดมีศรัทาธามีวิริยะขึ้นมามีกํำลังใจอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ต้องเปลี่ยนครับอาจารย์เพราะว่าพอปฏิบัติไปเรื่อยๆอ่ามันกลับกลายเป็นว่าพุทโธเนี้ยครับอาจารย์มันบางทีพอนั่งสมาธิไป น, นานๆแล้วพุทโธพุทโธคราวนี้มันจะเริ่ม เบื่อค่ะอาจารย์เนาะมันก็จะไปเรื่อยเลยมันก็จะเริ่มคิดนู่นคิดนี่การชั้นที่สองมั่งก็ได้แล้วเบื่อต้องเปลี่ยนนะครับชัที่สองเดี๋ยวตอนนี้ก็ลองเปลี่ยนเป็นอ่าอนาปานสติครับอาจารย์ถ้าสมมติว่านั้นนี่กําลังพอที่จะต้านกับความคิดได้แต่ถ้าไม่พอจริงจริก็ต้องอ่าใช้อ่าสวดอิติปิโสเอาครับอาจารย์มันจะยาวกว่าแล้วมันจะทํำให ทหมันไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกเลยดันถ้าคำเดียวมันรู้สึกเลนดันมันเบื่อมันแคบนี่สวนนดกนได้นื้อหันมาท่องคาถาที่สองดูบ้างก็นะผขขเล็บปันนันเนื่อเอนกระดูกเยี่อในกะนัะดูกมหัวใจตับพังปื้ดตาย่อนพปอยู่ในตัวเราแต่ไม่รู้จักชื่อวัาอะไ ร, ไรใช่ไหมครับอาจารย์บางทีก็ ถ้าสมมุติว่าพุทโธอนาภาณสติเอาไม่อยู <c oughs> ่แล้วก็อิติวิโสเอาไม่อยู่ก็จะเป็นเกษารมาคาทันตาตะเจ้าครับอาาทำเป็นภาษาไทยได้ยันดีครับภาษาไทยมันชัดเจนปะผมคนเล็กฟันหนักใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็พยายามฝึกทำตามมงคลสามสอ่ามิบแปสามแปดครับอาจารย์ดี อันนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นแผนที่ที่ดีสำหรับคนที่ต้องการไปนิพพานศึกษามงคล3ามสแปด้าสิบแปดขั้นบันไดสูพ่พนิพพานะนะโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เวลามีอารมณ์โกรธหรือว่างุดหิดหรือไม่พอใจมันก็จะเห็นเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนบอาจารย์อย่ตไมได้หรอยู่ อ, ยอ่า มันจะดับได้เร็วครับแล้วเราก็จะการเกิดดับอยู่บ่อยๆทั้งวันนะครับพยายามอย่ยให้มันเกิดเลยหาสาเหตุของการเกิดเกิดเพาความอยากขาไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธด้นอย่าไปอยากอัดยินดีทำมีทาเกิดแล้วจะไม่โกรธง่ายหาง่ายง่ายง่ายจะให้ทําอะไรก็ได้นจะให้จินอะไรก็ได้ไม่ต้องไปจู้จี้กับแม่แม่ผมอยากกินนู่นอยากกินนี่ เดี๋ยวพอแม่ไม่ทำให้ก็โกรธแม่ <c oughs> ครับอาจารย์จะต้องขโมยชื่อ <c oughs> คุณได้ยินดีไปใช้ยินดีตามมีตามเกิดนะ <c oughs> ผมได้ชื่อใหม่ีใหม่แล้วครับอาจารย์อขอบคุณสําหรับชื่อใหม่ครับพร ะ, ะอาจารย์ครับสันโดษชื่อใหม่ชื่อสันโดษโอเคครับพระอาจารย์ชื่อใหม่สันโดษครับยินดีตามมีตามเกิดทื่มาสันโดษครับผมเอาแล้ไม่โกรธง่ายครับ ชื่อชื่อจริงเอายินดีตามมีตามเกิดแล้วก็ชื่อเล่นเอาสันโดษครับพัชฌาครับครับว่าคุณจะรับชื่อใหม่ในวันปีใหม่ครับอ พ, okay, พัชฌาครับพัชฌาครับาอ่คุณมาลีตอบคุณมาลีมือาการก็ทำร้องค่ะหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อครับจริงๆวันนี้หนูก็ไม่ไี้มีคําถามเพียงแต่ว่าตอนเนี้สภาวะที่หนู ปฏิบัติอยู่มันมันเหมือนมันเข้ามันไม่เหมือนนะคะมันมันเข้าสมาธิต้องกอนเวลาค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะทําอะไรนะคะมันจะดึงรวมเป็นเข้าเข้าตลอดแล้วเหมือนเหมือนความคิดหนูมันถูกถูกคอบถูกล็อกคือมันจะไม่ไปคิดออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยมันก็จะสงบมันจะนิ่งมันจะเป็นแบบตลอดเวลาเน้ยค่ะได้วดีนะกำลังวิสติมันมากมันก็จะเป็นอย่างเงี้ แล้วแล้ววันเนี้ยคือหนูออกไปที่แบงก์ไปไปทําเกี่ยวกับเรื่องเช็คไปยืนกับเจ้าหน้าที่อยู่อยู่มันดึงวุบเข้าไปเลยคือยืนยืนนิ่งคือรู้รตัวมีสติทุกอย่างแต่ว่ามันมันดึงดึงเข้าไปแม้กระทั่งตอนเรายืนอย่างนี้ค่ะหนูเพหนูก็เลยจะถามว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดหรือเปล่าคะแล้วแล้วสิ่งที่หนูควรจะก็ดูไปดูไปเรื่อยๆครอาจารย เราเป็นคนดูว่าดูไปเก็บสถิติไปไม่ต้องไปกังวลแต็ก็เป็นข้อสำคัญขอให้เรารู้สึกตัวต่าเรากำลังเป็นอะไรก็ยัง<ด>สามารถทําอะไรต่อได้ดี้าเกิดทาธุรกรรมอยู่แล้วมันเป็นเราก็ทําธุรกรรมของเราต่อไปทาทําได้ปกติค่ะแตนน่ว่าอารมณ์จดึงในเดิมใจเราไม่มีอารมณ์ในการทำํำมันใช้เฉยๆ เ, ยเป็นนิยมกิริยาเละ แล้วแล้วความชิดหนูว่ามันเหมือนมันเหมือนกับตัวหิ่งห้อยที่ถูกคอบอยู่ในในในที่ล็อกเพียงแค่หลวงพ่อมันจะ้สะติมันคงไว้อยู่ยดีแล้วสิ่งสิ่งที่หลวงพ่อสอนบอกว่าเวลานั่งสมาธิเรานึกอยากจะนั่งตอนไหนเมื่อไหร่ก็ได้คือนาทีนี้มันมันไม่ต้องนึกแล้วค่ะหลวงพ่อแค่ มันก็เกิดแบบแบบนี้ค่ะใช่ตนโนาั่นแหละเป็นแบบตอนนบานนั่นแหลฝึกมาช้านานละว่าว่าสารมันต้มมันก็เข้าที่ไหมใช่ค่ะมันยังไม่มบางทียังยังไม่ทันจะแบบถึงหนึ่งนาทีสองนาทีมันมันไปแล้วค่ะแล้วอย่างอยก่อนที่หนูจะมาเข้าสูเนี้หนูก็นั่งประมาณทุ่มหนึ่งหนูกล่าว่าเดี๋ยวจะนั่งสักแป๊บหนึ่งก็กังวลว่าเดี๋ยวมันจะเลยเวลาของพ่อก็ออกมาสองทุ่มกว่านี้ค่ะ มันก็คือคือยาวคือถ้าถ้าไม่มีอะไรกังวลเนี่ยก็คือก็จะยาวไปอย่านะค่ะหลวงพ่อคือไม่ได้ไปไปฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยะค่ะหลวงพ่อแล้วทีเนี้ยสิ่งที่ควรจะต้องทําต่อไปะะอ่ะค่ะหลวงพ่อก็เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็พิจารณาทางปัญญาบ้างก็ได้ตอนนี้พิจารณาบ้างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรเป็นของเรา ไม่มีอะไรอยู่ภายใต้การควบคุมของทับของเราค่ะแล้วหนูมองเห็นสิ่งที่มันรอบตัวหนูว่ามันมันเหมือนมันไม่คงที่มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเหมือนเหมือนแปลสภาพไปเรื่อยๆนะใช่มันไม่เที่ยงอันนี้จังเลยค่ะแล้วเราไปเราก็ไปควบคุมมันเข้มมันไม่ได้มันก็เปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันค่ะแล้วแล้วนี่หนูมาดูภาพที่เผาศพ สดๆนะคะหลวพ่อเขาเขาเอาศพไว้ในโรงแล้วก็เอาฟืนเอาเอาเอาเอาเอาไม้ค่ะวางแล้วพอพอไฟมันเผาเผาลงออกไปอหนูหนูเห็นแขนของของของศพอะมันขึ้นมาแล้วก็สมองอะไรเนี้ยหนูก็มองแล้วมันก็จิตมันก็นึกว่าต่อไปอะ ทุกคนก็ต้องเป็นเป็นแบบนี้ถึง น, นึกถึงตัวเองว่าพอเราตายอะ่ะเราเราถูกอยเผาก็ต้องเป็นเป็นแบบนี้แบบนี้มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอมันเป็ น, นมันไม่รู้ว่ามันไม่มีใครเป็นเจ้าของใจผู้เป็นเจ้าของไม่ได้อยู่ประศ บ, บแล้วจศพมันก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนเฟยนิดหนึ่งค่ะแ ล, แล้วพอเสร็จมันเหมือนมันก็หายไปมันก็ไม่มีไม่มีอะไรโล่ง<ม>ๆไปอย่างเงี้ย อ่าใช่เพราะเผาทันงหมดรา่รางกายมันข้เท่าแบบมันก็ว่าใจมันก็ว่างค่ะคืออย่างเงี้ยหนูก็ต้องพยายามมาดูทางปัญญาเออ<ช>ดูท า, ทางปัญญาแั้วต่อไปร่างกายขอเงเราทุกคนก็เป็นอย่างนี้ละกับเกินสูญสภาพเดิมกับเกินสวญ ด, ดีนน้ำลงไปเพราะวันนี้หนูก็รายงานหลวงพ่อประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นี้ยหนูหนูจะไป ไปวัดป่าที่ทางโคราชนะคะหลวงพ่อเออเดไปอยู่สี่วันเนี่ยหยุดสี่วันใชน่ไหนีปไปไปวันศุกร์วันที่สามสิบใ่ไคะแล้วก็กลับมาวันที่สองค่ะหลวงพ่ออ่าห้าวันข้ามข้ามไปเลยค่ะนี่นน อ, อ่ไป อ, อ่าถ้าเราํานาญสมาธิแล้วที่เราเวลาไม่ได้เข้าสมาธิก็คิดทางปัญญาไนดะ้นถึงสร้างศพกึงอสุภะก็ได้ กินได้ดีคนะขอบคุณหอค่ะลาที่คุณสภาพจ่ดอรลัเท็กซัสกราบน้ามาสการต่อาจารย์ทจ้าค่ะวันนี้ลูกอยู่ไวโอมิงเจ้าค่ะ ไปเวียดเชนนะไออสเตเลีอ่าค่ะมาอสามีมาเยี่ยมคุณแม่ค่ะคุณแม่กับคุณพ่อค่ะคุณพ่ออยู่โคโลราโดส่วนคุณแม่อยู่ไวโอมิงเจ้าค่ะแล้วมากเลยนะวันที่พายุเข้าลบสามสิบเจ็ดเค่ะไปวันเกิดคุณพคือคือมาถึง่อดแล้วทํางานวันพุธเจ้าค่ะพายุเข้าตอนไปโคโลราโดไปเยี่ยมคุณพ่อ คุณพ่อ92อยู่อพาร์ตเมนต์ค่ะอยู่อพาร์ตเมนต์คนชะลาเจ้าค่ะเซียเนี่ยปัสสิเนียฮาวซิงอะต่อไป่อไปแล้วขาจะไปอยู่อย่างนั้นเหมือนกันอยู่วัดดีกว่าเพมอยู่อพาร์ตเมนต์เพระเจ้าแม่อยู่เดแกแล้วก็แม่อยู่แล้ววัดสาธุเจ้าค่ะ เจ้าค่ะก็ก็เจ้าค่ะก็ก็เป็นครั้งแรกที่ออกจากบ้านมานานหมายถึงว่าออกจากบ้านสามปีเจ้าค่ะก็เดินทางมาที่ไหมคะอนนี้ยังอยู่เมืองอยู่เมืองอะไรนะคอยู่เมืองคาร์เพนเตอร์เจ้าค่ะเป็นเมืองเล็กมากเล็กมากๆคนน้อยมากแทบจะไม่ไม่มีอะไรเป็นบ้านฟาร์มอ่ะเจ้าค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นรัฐแบบตะวันตกแท้ๆเลยนะเป็นแบบเมืองขวอยเลยนะรัฐของขวอย เจ้าค่ะก็เป็นบ้านฟาร์มเล็กๆอยู่ที่นี่ยเจ้าค่ะ<ม>ก็ก็ดีดีอ่ะเจ้าค่ะก็จากการฝึกจากอะไรเราก็คือไม่ได้พุดโทรเจ้าค่ะเพราะว่ากิจกรรมเยอะนิดนึงแต่ว่าพยายามรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้เครื่องมือที่พระพุทธเจ้าแล้วก็พระอาจารย์สั่งสอนตลอดอ่ะเจ้าค่ะ<ม>ก็ก็รู้สึกดีอ่ะเจ้าค่ะที่เรา ที่เรามีเครื่องมือไว้ในใจตลอดมีอะไรกด็ดึงออกมามีอะไรกด็ดึงออกมาตามตามการนะเจ้าค่ะอย่าไปปุ้มแตกมากกินไปอย่าไปปุ้มแตกตาม ก, การเด็ดต่มรู้เฉยๆนเจ้าค่ะเจ้าค่ะมีอยู่คืนหนึ่งค่ะเอ่อถ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ ไ, ได้คําสอนของพระอาจารย์ลูกก็คงคิดว่าผีเอามาเจ้าค่ะแต่ว่าแต่ว่าเพราะว่าเพราะว่าคําสอนของพระอาจารย์ก็เลยรู้ว่าเป็นการทํางานของจิตก็เลย ก็เลยอยู่กับบทสวดมนต์ก็ก็รู้ว่าจิตมันทํางานของมันกับอะไรของมันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยเจ้าค่ะทันกับความปรุงแต่งของของจิตมากขึ้นน่ะเจ้าค่ะแล้วค่ะก็มีความความมีความสุขรู้สึกใจมีความสุขกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีเครื่องมือคือคือคือเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้เก่งแต่ว่ารู้ว่าควรจะทําอะไรเท่านั้นนะเจ้าค่ะเพราะว่ารู้ว่าเรา เช่าเจ้าค่ะรู้แค่ว่าเออเราจะต้องทํายังไงแค่นั้นเจ้าค่ะแต่โตยังไม่รู้ใช่ไหมรู้ใช่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ตัวเดี๋ยววันเสาร์นี้กลับบ้านเจ้าค่ะกลับเท็กซัสเจ้าเสาร์พุทธน้าคงได้อยู่เท็กซัสแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะคิดถึงพระอาจารย์เจ้าไม่ต้องพเอ่อพูดที่แล้วไม่ได้ก่อนพที่แล้ว ไม่ได้เข้าเจ้าค่ะไปโครโนไปงานเจ้เเาค่ะไปวันเกิดคุณพ่อเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะกูเน่งตะมูเน่งยาพัทยากรรมนศกรรมค่ะอาจารย์ได้ยินชัดไหมคะชัดเจนเลยเสียงดังเลยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะได้ไปองานศพนะคะของของญาติค่ะ ก็อย่างอายุไม่ไม่ได้มากก็สี่สิบหกปีตายด้วยโรคมะเร็งลำไส้แต่คือที่จริงเขาก็ทำชีโมนะคะชงสามรอบก็ไม่ได้คิดว่าอาจจะตายเร็วขนาดนี้ที่นี้มีประเด็นอยู่ว่าเหมือนเขาเป็นลมอยู่ในห้องน้ำนะคะแล้วก็นั่งทิงขนาั ง, งาตายไม่มีใครรู้หายอยู่บ้านคนเดียวนะคะอยู่บ้านของป้าเขา ก็ได้ไปงัดลอกมาวันนี้ก็ได้เผาไปเรียบร้อยทีนี้มีประเด็นหนึ่งค่ะที่พอาจารย์เอ่อได้คือคื อ, คอตัวเองได้เห็นนะคะมีมีการถกเถียงกันเกิดขึ้นก็คือว่าเงินป้าเจ้าของบ้านน่ะเขาไม่อยากเอารูปนะคะไปเก็บไว้ในบ้านเขาบอกว่าคนตายเูาตายไปแล้วอันนี้อันนี้หนูเข้าใจนะคะในทางอพุธก็คือว่าไม่ต้องยึดติดนะเป็นสิ่งที่ดีแต่อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็น เป็นพ่อนะคะก็คือเป็นเป็นน้องของป้านะคะอะ่ก็อยากจะให้อยู่สักร้อยวันเดี๋ยว g ็จะทาการเชิญวิญญาณหรืออะไรนี้แหละคะ่ะออกไปเราก็เลยอยู่เงียบๆแต่คือป้าเขาเน่ยไม่ยอมเขาบอกว่าตายไปแล้วก็ตายไปเอาออไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือในส่วนของหนูก็คิดว่าเขาก็คงอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแต่หลายๆคนเป็นความเชื่อหรืออะไรก็ก็แล้วแต่ก็เถียงกันบอกว่าเอา วิญญาณเขายังไม่ได้ไปไหนเลยจะต้องไปทําการเชิญก่อนเอาภาพไปก่อนแต่ในใจเราก็แค่ได้คิดนะคะว่าจริงๆแล้วไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ตรงไหนหรืออะไรนะคะ ก, ก็เข้าใจว่าคนที่ตายไปแล้วเขาก็คงจะไปตามบุญหรือว่ากรรมที่เขาได้สร้างตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เหมือนอย่างเราหนูหนูเข้าใจถูกใช่ไหมคะพระอาจารย์ใ่เขาไม่ได้ อ, อยู่ในโลกนี้แล้วเาอยู่ในโลกที่ ค่ะไม่เชิญนายมาก็ไม่มาหรอกค่ะใช่ค่ะหลวพยายามบอกว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นหนูคิดถึงคําพวกพระอาจารย์เขาก็คงไม่ได้รับใช่ไหมครับอาจารย์ก็ถูกบุญบาปดึงไปแล้วค่ะเขาถูกค่ะเขาถูกบุญบาปดึงไปแล้วอันารยมีกําลังมากกว่าก็าดึงไปแล้วค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วนี่เป็นความเชื่อแล้วก็มาถกะมาเถียงคำเรื่องของความเชื่อมันไปนี่ผิดทั้งคู่เลิกเถียงกันดีกว่าเขายากนายก็เอาไป ใช่ค่ะหนูก็เลืมรักอย่าจะเก็บก็เก็บอยากจะผะอย่าจะเอาไปทิ้งกาไปทิ้งมนจบนะครค่ะค่ะพ้าอาจารย์หนูก็คือกลายเป็นว่ามาทะเลาะกันมาทะเลานผิดทั้งคู่ค่ะหนูหนูก็เลยแบบเออตัวคนที่เป็นๆนี่เองมายึดติดค่ะแต่ที่จริงตัวคนตายเขาไม่ได้ยึดติดเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรานะล้วใช่ค่ะเขาทำไมเขาไม่ว่าเขาไม่เขาไม่รับรู้แล้วเหมือนคนนอนหลับเขาไม่รู้แล้วเราทําอะไรกัน ค่ะอาจารย์หนูก็คิดอย่างนั้นแหละค่ะทีนี้เราก็เฉยๆไว้เพราะว่าอไม่รู้จะเถียงไปทําไมอะค่ะอาจารย์เราเป็นผู้ใหญ่ก็ปล่อยให้เด็กมันทะเลาะกันไปนะครับคนรู้ก็เป็นผู้ใหญ่คนไม่รู้ก็เป็นเด็กค่ะก็เลยแบบอ่ายิ้มๆอะไยังไงก็เอากันไปอย่าทะเลาะกันเลยค้าแต่อย่าทะเลาะกันหนูกคั่นไ้บอกน้ว่าก่าเขาก็เชิญตามบอกว่านั้นเอาอย่างนี้นะคะให้ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดะจุดตรงนี้ดีกว่า ค่ะก็ก็บอกกับน้าว่าอาถ้าใครทําก็คือคนนั้นนได้นะคะเป็นบุญอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ได้พูดแค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอเขาก็บอกอะ๋อเอาอย่างนั้นเหนอใช่ค่ะเพราะว่าเถียงกันไปเขาก็ไม่รับรู้แต่กลายเป็นว่าตัวคนที่ยังเป็นเป็นของเรานี่แหละนะคะที่มายึดมาเหนียวมาเกาะมาอะไรอันนี้เขาก็ไปไหนของเขาก็ไม่รู้ละค่ะหนูก็เลยว่าอย่างเงี้ย ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นบ้านของป้าเขาก็ให้เขามีในในเรื่องของการตัดสินใจใช่ไหมครับป้าจารย์เขายังไม่เอเขาเขปล่อยเข้าไปเป็นบ้านของเขาเป็นบ้านของเขาเป็นทรัพย์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยพูดอย่างเงี้ยแล้วก็เออเขาก็มองหน้าแล้วก็เงียบไปหนูก็เลยเงียบไปค่ะก็เฉยเแล้วนะก็เหมือนนึกได้แกว่าเออจริงด้วยเนาะไม่ค่ะทําหน้าที่ให้ดีสุดพ่อตอนนี้น่ะใกล้จะเสร็จแล้วหนูก็เลยว่าอย่างงี้ยแล้วค่ะป้าจายมไม่ไม่ ค่ะไม่รู้ค่ะหนูก็คิดว่ามาบ้านมาทะเลาะกันอย่างไม่เรื่องไม่รศาลาะไม่รู้ด้วยกันทั้งคู่ใช่ค่ะพ่อจานเดิมก็คิดว่าอะไรควรไม่ควรบ้านหนึ่งของใครให้จับของบ้านก็นตัดสิงนงานร่างกันก็นจบเราไม่ได้เป็นหน้าของบ้านเราก็อย่ายไปยุง่งค่ะพ่อจาย์หนูก็คิดว่าอันนั้นเป็น เป็นเรื่องของของเขาที่เขามีสิทธ za, ิ์นะคะพระอาจารย์ก็บนความถูกต้องหรนูก right. he he ็คิดอย่างนี้เขาว่าหลานเขาอยู่เขาก็ให้อาศัยอยู่แต่พอมเป็นแบบนี้ก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะทําเขาบอกอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ว่ามันค้ก็เป็นคนกรัวเรื่องของความตายพอมีเรื่อกี่ยวกับคนตายเขากไม่อยากจะรับรู้แล้วมันทให้ใจเขาหดหู่เขาเลยไม่อยากจะเห็นแค่นี้ค่ะค่ะพระอาจารย์แล้วเขาก็บอกว่า เออฉันฉันไม่ได้คิดอะไรฉันไม่ถือเขาก็จะให้คนเช่าหรืออะไรต่อไปอ่ามันก็หนูก็คิดว่าเป็นสิทเป็นสิทของเขาไงครับพระอาจารย์แต่หลายๆคนนะคิดว่าเขาอใจดําหนูก็คนอื่นไปยุ่งของเขาเองบ้านของเขาชีวิตของเขาไม่ยุ่งเขาทำอะไรใไหมใช่ครับพระอาจารย์หนูหนูก็เลยแบบเออนั่งนั่งเฉยเฉยแล้วก็ชาบ้านไม่ยอมไปเสือกไ่อมไปเอ ใชาใช่ครับอาจารย์ก็เลยสงบสงบเอาไว้จบแต่คุณอยู่เท<ะ>่อนี้มามีเรื่องเวลากันเลยการเรื่องไม่เป็นเรื่องใช่ครับหนูเขาว่าเราจะมาเถียงกันตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะได้ถึงเวลาเผาแล้วหนูก็ได้นั่งมองอเออก็อไปดีน้องอะไรอย่างเงี้ยคะระอาจารย์เพราะว่าหนูรู้สึกว่าเอ่อ ได้เห็นอะไรแบบห ล, หลายอย่างมากยิ่งขึ้นค่ะพระอาจารย์ทั้งคนเป็นคนตายกุอ๋อจริงๆแล้วอ่ะคนเป็นที่เองมายึดอะไรก็ไม่รู้คือหน้าทาหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะต้องทำอะไรมากขึ้นต่อไปอีกะาานะคะพระอาจารย์ค่ะหนูกหนกก็เลยแบบเอ่อมานั่งคุยกับน้าอีกทีหนึ่งเพราะว่าเหมือนเหมือนเขาไม่มันเหนื่อยะคะคือหลายคืน หนูก็เลยบอกว่านะก็ต้องทนนะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อยากขอเ ข, เข้า ใ, ขใจเข้าไปใ ห, ให้กำลังใจเข้าไปค่ะใน้ให้กําลังใจแกไปแกก็นะก็ต้องหมทําทําอย่างนั้นแหละหนะไม่ต้องไปอะไรกับอโกเขานะเพราะว่าบ้านของเขาหนูก็เลยว่าอย่างนี้นะคะพร mm. ะอาจารย์ค่ะก็ไม่มีอะไรมันเพียงแค่ทําให้เราปรงุงแล้วก็ปล่อยวางอะไรบางสิ่งบางอย่างมากยิ่งขึ้นเห็นอะไรออื ที่ที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะคะอาจารย์ก็เลยเงียบๆไปค ร, าารับอาจารจาย์ปัญหาจืกใารไม่รู้ไม่รู้ความจริงมันเป็นยังไงแล้วพิชกันไปพิชกันมาเสียงกันไปเสียงกันมาค่ะใช่ค่ะเสียงจะไปเสียงกันมาเขาคิดว่าโอ๊ยวิญญาณอยู่วนเวียนตอนหนูคนจะจะวนเวียนไม่รู้ว่าเข้าไปไหนมาไหนแล้วเขาเด้อไปเรียบร้อยแล้วอะไรเหมือนที่อาจารย์พูดอยู่ในโลกทิพย์ค่ะบุญกรรมตามที่เขาได้ทำเอาไว้ค ร, าารับอาจารย์ค่ะก็ ก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะวันนี้ก็ได้เห็นทำนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เห็นทั้งคนเป็นคนตายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เราอ่กระจ่างในบางสิ่งบางอย่างมากยิ่งขึ้นนะคะพระอาจารย์ว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะแล้วก็จะพยายามปฏิบัติต่ตอไปะคะ่ะพระอาจารย์ไม่คะ่ะทูค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรคะ่ะพระอาจารย์ก็เหมือนกับใจ มันมันวางมันปลูกมันโล่งมากยิ่งขึ้นก็จะพยายามปฏิบัติต่อไปครับพระอาจารย์ถ้าคนตายพูดได้มันยะยุ่งนะนหน้านอนเนะถ้าไม่อยากจะอยู่วันนี้ย้ายไปปั้นหนึ่งเยอ ใ่ค่ะเพราะว่าน้องเขาก็เป็นคนตลกตลกล่าเริงข่าว<ม>พระอาจารย์พุ<ม>่งแบบว่าโอ๊ยปวดหัวชิบไปก่อนอะไรอย่างเงี้นะล<ม><ม>ูก็คิดว่าเขาคงเป็นอย่างนั้นแะคะ่ะเพราะว<ม>่า<ม>รู้รู้นิสัยเขาอยู่เขาบอกว่าโอ้ยบายไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคพระอาจารย์ลูกก็คิดไว้าแบบนั้นะนะคะข่า <c> ว <oughs> พระอาจารย์ okay, าสาธุกาสาธุขอให้แทดขนพระอาจารย์แข็งแรงนะคะอาจารย์จะไปฟังธรรมเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ไปค้วยก่อนข่าวทุกอาทิตย์ค่ะ เดีย yeah. ว น, นี้มีสี่วันสามสิบถึงวันที่วันที่สองวันที่หนึ่งอ๋อวันที่หนึ่งเลยนะคะอาจารย์ค่ะวันที่สองด้วยเพรวันหยุดชดเชยนสีวันค่ะรอาจารย์ก็กผม <ขอ S 2> ไม่ได้ไปไหนค่ะไม่ได้ไปไหนค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่เขาก็ปล่อยให้เขาไปหาญาติญาติเขาค่ะเขาบอกว่าไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ไปอีกหนูก็บอกอไปก็ไปค่ะท่านและร่างกายแข็งแรงก็ไปเถะค่ะเพราะว่าแปดสิบกว่ากับ เกือบจะเก้าสิบแุดเก้าเก้าสิบแล้วยังแข็งแรงอยู่ยังไปได้ไปได้ก็ไปนะ <c oughs> ครับอาจารย์กับสาธุนนครับอาการย์โอเชนจากปทุม น, นีโอเชนนักกาการอาจารย์ครับจากปกทุมธานีครับอมีอะไรไหมการปฏิบัติยังไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ อ่าไล่ดูความคิดตัวเองครับให้ทันความคิดแล้วก็สติครับอาจารย์อย่าไปคร่ะอย่าไปไล่มันดีกว่าหยุดมันดีกว่าอย่าให้มันเกิดดีกว่ะนอกจากทำมันต้องคิดก็ดูมันไปแต่เรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดก็หยุดมันดีกว่าใช้พูดโธหยุดมันแล้วเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดกับพูดโธพูดโทดีกว่าคิดแต่เรื่องที่ยังเป็นครับอาจารย์แล้วถ้าบางครั้ง อ่านอกจากมุดโธแล้วรู้สึกตัวได้ไหมครับได้ดูดูว่าเราเราลังทําอะไรอยู่ก็ได้อยู่กับการทํางานของร่างกายเช่นนั่งอยู่หรือว่ารู้สึกความรู้สึกต่างๆตามส่วนต่างๆได้ ไ, ไหมครับได้ถ้านั่งอยู่ให้ดูลมอย่างเดียวดูลมดูลมหายใจเขา้าแล้วถ้าเราทํากิ จ, จวัตรประจําวันแล้วก็ดูงานที่เรากาลังทำอยู่ การอาบน้ําก็อยู่ก็ก็อาบน้ําไปกับร่างกายน้่งหน้าแปรงฟันก็นไปนั่งหน้าแปรงฟันไปกับร่ากายอย่าไปคิดเรื่องหนไปอยู่ที่อื่นครับพอาจารย์ย<ม>ังมีเท่านี้ครับถ้าคครับถ้าปฏิบัติแล้วจะมาถามแม่ครับได้สาธุดเดี่ยวกับคุณพ ร, พระตาลพรคุณแม่เดียว กลับไปถึงบ้านแล้วหรือยังน้าสกานครับตถึงบ้านแล้วครับเสื้อมาแจกเด็กที่โรงเรียนนะเสื้อเสื้อนักกีฬาเสื้อฟุตบอลเสื้อฟุตบอลครับร้อยสามรตัวอยสามสิบตัวร้อยสามสิบตัวใช่น้องต้องไม่ผานน้างนน่าจะชอบใช่ีหลายทีมนะครับหลายหลายทีมนะครับหลายทีมอาเจนตีอาน่าจะชอบสุดหนน้อง น่องๆเขาดีใจมีความสุขกันทุกคนเป็นเหมือนของควัญปีใหา่พอดีเนี่ยครับอคุครับครับค่ะจาะาการพมสการเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าเรียวมีมเข้ามาไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เข้าเลย ช, วช่วงช่วงนี้โอ้หหลวงพ่อเจ้าค่ะโรคลุมรายลุมแล้วทุกอย่างเลยเจ้าค่ะ<ม>และ้วก็ก็แต่ว่าไม่ไม่ได แต่ว่าเรียนอยู่ข้างนอกเนีะเจ้าค่ะฝันอยู่ข้างนอกตลอดหรื อ, อบางครั้งออก็มาหย่อนเจ้าค่ะไม่ไ ม, ไม่ไม่ขาดมีเมื่อวานเนี้ย ค, ค่ะเจ้าค่ะเพราะว่าเมื่อวานอยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วก็แบบเหมือนเครื่องช่วยหายใจอะไรอยู่แล้วก็แต่นาทีนั้นน่ะรู้สึกว่าตอนเนี้แปดโมงมันเป็นเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วก็แปดโมงเช้าเนี่ยค่ะคะลงต่างเบอร์ไทยไปสองที่แปดโมงลูกแล้วก็ ก็รู้สึกว่าอยากอยากจะคือแต่ตรงนั้นไม่มีสามีไม่มีลูกอยู่ใช่ไหมคะมีแต่หมอเราก็เหมือนเรียกไม่ได้แต่จิตอะ่ะไปอยู่ที่หลวงพ่อจ้ะว่าตอนนี้มันแปดโมงแนละ้วถึงเวลาที่ที่เราจะจะจ ะ, จะฟังธรรมจ้าคะ่ะหลวงพ่อแล้วท่านาทีนั้นนะคะเราจิตลูกแบบหลุดไปอย่างเงี้ยคะ่ะลูกจะไปอยู่ตรงไหนจ้คะค่ะ อ๋ออยู่ที่ที่อันเหตุการณ์เมื่อวานเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจาค่ะอยูอยู่ที่บุที่บาปของเราอยู่ที่บุญที่บาปของเราเจ้าค่ะอันไหนมีกําลังมากกว่ามันก็จะไปทางนั้นนะมันไม่ได้อยู่กับเหตุการณ์สุดท้ายนนหรอกเจ้าค่ะหลวงพ่อมันอ ย, <ๆ> อ, ยอยู่ที่กําลังบุญกับกําลังบาปที่เราได้สะสมไว้ว่าตัวใดมันมีกําลังมากกว่ากันเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าบุญมีกลังมากบาปมันก็พาเราไปสวรรค์เจ้าค่ะบาปมากกว่ามันก็พาเราไปอาบัย เจ้าค่ะหลวงพ่อแล้ว ก, แวก็แล้วลูกก็ก็ดูอะค่ะเหมือนเหมือนเห็นร่างกายว่าโอเคหมอทําอะไรอยู่ปัม๊มปั๊มให้ยากระตุ้นหัวใจอะไรเงรี้ยเครื่องช่วยหายใจอะไรเงี้ย<ช>ก็นกนหน้าขนาดนั้นเลยเจ้าค่ะครับแพ<ผ>้แ<ผ>คือแพ้ก็ต้องใส่ต้องใส่ยาแก้แพ้เข้าไปบางทีแพ้เลยแพ้าอาการใช่ไหมตอนนี้ก็คือตอนนี้คุณหมอก็คือ<ผ>ยังไม่ยังไม่ยังไม่ เจ้าค่ะเพราะว่าต้องรออะต้องรอให้ให้อาการทุกทุกเราทุ่เราลงถึงจะทดสอบได้เงี้ยเคยทดสอบไปปีเจ้าค่ะหลวงพ่อตอนนี้อันตรชีตอ่ะใช่ไม่ใช่ใช่ครับใช่ครับเป็นอัลเลอรแต่ว่าคือเราเขาก็คือเขาผอมก็คือหมอก็จะตรวจเลือดไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องรอให้เบาก็ให้ยาแก้แพ้มาตรนนี้ก็เบาแล้วอันนี้ก็ได้ก็ได้ เมื่อวานุค่ะเมื่อวานหนักมากบวมหงพ่อเมื่อเช้าตื่นเมื่อวานตื่นมาหน้าบวมบวมบบวมก็เลยต้องไปหาต้องไปโรงพยาบาลแต่จริงๆแล้วเป็นตั้งแต่ตีสามแต่ว่าไม่อยากแล้อยากใครรอให้มันเช้าสว่างก่อนสักครั้หลวงพ่อก็ลุกขึ้นมาแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็แต่งตัวรอว่ารอเช้าแล้วเดี๋ยวรอใครบอกยังมีสติดีอยู่ก็ดี แล้วค่ะมีสติแล้วก็ฟัง อ, อย่างาอะาบน้ําต่งตใจไม่ตื่นเต้นตัใ จ, ใจว่าดกลัวก็โอเคไม่เจ้าคุณเจ้าก็ค่ะหลวงพ่อติสามลุกมาแล้วก็เข้าน้ําแล้วก็เห็นกระจกหน้าตัวเองบวมปากบว ม, มออกมาแล้วก็เดินขึ้นมาเพราะว่าลูกจะนอนคนละห้องก็สามีรถจากห้องตัวเองเดินข้างมามาดูเขาแล้วก็แล้วก็เลยลงมาอาบน้ําแต่งตัวมีสติฟังเทศหลวงพ่อแล้วก็ หรอจนเช้าแล้วก็เดินขึ้นมาเขาก็แบบตกใจก็เจ้าค่ะเขาก็บอเป็นไตตีสามแต่เราไม่เรียกเลี้ยวก็บอกทำไมไม่ไปเรียกบอกไม่เป็นไรไม่ตายลูลก ก, ก็ฟังทำหลวงพ่อแล้วก็จนจนเช้าก็ก็ไปถึงโรงพยาบาลกฟฟ็ฟังทำฟังทำหลวงพ่อตลอดจ้ะ <c oughs> แต่จิต <c oughs> ไม่ได้ไปทุกข์กับมันนะเ <c oughs> จ้าค่ะหลวงพ่อลูกดูลูกแบบเหมือนมองแล้วก็ตอนที่นอนแล้วแบบคือหัวใจมันเต้นเร็วมากก็ก็รู้เห็น <c oughs> ว่าเหมือนเราเหมือนเราหลวงพ่อบอกว่าให้เราเป็นผู้ดูผู้ผู้เห็นผู้มองเตืออค่ะเจ้าค่ะลูกก็มีมีลักษณะอย่างนี้จริงๆเจ้าค่ะหลวงพ่อก็เห็นว่าหัวใจมันมันเต้นแรงมันเต้นมันเต้นเร็วแรงมากแล้วว่าลูกก็แบบพูดโธพูดโธแล้วเหมือนเป็นผู้ดูมันไปเฉยๆนะเจ้าค่ะหลวงพ่อนั่นแหละบางทีที่ที่เหมันมันทําให้เราไม่เป็นไปก็ไปทําให้ร่างกายมันสุดเร็วขึ้น ถ้าเราไปตื่นเต้นตกใจมันยิ่งจะยากเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ไม่ตกใจไม่ไม่ตกใจแล้วก็พิจารณาเป็นอสุภะดูแบบว่ามันบวมนะเนี่ยมันร่างกายสังขารมันมันบวมขึ้นมามันลูกก็พิจารณาเป็นอสุภะพิจารณาไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกพิจารณาว่าเนี่ยมันมันมันทุกอย่างมันเป็น อนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปคอนโทรนไปทุกอย่างมันไม่ได้เลยถูกต้องใช้ได้ท่าแสดงว่ามีสติมีปัญญามากับประบจิตมาให้ถูกกับมันได้จ้ะค่ะแล้วก็พิจารณาที่หลวงพ่อเทศสอนทุกวันคือมันถูกต้องไปหมดเลยค่ะโลกอมันมาวันละโลกตัวโลกมันไม่มีมันมัน มันถูกต้องมันจริงไปหมดทุกอย่างเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะกราบขอบนูกพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะมันถูกต้องไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะบางทีก็บางทีก็ขำบางทีก็มีขำเนี่ยฟังเสียงหลวงพ่อแล้วก็มันถูกต้องอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันใช่เจ้าค่ะพิชารณาว่ากายไม่ใช่เราเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดนะเรเป็นเจ้านาย รางกายเป็นคนใช่แล้วมันรับใช่แล้วค่าหลวงพ่อที่ไม่ได้เข้าเพราะว่าต้องทํากายภาพบาบัดด้วยค่ะเพราะว่ากระดูกเสื่อมแล้วก็มีกระดูกไข่ันหลังทับเส้นขึ้นมาแล้วมาแล้วก็มีภูมิแพ้ขึ้นมาตอนนี้อีกก็เลยลูกก็พิจารณาความตายตลอดเวลาน ะ, ะ้วค่ะตอนนี้ต<อ>ัดวดีมา ก, ากไปแตนะ่น้ำเอเป็นของดีไม่น่ากลั ว, วาการพิจารณาคามตายไม่ได้เป็นการสารบแช่งให้างายมันตาย เจ้าค่ะหลวงพ่อเป็นการสอนใจให้ปล่อยวาง น, นะค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะครับขอบพระคุณหลวงพ่อเแล้วก็ดูการแม่คดีนะครับ ค, ครับแล้วกลับไปลองเรียนม า, า่ปีใหม่แล้วก็อเออลงมาอะไราเปิดวันที่ยี่สิบสามครับ<อ><อ>ก็เปิดหลายวันนะครับแต่ก็ต้องมีไปดูงานเรื่องฟุตบอลในช่วงยังอยู่นะ ครับทาเรื่อยๆยเป็นยานมันเป็นมันเป็นธุรกิจที่เราเปิดมาแล้วมันต้องทำเก่งนะรียมีธุรกิจของตัวเองนะก็มีได้รับมอบมามาก็ต้องทำมีกำไรัหมก็มีครับมนะโอเคก็มีมีบ้างบางทีก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็เหมือนเรียนรู้ประสบการณ์ได้ทำยานกับผู้ใหญ่ ก็เรียนด้จากค้างิันนะท้องเองบ้าพอดีนะครับพยายามอยู่ครับก็ไม่ง่ายแต่ก็เพราะเราเราไม่ทํำงานให้ใครเราเปิดบริษัทเองก็เลยครับโอเคครับกับสวัสดีปีใหม่รอคอยด้วยเจ้าค่ะช่วงนี้งานก็ติดกับขัดชุดช่วยลวงตาจิตขอพอให้ลวงตาช่วยหน่อยคอไฟเขียวตลอดนะครับแมกาข้าการปลอดภัยนะหลัจากโรคภัยใกล้เ ได้อยู่ทำบุญต่อไปนานๆนะสาธุสาธุเจ้าค่ะข่าวรับพรจากหลวงพ่อเจ้าค่ะเราคอยหลวงพ่อมีธาตุขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะอยู่เป็นล่มโพล่มไซให้ลูกหลานเป็นนานเท่านานนะคะอยู่เกินร้อยี่สิบปีนะเจ้าค่ะเอาเลยเอาเลยถ้าอยู่ได้ก็อยู่สาธุสาธุเจ้าค่ะก็ขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณตายต่อพัทย า, ทายพัทยา ชื่อตายแตย่การปฏิบัติต้องปฏิบัติแบบต่อแบบต่อนเนื่องไม่มีขาดตอนเชครับจะให้ยามค่ะพระอาจารย์น้องกับนักสการะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะผ่านไปนั้นจะได้เกิดปัญญาจะได้รู้ว่ามีปัญหาอะไรที่เราจะต้องต้องทําต้องแก้ให้ได้นะเจะ้าค่ะยังไปที่บอ๊อดต่อบอ๊อ มันก็พัทยาแทนเงนะพัทยาครับพายจายได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับชัดเจนครับก็มารายงานครับว่าก่อนหน้านี้เหมือนเหมือนผมเจอธรรมพระพุทธเจ้าแล้วผมรีบที่จะปฏิบัติเพกลัวจะไม่ได้เจออีกในชาติต่อไปถ้า ต, ตอนนี้ก็ก็เบื่อพอมันวางแล้วมันก็ปฏิบัติสบายขึ้นสติมันก็บ่อยเึ้นแล้วก็ก็เข้าใจว่า อยู่กับปัจจุบันก็พอแต่าสมาธิก็เข้าอีก็มีปฏิบัติเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงปีใหม่ก็ได้ไปเข้าป่าครับที่ชายโยก็ได้ไปสงบสงบท่านี้ครับนี่นแบบเปิดปวิเวกใช่ไหมปฏิบัติกาเปิดปิดมาจากปฏิบัติธรรมโอเคนี่ครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเป็นอะไรเป็นคออะ็คือไปขอวัดเขาอยู่แล้วก็นน่าเราปฏิบัติเขาหนยให้เราอยู่คนเดียวดีกว่า ใช่ครับก็เรียบเปิกไมเวืโอเค okay, นะครับพระอาจารย์ขอให้ทขานแข็งแรงครับคุณจรินทร์ตอนนี้มาครั้งหนึ่งมเมื่อคยนนี้ก็มเข้ากับนวัศการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะวันนี้โยมเข้ามาสวัสดีปีใหม่แล้วคะ่ะก็ตอนนี้โยมก็นิ่งๆอะคะ่ะนิ่งสงบดีมากเลยคะ่ะก็เวลาที่ ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโยมไปทํางานทาสีบ้านอะคะ่ะ mm hmm. ใจก็ตั้งใจเราทาสีบ้านคนเดียวมันไม่มีคนที่เราจะต้องได้คุยด้วยใจก็คิดว่าเราจ ะ, จะเจริญสติอิทธิาบาทต่างๆในการปฏิบัติก็ น, นี้โยมก็ทาไปได้สี่วันแล้วโยมรู้สึกว่ามันไม่มีความคิดเลยอะคะ่ะไม่มีความคิดแล้วพอ <c oughs> พอมันมผุดขึ้นมา <c oughs> เหมือนสติมันจับได้อ่ะคะ่ะ mm hmm. แล้ว ว่าเ้เราชนะล่ะเราเราจับความคิดมันแล้วความคิดที่มันพุ่งเข้ามาเหมือนมันตัวใหญ่มากอ่ะค่ะอาจารย์เหมือนมันไม่มีอานานแล้วพอมันเข้ามาแล้วสติจับทันแล้วเราก็รู้สึกเราชนะเราดีจังเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปเชื่อมันมันจะหลอกเราให้เรา่ากูชนะแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วได้กนเนมันชอามาตลบหนังเราเรื่อยชอามาหลอกเราเรืย ค่ะแต่มันก็จะพอเราพอเราเห็นตัวความคิดมันผุดขึ้นมาเราก็มาเอ๊ะนี่เราไม่ได้คิดมาก็ดูเร็ๆสี่วันมันยังอาจจะไม่มากบอก็ได้ถ้ามันเป็นไปสักสี่ปีแล้วค่อยประกาศใช้ชนะได้คือยงไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่าโอ้โหมันจับได้เราเราเจ๋งจับได้ด้วยเนี๋ยไเนี้ยแพงก็ไปนี่การยาวนี่ อย่างน้อยก็กจะเกลับไปทําทงานก็จะรว้อเองว่ายัางคู่มันได้อยหรือเปล่ไม่ได้ค่ะอันนี้มันเป็นเพราะว่าอยู่คนเดียวค่ะมันเป็นเพราะว่าไม่ไ ม, ไม่คุยกับใครแต่ถ้ากับเจ อ, อผู้คนอีกก็คงต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้นะคะ <laughs> แล้วก็แล้ว ก, วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะยมก็ปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆ <laughs> รู้สึกว่ารู้สึกมันละเอียดมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าขึ้นนิ่งได้นานขึ้น แล้วก็ไม่อยากวุ่นวายไม่อยากเจอใครไม่สนใจจะคริสต์มาสจะฮอลลเดย์อะไรไม่ได้รู้สึกแต่ว่ามันคือสมมุตินะคะรู้สึกแต่ว่าเรื่องไรสาระไม่ไม่ีประโยชน์อะไรไม่ได้อยากจะไปปาร์ตี้ใครไม่ได้อยากจะต้องคือมันไม่ไม่เหมือนกับความน่งคาสงบนะวานิ่งควสงบนี่มันมีรสชาติกว่าเยอะใช่ค่ะพอาจารย์แห้งครรมชนะรสทั้งปวกค่ะ จนบางครั้งยมก็รู้สึกว่าโยมคุณจะรู้สึกบ้างนะแต่มันมันนิ่งไปหรือเปล่าคิดแบบพิเรน่าคิดแบบพิเรน่าพิเรน่าเชาก็ับกลับมันดึงเรามาด้วยหาหาช่องดึงเรากลับไปให้ได้ก็ตอนนี้มันยังมันยังสนใจในทางธรรมะอยู่ครับอาจารย์ก็เราก็ยังรู้สึกว่าเราทำแล้วบางเดียวไปติดซีรีส์ใหม่ก็อย่งอยู่นะไม่เลยค่ะอาจารย์แต่พอเราเวลานั่งสมาธิเราก็รู้สึกเลยว่า พอนั่งสมาธิแล้วออกมาแล้วมันมันนิ่งจริงๆมันมันดีจริงๆไม่ได้อยากรู้สึกอะไรไม่ได้อยากดูอะไรไม่ได้อยากเจอใครไม่ได้อยากคุยอะไรไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่มากระทบมันจะมันจะเป็นยังไงอะค่ะก็ก็ต้องรักษาไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์เออพยายามระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มากเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนอะพอพอได้ยินคําว่าเลยเข้าใจคําว่าให้ทําต่อไปให้เจริญต่อไปออทำ แค่ไหนให้ก็มันเข้าใจจนจนรู้สึกว่าโออใช่จะเข้าไม่เข้าจะรวมไม่รวมหรือจะดีไม่ดีก็จําเป็น จ, จะต้องทําไปเพื่อให้มันกลุยทางสติให้ให้มันกลุยทางของจิตจะได้มีทางเดินที่ถูกต้องค่ะก็ทาไปเรือ่อยๆจนกว่ามั น, มนไปถึงจุดที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็ไ้เองค่ะอันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ก็เท่าที่ผมก็รู้สึกว่าโยม พอใจในระดับหนึ่งในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็เรากค็คิดว่าไม่ลางแล้วอะค่ะคิดว่าไม่หลงแล้วอะค่ะอเดี๋ยวซักพักเดีวมันอยากจะได้มากกว่า น, นี้นพอบัญชีของใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็เอ้ยอยากจะได้มากกว่า น, นี้นะจริงค่ะพระอาจารย์คือบอกว่าตอ น, นมันว่างก็นั่งสมาธิว่างก็นั่งสมาธิแล้วมันก็นั่งได้นานไปเรื่อยๆอย่างนั้นต่อไปก็อยากจะนั่งมากๆเพื่อให้มันสบบนงบเดินเข้าไปค่ะบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ้อมัน จะนั่งสักแค่ครึ่งชั่วโมงพอมันก็ผ่านไปเป็นหลายชั่วโมงยองก็รู้สึกว่าตายแล้วต้องทําอะไรกันพอดีนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ค่ะแต่ก็ทําไปยังยังคงทำไปเรื่อยๆถือว่าตอนนี้ยังมีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ค่ะพรอาจารย์ดีมาก okay. ค่ะขอบขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะคะครัออ่ า, าไม่ได้คุณจอยพทัทยาขอบน้องสกายค่ได้ยินไหมคะได้ ย, ยินชับเจน ก็ขายของแล้วก็เลี้ยงลูกแล้วก็แล้วใช่คบเดี๋ยวนี้พัฒนาไม่ใช่เขพัฒนาดื่มแอลกอฮอล์กับเพื่อนอะไรตอนเย็นเลิกงานตอนเย็ของเขาปล่อยเขาตื่นไหมไม่ทอไแล้วอย่าไปดื่มกับเขาไปแล้วม่ก็บางทีก็ชอบให้ดื่มสปายอะไรก็แต่ว่าก็สปายก็ไม่ไม่ไม่ไม่วนใช่ไหมคะ เอาไม่ควรบ่กเอาเอาโคดเอาคคบดีกว่าหรือเอาแท็กซี่ดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวปีใหม่ที่ที่ทํางานเขาก็จะจับของฝวัญกันก็ก็ไม่รู้ว่าจะรอดจะเปล่ามีแต่คนแบบชวนกินกันตลอดเลยก็อย่าไปก็แล้วกันกเนี่ยทำไมรอดก็อย่าไปบอกป่วยลาป่วยป่วยทางใจ<ม>เรื่องรบกวนก็เหมือนเดิมหนูแต่หนูไม่รู้มันเป็นคนแข็งแข็งมันชอบ พูดเสียงดังๆอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ชอบที่ก็ไม่ได้อ่ะแต่ก็จะพยายามไม่เมียไปใช่อย่ไปอะไรเขาเลยก็ยจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเราอย่าไปเป็นเหมือนเขาแล้วกันอันนั่นแหละที่หนูกลัวกลัวเป็นหนูต้องพยายามเข้าหาห า, า, าะเจ้าไม่งั้นเดี๋ยวหนูหลุดไปเออถ้ามันยังเป็นก็ปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปนะค่ะเดี๋ยววันศุกร์ไปใส่บาสนะคะบัมพาร์อ เ, เออวันศุกรนะ์ใช่ค่ะ แช่วัดพระวันที่34โอเคนะท่ะนท้กทีก่อนนะโอเคเวลาที่คุณจิตต่อจิบในเวลาเหมือนกันในเวลากับงานมรดกการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ได้ยินโยมไหมคะได้ยินจ้ะค่ะพระอาจารย์สวัสดีปีใหม่นะคะอาทิตย์ที่แล้วที่แล้วพอดีว่าเหมือนทำงาน ที่บ้านแล้วทําจนลืมไม่ใช่ทํำจนม mm ันแบบมันงานมันเข้ามาแล้วแบบแปลนแปนมันจดจ่ออยู่กับงานจนกระทั่งมองไปทีไว้สิบโมงกว่าแล้วของเขาไม่ด่านแม่เลยก็เลยแบบว่าเออไม่เป็นไรค่ะก็ฟังอยู่ข้างนอกไปแทนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะค่ะว่าอาจารย์สบายดีนะเจ้าค่ะเป็นไงคิดจะลองเกี้ยสนากันสนุกไหมก็ก็สนุกค่ะก็ตามภาษาค่ะจนมาถึงจุดจุดนึงที่แบบ เหมือนลูกยอมโตแล้วแล้วก็แบบแม่ไม่รู้จะซื้ออะไรให้แล้วคือทุกอย่างลูกมีหมดแล้วอ่ะหนูยมก็โวมแบบว่าจริ ง, รงๆเด็กพวกนี้สบายนะมีทุกอย่างแล้วจนแบบเราจะเอาอะไรอีกเอามาแบบเหมือนเอาปนเปออะไรอีกเหมือนวแบบ่ายมก็แบบเออแต่เขายังเด็กเขายังคิดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยยมก็แบบเอาเอาเท่าที่จําเป็นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็สนุกคะ่ะแล้วก็พอถึงตอนเที่ยงเขาก็ไปอยู่กับบ้านพ่อเขายมก็แบบ ก็อยู่คนเดียวก็เลยเออจัดบ้านไปนั่งแบบมีสติกับสิ่งที่เราทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีค่ะแล้วแล้วปีใหม่นี้ยมก็ว่าจะสวดมนต์ข้ามปีก็เลยคิดว่า <c oughs> ไม่ทราบว่าพระอาจารย์ที่วัดมีสวดมนต์ข้ามปีไหมคะหรือว่าเขาถ่ายคกัเคยเคยมีแต่ไม่รู้ปีนี้เขาถ่าหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ติดตามถามด้วยอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยมก็อาจจะสวดของโยมเองค่ะแล้วก็ยมก็ไม่มีอะไรค่ะคือเมื่อวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหมือนได้มีโอกาสคือ คือเหมือนกับได้โปรงอันนี้จังเรื่องนึ่งนะคะเหมือนกับอันนี้ยกอันนี้อาจจะไม่ใช่สายสายพุทธหรือเปล่าแต่มันก็คือแบบว่าทําให้เราเรียนรู้ว่าแม้แต่คนที่ทําบุญมากๆจริงๆนะคะมาถึงจุดจุดจุดหนึ่งที่เขาห่วงลูกเค้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าบุญกับบาปมันดึงพอเราตายไปบุญกับบาปมันดึงเราไปใช่ไหมคะยมก็เห็นภาพเลยว่าแบบโหถ้าเราห่วงลูกเนี่ยต่อให้เราทําบุญมามากแค่ไหนอ่ะ มันก็ไม่ไปไหนจริงเหมือนกับจิตเรามันมันไปอยู่ตรงนั้นนะคะโยม<น>แปลว่ามันวินาทช้าหน่อยมันอาจจะอยู่ใกล้ๆรูปต่อสักสักพักหนึ่งแต่พ า, าอยู่นั่ติดต่อเข้าไม่ได้<อ>นะก็ต้องไปนั่งกต้องไปอยู่นีอ๋อค่ะและอย่างถ้าสมมตินะเจ้าค้าอันนี้โยมขอถามนอกเรื่อ ง, น, อง น, น, นั่งสมาธินิดนึงสมมติว่า ถ้าเกิดแบบเราทําบาส ม, มุติคนที่เขาทําบาบแบบโกงเงินวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ <Ừ. S 1> แล้วสมมุติเขาเขาโกงเงินวัดตอนอายุสามสิบห้าแต่พอเขาตายอายุเก้าสิบแล้วเกิดเขาคิดถึงว่าจิตสุดท้ายที่เขาตายเก้าสิบเขาคิดว่าเขาทําบาตอนอายุสาสิบห้าอันนี้จิตมันจะปรุงแต่งให้เขา ไ, ไปเกิดเป็นวินไม่หรอกไม่ได้อยู่ที่คิดหรอกตัวตัวบุญกับาปที่ได้ทำไว้มันจะเป็นตัวพาไปเองไม่ได้ที่ความคิดสุด<อ>ท้ายว่า คือมันไม่ได้อยู่ที่จิตสุดท้ายแต่มันอยู่<ช>ที่ว่าเราสะสมแต้มเรามาเท่าไหร่แต้มมันน้อมากกว่ากันมันบัญชีทํางานบัญชีั<อ>นภาษีภาษีมันก็มีทําบัญชีใช่ไหมรายรับรายจ่ายอันไหนมากกว่ากันถ้ารายจ่ายมากกว่าก็ติดลบอะไรรารับมากกว่ารายจ่ายก็บวกบวกแต่มันบายงบก็ไปสบายค่ะแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าเราทําบุญแสนนึงกับทําบุญร้อยนึง มันอยู่ที่ใจเราที่ตั้งไว้เลยใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่เราก็อยู่ที่ปริมาณของงานที่เราทําทำใจหนึ่งมันก็ได้มากกว่าทำน้อยหนึ่งอ๋อค่ะค่ะแต่ก็ต้องอยู่ที่ใจด้วยใช่ไหมคะถึงพอใจ่ว่าทําใจมีคนทําใจก็ยินดีกับการทำต้องยินดีกับการทําต้องยินดีกับการที่เราได้ให้ให้ทานหรือทําบุญอย่างใช่ยินดีที่จะเสียสละบ่อยจาเหมือนไปค่ะ แต่ถ้าเกิดทําเพื่อเอาหน้าอันนี้ก็จะไม่ก็จะได้หน้าแต่ยัไม่ได้เงินเงินก็ได้มากนะเงิก็จะได้มากแต่อาจะไม่ถูกถูกไอ้ตัวตัวอยากได้หน้ามามาบังบุญเราไว้ค่ะค่ะอันนี้อย่ใจนครับสนใจกับเสียใจเลยแล้วคำหน้าก็เลยไม่ถาต่อไปก็ได้ค่ะแต่ถ้าทํำไม่ถ้าทําไม่เอาหน้าก็จะทําไปเรื่อยๆก็จะไม่ผิดหวัง ค่ะโอยมชอบคําที่เมื่อกี้พระอาจารย์คุยกับพี่คนนึงว่าเขตบอดความเขตบอดควา ม, มาคิดโอยม โ, ย ม, โยมว่าโยมอยากจะทําป้ายพิมพ์ออกมาแ ล, แล้วแปะไว้แบบมุมหนึ่งที่เรานั่งสมาธิอล้ค่ะเขตบอดความคิดแล้วมันจะได้แบบดูขังๆหน่อยพิมพ์าพระอาจารย์ด้วยกับวันนี้มันก็มันขังๆค่ะพระอาจารย์โยมก็จะปฏิบัติให้มากขึ้นตอนปีใหม่นะคะหลังแบบรู้สึกปีนี้มันเรื่องวุ่นวายเยอะก็เลยแบบ ทำให้เราหย่อนยานไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าปีใหม่นี้ก็พยายามค่ะเหมือนจะคืดคืดแล้วเพราะแบบเห็นเห็นว่าแบบบุญกับบาปมันจะดึงเราไปยมว่าเออมันก็โอกาสมันไม่ได้มีบ่อยๆถ้าเราไม่ได้เกิดเป็นพุทธศาสนาอีกก็ไม่รู้จะได้ทําเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะคนะ่ะตอนก็ค่ะขอให้ระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะขอให้อายุพระอาจารย์อายุวัฒนะ ไปยาวๆนานๆแฟ่นนานจนเท่าที่ทําได้แต่ว่าก็ขอให้ได้นานๆคะโอเคสาค่ะสาธุค่ะสวัสดีปี่ใหม่ค่ะอ่าคนชนิดชนิสาเอคยิบเป็ี่นชื่อใหม่เลยเป็นภาษาอังกฤษอ๋อชื่อเดงค่ะค่ะอาจารย์ชนิดาค่ะเอเคณคุณชื่อลูกค่ะอ่าณฑ์ค่ะนี่มีคําถามค่ะพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิไปแล้วใช่ไหมคะ ตอนตอนช่วงเริต้นเนี่ยเราจะสวดมนต์ก่อนพอสวดมนต์ไปสักพักหนึ่งอย่างบางบางบทเช่นบทอพระคาถาชินบัญชรใช่ไหมคะพอสวดสวดไปแล้วมันเข้าสมาธิมันมันวูบเข้าไปแล้วมันก็นิง่งทีนี้ไอ้บทสวดมนต์มันก็จะหายไปช่วงหนึ่งก็หยุดได้ถ้ามันนิ่งก็ห<ข>ยุดได้อ๋อหยุดได้ไดใช่ไหมคะ<แ>ทีนี้พอว่าพอเวลาเราเข้าไปนิ่งนิ่งเสร็จแล้วสักพักหนึ่ง แล้วเราจําเป็นจะต้องกลับไปหาพุทโธหรือกลับไปสวดมนต์ต่ออะไรอย่างนี้ไหมคะถ้ามันเป็นงานถ้าอยากจะนั่งต่อก็ต้องสวดใหม่ต่อถ้ามันใหม่ก็คือเริ่มบทใหม่ได้เลยใช่ไหมคะได้ไดบทเก่าก็ได้อ่าไอการสวดมนต์คึ้นคกลางๆนี่มันไม่ไม่ไม่ไม่สวดไม่เป็นไรเราสวดว่าให้ใจนิ่งถ้ามันนิ่งเมื่อไหร่เราก็หยุดได้อ๋อค่ะคือบางทีพอเวลามันบู้ไปแป๊บหนึ่งแล้ว เราก็มามัวแต่ภาวงอุ้ยตายแล้วบทสกดมนต์ขัดตอนตอนไหนภาวันก็ริ่มคิดนะ้ะอย่าไปคิดพรมันนิ่อย่าไปคิดอะไอ๋อค่ ะ, ะอาจารย์ชุดให้มันอยู่นิ่งมานานอือแล้วก็ปล่อยนิ่งไปเลยแล้วพ อ, อมันเริ่มที่จะแกว่งอีกทีแล้วค่อยพุทธโทหรือว่าสวดมนต์ต่ออ่าใช่ค่ะพระอาจารย์ อนนี้มีอีกคำถามหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้คุ ณ, ค, ณคุณคุณจี๊บใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องทําบ uh ุญ huh. ทําทานอะไรคือเมื่อสช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ค่ะไปพะเพอิญไปเจอโพสต์ของของแม่คนหนึ่งเขาเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเขาเลี้ยงลูกสองคนเขาโพสต์หาหม้อหุงข้าวหนูก็เลยสงสารก็เลยไดยเล็กเมลไปหาเขาแล้วก็สอบถามเขาแล้วก็วก็ก็โอนตังค์ไปให้เข า, าค่ะพระอาจารย์ที่นี้พเพลินก็มีเพื่อน ที่เขามีหมอ้ขอขุนข้าวได้ได้จับฉลากมาก็เลยบอกว่าเอยเงินที่โอนไปไม่ต้องซื้อแล้วนะเดี๋ยวเอาเอ า, เอาไปซื้อของให้ลูกละกันเขาก็เอาไปซื้อของให้ลูกมาแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์มาของเงินเพิ่มค่ะขออีกโ อ, อ, กอนไว้ให้สองพันไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์มาขออีกสองพันหนูก็ต้องต้องไปจ่ายค่าเชาวบ้านหรืออะไรสักอย่างนี้หนูก็บอกว่าเอ๊ะมือมือสองร้อยอาทิตย์ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยนะ นเราก็ต้องมีขอบเขตของการทาบุญของเราอย่ า, ยาให้ค น, อนเอาเอาอเปรี่ยนเอาเพราะเขารู้ว่าเราให้แล้วจะมาค อ, อเรื่อยๆนอกจากว่าถ้าเรา<ด>อยากจะให้ก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าชื่อว่าเหมืนไปการสัตว์ส่งเสริมความโลภเขาก็อย่าไปให้เขาเไม่ได้ออค่ะก็เพลินไปก็ พอดีมีเพื่อนอะนะคะที่เขาแบบลองเราลองลองลอ ง, ลองพูดให้เขาฟังว่านี่มีเคสอย่างนี้มานะสนใจจะร่วมทําบุญไหมเขาก็เออช่วยช่วยช่ว ย, ช, วยช่วยไปทีนี้ผ่านไปภายในสองอาทิตย์เนี้ยค่ะเขาก็ขอมาอีกบอกว่า hmm. พี่คะพอดีลูกไม่สบายหายใจติดขัดแล้วส่งรูปเด็กๆมา uh huh. <laughs> หนูก็โอ๊ย uh huh. ครั้งที่พี่ไม่ช่วยแล้วล่ะหนูก็ปฏิเสธเขาไปนะคะเช่นนี้พอนอนไปก็นอนไม่หลับเป็นห่วงเด็ก รู้ขึ้นเาโอนเงินไว้ให้เขาอีกห้าร้อยเขาตลาดไงก็ต้องอของนอใจเราให้ค่ะแล้วก็เลยบอกว่าต่อไปไม่ต้องส่งลูปเด็กมาแล้วนะถ้าถ้าส่งมานี่จะบล็อกเลยเแล้วให้เขาโอนตังไปเพอาโอนตังไปเสร็จตอนแรกเขาบอจะพาลูกไปหาหมอขึ้นเนี่ยคืนนั้นเลยแล้วเขาก็ไม่ได้พาไปแล้วพอเช้าอีกวันหนึ่งเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาหนูก็ถามว่าเป็นยังไงมั่ง เขาก็บอกว่าอ๋อพาไปแล้วค่ะกำลังพาไปเย็นๆหนูนก็เลยบอกเฮ้ยไม่อยากไม่อยากรับรู้แล้วบล็อกไปเลยดีกว่าทีนี้หนูอยากถามพ่อจะอย่างนี้ถือว่าขาดเมตตาไหมคะก็ไม่ไม่ไม่ไม่ขาดหรอกเพราะเราก็ทําไปแล้วเขาจะขาดความความพอดีเขากนะ็เขาจักเป็นใจด้วยหรือถ้าเขาอยากจะเดี๋ยวรานจริงๆเคขาก็อยากให้เขาเล่าเรื่องของเขามาเพอแต่ที่อย่าอย่ามาบอกว่าขอนู่นขอนี่น อาจจะให้เขาเล่าว่าดวงไม่สบายแล้วจะทํำไงดีอันนี้แล้วปล่อยให้เราเป็นคนตัดสินใจอว่าเราอยากจะช่วยเขาไม่ช่วยเขาอย่างน้อยตอนนี้ที่บอกเขาไปก็คือตั้งตั้งใจไว้นะคะว่าเออถ้าเรามีเราก็จะแอบโอนไปให้เพราะว่ามีเบอร์บัญชีอยู่แล้วแต่ก็คือจะไม่จะไม่เปิดบล็อกให้เขามาส่งรูปเด็กมาเดี๋ยวเราก็สงสารอีกอย่างเงี้ยครัแล้วก็ไม่ได้ว่าีเป็นอาชีพของเขาหรือเปล่า สมัยนี้คือนนคนคนชอบหลอกลวงทางทางอินเทอร์เน็ตนี้เยอะนะมีหลายรูปแบบด้วยกันเพราะเราไม่รู้ความจริงของเขาของรูปที่เขาถ่ายมาไม่รู้รูกใครเราไม่รู้ค่ะคือหนูหนูแอบไปสืบทางลับคือให้ให้ญาติที่เป็นตํารวจเช็คเช็คประวัติกันนะคะก็ปรากฏว่าเข า, เขาคือเขาติดคดีค่ะพระอาจารย์เขาเขามีหมายจับอยู่แล้วเหมือนกับสามีก็โดนหมายจับเหมือนกันแล้วก็ แยกแยกกันอยู่อะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาต้องเลี้ยงลูกสองคนซึ่งเขาทํางานไม่ได้หนูก็เลยโ อ, โอเคติดคดีที่ไปชาะโกงคนอื่นหนูก็บอกอ๋อเพราะว่าไปไ ป, ไปหลอกลวงคนอื่นแล้วก็เลยแบบคงทํางานไม่ได้หนูก็เลยช่วยช่วยตรงนี้เพราะว่าเขาเขาคงไปขอคนอื่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่มาเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนี้เรา เราเราให้ไปก็คือประมาณแปสิเปอร์ซ็นเราอยากช่วยแต่อีกยี่สิบเปอร์ซ็นาก็มีความสงสัยอยู่ที่อาทิตย์อาทิตย์ก่อนที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าทําบุญแล้วเราก็ไม่ต้องคิดว่าอะไรนะคะ เ, เขาจะเอาไปทําอะไรจะถึงหรือไม่ถึงเอายินดีให้เขาหลอกก็ให้เ้าหลอกไปก็ให้เข้าไปอืมที <laughs> ่เราไม่รู้ว่าเขาหลอกเราหออรนะือเปล่าใช่ะค่ะดูลองโทรไปก็คือเขาก็อยู่กับ กับลูกเขาจริงๆอะนะคะลูกเขาก็อยู่แบบน่าสงสารเราก็เลยคิดว่าเออเราไปบล็อกอย่างเงี้ยมันมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นที่เราไม่มีเมตตาหรือเปล่าหรือว่าเราจะทํำยังไงดีก็ไม่ค่อยสบายใจอะคะ่ะอาจารย์ไม่ใช่ไหมเราไม่แน่ใจเนี่ยค่ะที่ว่าเราไม่มีเมตตาเราไม่ <c oughs> แน่ใจว่าเราถูกเราหรือไม่ถูกเราดีกว่าอืม ก, ก, ก็คือทำอย่างนี้ ก็ถือว่าได้ไปทไํากับสิ่งที่เราแน่แนใจอย่าดีมาถ้าเราไม่แน่ใจเ ร, เราก็อยากไปทําเราไม่รู้ข้าจะหลอกเราก็ได้ใช่ไหมค่ะโอเคค่ะถ้าเรายินดีให้เขาหลอกก็ก็ถักไปเราไม่ห ล, ล <c oughs> อกเขาพราะกัวตัวเองไม่มีความเมตตาก็ถักไปก็ห <c oughs> รือพอพัก เพราะส่งรูปเด็กอันนั้นมาก็เลยบอกว่าอมันนอนไม่หลับมันมันนอนไม่หลับต้อง<ต>อนวนไปเสร็จลแล้วค่อยบอกลูงใครก็ไม้ลูใครก็ไปู่เหมือนกันตอนนี้บอกไปแล้วค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อ ย, อ ย, อยแอบส่งเงินไปให้ทีหลังแล้วกันดีกว่าค่ะได้ถ้าาอย่างที่ว่า<ม>เขาอาจจะพูดจริงแล้วก็ยังสงสัยก็าอยู่มาทำไปไม่มีท่ายตรไ ห, ไหโอเคเอ กัวจะขาดกัวเอ๊ะเราเห็นอย่างนี้เราเมื่อเมื่อเขาเรียกว่าอะไรนะคะเพิกเฉยไอไ้็อสเขาทําให้เขามีความทุกข์ใจอะไรหรือเปล่าไม่หรอกคนที่เราไม่รัการจะส่งเสยียงให้คนทําบาปอือค่ะพีะอาจารย์แต่ไหมถ้าเรารู้ว่าเขาหลอกเราแล้วยังส่งเสียงเขาก็ว่าส่งเสยีเสงเสยงไปเขาติดในสายนี่เดี๋ยวเขาไปหลอกคนอื่นต่อยหลอกเราไม่ได้เขาไปหลอกคนอื่นต่อยค่ะเพราะว่าหนูก็ พอรู้ว่าเขาติดคดีหนูก็เช็คสถานที่ที่รับแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อให้ทุกอย่างไปหมดแล้วให้เขามีทนายมีทนายอะไรให้เรียบร้อยเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันที่หกเดี๋ยวเขาจะไปติดต่อแล้วเขาก็จะไปตร ง, ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วแต่ช่วงเนี้ยลูกไม่สบายมาขอถีแเหลือเกินหนูก็เลยบอกไปก่อนถ้าถ้าไม่หยุเดเนี๋ยมันก็มีเค้ามาเรื่อยๆรับประกันได้อืม เดี๋ยวอาจะม า, <ภ>าขอช่วยช่วยค่าใช้จ่ายเรื่องคดีก็ได้ต่างๆค่ะบอกงเแล้วโอเคค่ะแต่ถ้าอยากจะช่วยเขาก็ช่วยไปแนีะเราไม่ได้ห้ามนะเพียงแต่พูดว่ากรณีว่าจะถูกหรือไม่ถูกหรอกที่ที่ที่เป็นประเด็นตอนนี้ค่ะแ <ภา S 1> พระแต่เรามัา<ๆ>่นใจว่าเขาไม่ได้หลอกเราเขาเดือดน้อนอจริงๆเราจะช่วยเขาก็โอเคค่ะคงคง คงพักไว้ก่อนค่ะเราให้เราให้หลังวันที่หกไปแล้วเดี๋ยวดูค่อยแอบแอบดูเขาแล้วกันค่ะคก็น่าที่ระยะวไว้สักพักก็ได้เราจะได้ไม่เอาจะได้ไม่ฉลาดใจไม่ไม่งั้นเดี๋ยวก็ขอมาเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์อาขอบพระคุณตั้งเบ็ดเขาไว้นันแปลกใจแต่ สงสัยคนที่ไทยเขาคงโดนบ่อยมั้งคะถามเพื่อนไ ม, ม, ไม่ไม่มีใครสักคนที่แบบว่าบอกว่าเอยถ้าเป็นเงินเหร อ, อคงคงไม่ถ้าเป็นของอาจจะส่งไปให้อะไรอย่างเนี้ยค่ะนั่นหละควรจะส่งของไปดีกว่าค่ะพระอาจารย์เอาเงินเอาไปาใช้ยาง่งได้อาจจะไปซื้อสุรามาดืไม่ได้ติดยาเสพติดก็ได้ค่ะ อขอบพระคุณคนะ่ะพระอาจารย์ทำบุญเพต้องระวังทําบุญจะให้มันเกิดโทษทําบุญแล้วให้มันเกิดประโยชน์ทัางเขาทั้งเราค่ะเข้าใจนะเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะ ไ, ไม่ต้องคำ ว, ว่เาเราไม่เมตตาเราไเมตตาแต่เราต้องระวังนะความเมตตาก็ต้องมีปัญญาด้วยค่ะโยนเดือดรอบข้านลง ค่ะหมดเนื้อหมดตัวได้นะโอ้ยส่งลูกเด็กมาแล้วแบบเนี่ยพี่นอนร้องไห้นอนอเด็กนอนร้องไห้นอนหายใจไม่ออกหนูก็อ๋ยแล้วลูกอายุรุ่นเดียวกับลูกชายเลยค่ะกระบวนการหล่ร่วมนะค่ะแล้วขอบพระคุณค่ะโอเคทนอา okay. that that อ้ที่คุณกล้องตากล้องกั้สุด ท, ท้ายไม่ไนานเนี่ย ครับพระอาจารย์ครับการน้มันราการพระอาจารย์ครับก็ปฏิบัติอยู่ตลอดครับพระอาจารย์ครับอยู่ที่เดิมเหรอครับก็อยู่ที่เดิมครับอาจารย์แต่วันนี้ผมมาเที่ยวครับมาพอดีไม่ไม่ได้มาเที่ยวแต่ว่าที่บ้านคนเยอะแล้วรู้สึกเสียงมันดังอ่ะผมก็เลยมานอนรีสอร์ทครับครับก็วันนี้ก็มีคําถามพระอาจารย์ครับ พระาจารยครับการการปฏิบัติเนี้ยคืออยู่ทั้งโลกเนี้ยครับบันทีบันทีเราต้องการเวลาที่จะปฏิบัตินะครับแบบมาช่วงมันก็แบบมาช่วงมันอยากอยู่จะอยู่ที่เมี่ยมเนี้ยแล้วแบบอยกจะถามพระอาจารย์ว่าอย่างผมแบบถ้าเราญาติเยอะเงี้ยครับแล้วแบบมันจะต้องมีงานแต่งงานโบสถอะไรเงี้ยครับมันเต็มไปหมดเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเลยเงี้ยครมัน มันจะสตรงเกินไปไมครับก็แ้วแต่เราว่าเราเราอยากจะปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนเราปฏิบัติมากมันก็ในสายตาของเขาอาจจะว่าสุดตรงก็ได้แต่เราก็อย่าไปแคร์คําพูดของคนอื่นครับเราต้องเลือกทางไงเราเราจะไปเราจะไปทํางไหนถ้าเราจะไปทํางธรรมเราก็ต้องตัดทางโลกไป ตัต <ไป S 2> ดให้มากเท่าไหร่ก็จะใช้ก็จะได้ไปได้มากขึ้นดังนั้นถ้าตัดไม่ได้ก็ติดอยู่กับทางโลกไปเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปกังวลกับความคิดขงคนอื่น เ, เขาจะพูดเจะว่าอะไรมาเขาเป็นท่ามเข า, ข า, ขาไม่ได้แต่เราต้องดูตัวเราว่าเราต้องเราต้องการจะไปทไํางไหนนี่ก็ไปไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านไม่บอกใครเลยเวลาท่านไปเใช่ไหม เป่นปแบบเงียบๆใครว่าไงก็ไม่สนใจไม่ไม่รับรู้กลัวต้องโดนว่าเลเพราะบางทีมันมันต้องเจอหน้ากันจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรก็าัทําใจ่าอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีการด่ากันธรรมดามีการชมมีการด่ามีสังเสริมมีนินทาเป็นธรรมดาอะครัจ านะ้เดี๋ยวเวลาข้าจะหมดนะเดีเวแบ่งาลน์สามคนคนละสองนาทีทวรัอหาคุณสมชายได้ยินไหมมีเวลาสองนาทีอ่ากัสสวัสดีครับท่านพระาอาจารไม่มีอะไรใช่ไหมทักไทยนะครับไม่มีอะไรเข้ามาฟังแล้วก็เรได้ยินได้ยินแต่ท่าน ท่านแบบคนอื่นที่ว่ า, าทุกอย่างก็มีปัญหาแล้วก็ mm. ครับผมก็ใช้พุโทโธพุโทโธสงบสติอารมณ์แล้วก็ try to เปลี่ยนเปลี่ยน อความคิดของของลูกเนี่ยแหละครับก็มีลูกคนหนึ่งที่พยายังออกออกนอกออกทางครับออกนอกทางก็ดีก็สอนเข้าไปถ้าเขาเชื่อฝั่งก็ดีเขาไม่เชื่อเขาล้าไปอ่าฮะครับก็ก็ใช้มาเรื่อยครับอ่าก็ใช้พุดโธมาก็ก็พยุงอ่าพยองตัวเองมาเรื่อยครับก็ ก็ดีก็อ่าก็ใช้มาเรื่อยครับอ่าก็ถึงทำต่อไปนะอันนี้อยากใ้ท่นฝันนะครั บ, นนรบสวัสดีครับโอเคไปคุณคุณคนเครับครับรับการครับผมเมื่อกี้ก็ได้ยินของคุณชนิดที่ของเ k ็เคพระเจ้ครับก็ของกลุ่มกลุ่มของจิตอาสาก็เจอบ่อยครับที่แบบเข้ามาขอเ ง, งี้ยครับ พอจะให้เป็นของก็ไม่เอาจะเอาเงินเดียวค <cred> รับใช่ครับเพราะว่าเจอในกลุ่มคือเจอเยอะมากครับ <gaming. S 2> ที่แบบประมาณว่าจะมาแบบคือก็อแปลกครับคือเดือดร้อนแต่ว่ามีเงินเติมเน็ตใช้เน็ตได้แล้วก็ขอทุกกลุ่มเลยครับเธ <AUDI> อเคยรู้ึเคยเข้ามาขอในกลุ่มพระอาจารย์สุชาติด้วยครับอื <Glass. S 2> ครับก็เมื่อวานที่ก็มีไปไปฏิบัติอ่ไ ป, ไปทําบุญกับพ่อเยืนแล้วก็ปฏิบัติทำกับหน้าถามมาครับก็จะเป็นเรื่อง มโนนาโนสติครับก็ได้ประโยชน์มากครับเหมือนเอาภาพพอศพอันใหม่นะครับก็ามาคุมดูแล้วก็พิจารณาว่าร่างกายเราไเป็นธรรมชาติอยากมืองครับครับอาจย์<ม>แล้วก็ตกกลางคืนก็เออก็เจอปัญหาที่ทางบ้านเจอก็เหมือนเราได้ใช้ตรงนี้ครั บ, รบมาสิ่งที่อาจารย์สอนนะคืออย่ายไปยึดกระคำนคั้นนะความทุกข์มันก็แค่ชั่วคราวก็เลยไม่ได้ทุกข์กับมันครับก็หาทางแก้ปัญหาไปครับอาจารย์ ปฏิบัติต่อครับดีมากครับแกนะสาธุครับพระทานแข็งแรกพระอาจารย์คนชัยนิษฐ์คนสุดท้ยละเดีวฮะเด้๋ยวอีกสานาทีสองนาทีก่อนมาพิธีการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีอะไรเจ้าค่ะอไม่มีอะไรเลยนะโอเคไม่มีเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวอาจจะไปทางที่ทางบ้านต้อมีขีกข้อคุณกุศล คะคืนนี้มีทั้งหมดหกข้อค่ะพระอาจารย์คะค่ะคาถ า, ถามแรกค่ะคำถามแรกนะคะคุณวรพัทน์ค่ะกราบณัสการพระอาจารย์ครับถ้าเป็นพระและผิดศีลข้อพระของเขียวเช่นตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้จะมีปัญหาในการเจริญภาวนาที่มาที่จะมารบกวนทางด้านจิตใจหรือไม่อย่างไรครับมันก็เอาเวลาไปทาที่จะไปภาวนาก็ไปตัดยอตัดหญ้าตัดต้ดตนไม้ก็เลย พูดชาติเลยไม่อยากให้ไปทํางานพรุ่นี้อีกอย่างหนึ่งมันก็ครับสมัยก่อนเขาเขาเชื่อว่าเป็นต้นไม้มีของมีชีวิตพระเป็นผู้มีสี่งก็ไม่ควรที่จะไปทำร้ายชีวิตนั้แต่เป็นต้นไม้ก็ตามอันนั้นเองแต่ความจริงแล้วเมื่อเมื่อห้ามแล้วก็ไม่ควรไปทำเพราะไปทาแล้วมันก็จะทําให้เราไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมื่อยตามเวลาจะมา มาเสียใจในภายหลังอาจจะมีความไม่ไม่สบายใจขึ้นมาก็อาจจะเป็นอุปรสรรคต่อการทำใจใสงบก็ได้คำถามต่อไปยไมยรักษาสิ่ไว้ให้ดีคำถามต่อไปจะคุณยิถีค่ะการบริกรรมพุทธโธต้องนึกถึงใบหน้าของพระพุทธเจ้าหรือนึกถึงตัวอักษรพุทธโธหรือเปล่าครับไม่ต้องเนนทั้งสองอย่างใ้นึกแต่ให้รู้แต่คาคาพุทธโธอยู่ในใจเราไปเรื่อยๆก็พอ คำถามต่อไปจากคุณเอกวิทย์ค่ะถ้าจะบวชแบบจริงจังจะต้องทิ้งความหงใหใยในร่างกายใช่ไหมครับเพราะญาติๆเป็นห่วงว่าตอนแก่มาจะไม่มีใครคอยดูแลเพราะเป็นโสดไม่มีครอบครัวแต่อ่านในประวัติครูบาอาจารย์ทุกท่านจะบอกว่าพร้อมตายทุกเมื่อตายแล้วเผาได้เลยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเป็นาพามีคนดูแลจน ถ, ถึงวันตายคำถามตอบใจจก คำถามต่อไปจากคุณมาวีมูดค่ะนมัส ก, การครับพระอาหารท่านจะรู้ภูมิธรรมกันโดยไม่ต้องคุยกันได้ไหมครับและท่านสามารถเข้าใจผิดกันได้ไหมครับอันนี้ต้องไม่ถามบ้ า, านานะ น, นั่งอยู่กันแล้วกันนะไม่อยากจะตอบเดี๋ยวถูกขึ้นเขียงมาพูดตอบกันนะคำถามต่อไปจากคุณพันธิวาค่ะเพราะเหตุใดครูบาอาจารย์จึงมักกล่าวว่านิพพานอยู่ฟ้าตายครับ ก็เพราะว่าต้องยอมตายจะยืถึงจะไปถึงนี้ผ่านได้ถ้ายังกลัวตายอยู่ก็ยัก็ยังจะติดอยู่กับร่างกายนี้ไหยร่างกายนี้ไม่ได้คำถามสุดท้ายคํำถามสุดท้ายค่ะจากคุณเอกวิทย์ค่ะที่พระอาจารย์ตอบปัญหาในช่องคุณหมอวีว่าเราเกิดมาเพื่อเสพกามไม่ใช่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีกาในที่นี้หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงและญาตยศสันเสริญใช่ไหมครับ และถ้าเราไม่ได้เราก็ต้องกลับมาเกิดเรื่อยๆเพื่อมาเสพการามเหล่านี้ใช่ไหมครับใช่ความอยากจะเสพกามนี่มันเป็นตัวหนึ่งให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆนี่โอเคนะหมดเวลาพอดีสําหรับคืนนี้ก็พ อ, อดีอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปีก็เลยขออวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืง ในธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงพระนิพพานนะขอบคุณค่ะโอเคอันนี้ให้พอง่ายๆ <S 2> <S 2> <S 2> จบแล้วนะไปแล้วนะ